รู้อยู่แล้วยังมีหน้ามาถามอีกความจริงผมก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะพยายามทำตัวให้ดีที่สุดไม่ให้คุณหญิงเกิดขมินขึ้นอีกแต่ความพยายามของผมมันช่างล้มเหลวไม่เป็นท่าจนปัญหาสีจริงๆนึกไม่ออกเอเลยว่าผมได้ทําอะไรให้คุณหญิงเกิดหมันไส้ขึ้นอีกนั่นน่ะสินะมันแปลกอาจเป็นเพราะดวงของเรามันเป็นอริกันกำมังดูคุณมันช่างขวางขวา ง, ขวางในสายตาหรือความรู้สึกของฉันอยู่ตลอดเวลา ทังงที่ที่ฉันเองก็พยายามอย่างยิ่งเหมือนกันในข้อที่ว่าจะมองคุณในแง่ดีเอาละในรอบ24ชั่วโมงที่แล้วมาผมได้ทำอะไรให้เป็นที่ขัดใจคุณหญิงบ้างแปลว่าจะยอมรับผิดงั้นหรือเรียกว่าเราหาทางปรับความเข้าใจกันสิดีกว่าถ้าผมผิดผมก็จะยอมรับผิดแต่ถ้าผมไม่ผิดผมก็จะได้ชี้แจงดาดินจุดบุหรี่สูบบ้าง มองดูตาพรานใหญ่ด้วยเปลกายตากึ่งเหนื่อยชากึ่งแฝงความหมายชนิดที่เขาอ่านไม่ออกคุณเป็นคนไข้ของฉันหล่อนเอ่ยเนิร์ดเนิบ เ, เป่าควันบุหรี่เป็นทางยาวลงต่ำประสานมือกอดอกด้วยความหนาวสะท้านของอากาศกลางดึกแต่คุณอวดดีกับฉันมากสั่งอะไรก็ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตัวเองกาลังเจ็บหมอสั่งให้หยุดพักนอนเฉยเฉยเสียสักวัน กลับอวดเก่งบุก ป, ป่าออกแรงอีกเอาละเมื่ออ้างว่าจะออกสำรวจพระรักแค้นรักขายเรื่องไอ้แหว่งก็ไม่ว่าอะไรแล้วหน้อยกลับมาถึงแคมป์ยังอาปืนจุด4 5หาออกมาซ้อมยิงเป้าเล่นเห็นเป็นของสนุกกันใหญ่แรงสะท้อนถอยหลังของปืนขนาดนั้นมันกระเทือนตอบาดแผลของคุณเท่าไหร่บ้างนัดสองนัดก็ยังพอทำนานี่ยิงใหญ่อวดเก่ง นึกว่าตัวแข็งแรงทรหดอดทนเหนือกว่ามนุษย์โดยทั่วไปทั้งหลายเขาบุญเหลือเกินนะแผลที่เย็บไว้มันไม่ถึงกับฉีกออกไปนั่นก็ไม่อยากจะว่าอะไรอีกเหมือนกันทีนี้พอจะเอายาให้กินถามว่าเป็นยังไงบ้างบอกได้หนะ้าตาเฉยว่าไม่เป็นอะไรเลยก็ดีสิเมื่อไม่เป็นอะไรแล้วจะต้องพึ่งยาพึ่งหมอทําไมเสร็จแล้วตัวเองมันอนเจ็บแผลตัวสารเป็นเจ้าเข้าอยู่จนกระทั่งแง่ทายผ่านมาเห็นเข้าทนดูอยู่ไม่ได้ ถึงกลับไปตามฉันคนอย่างนี้นะ่ะน่าเวทนานักลือถ้าคุณหญิงจะถือว่าการเจ็บแผลของผมไม่ได้บอกกับคุณหญิงโดยที่ตัวเองพยายามจะลืมหรือไม่เอาจะใส่กับมันเสียคิดว่ามันจะทุเราไปเองเป็นความผิดแล้วก็ผมก็ขอยอมรับผิดรับสารภาพมาเสร็จได้อย่างนี้ก็ดีจะได้ปารีกันได้บ้างเมื่อเวลาเดินป่าหรือนั่งห้าง ถึงแม้ฉันจะเหม็นหน้าคุณสักขนาดไหนฉันก็ยังต้องจำใจปฏิบัติตามคำสั่งเชื่อฟังคุณไม่ว่าคุณจะเบ่งสักขนาดไหนเพราะยอมรับในความจริงที่ว่าคุณเป็นผู้นำมีความชำนาญเหนือกว่าได้รับผิดชอบโดยตรงทั้งดุทั้งขู่ทั้งรับสารพัดทีนี้พอคุณกลายมาเป็นคนไข้ของช่างบ้างฉันเป็นหมอคุณยังมาทำเก๊กทำอวดดีวิเศษอยู่อีกงั้นหรือครับผมเข้าใจแล้วว่า ทีใครก็ทีใครอ๋อนี่กล่าวอาคตางั้นหรือเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวยาที่ฉีดแก้ปวดมันจะกลายเป็นยาพิษขึ้นมาเสียเท่านั้นเห็นไหมเท่าแล้วเท่ารอดก็อดขวางไม่ได้อยู่นั่นเองครับครับผมกลัวคุณหมอแล้วกลัวลาเลยรุ่นพินยกมือไหว้ท่วมหัวดาดินขอนิดหนึ่งบนอุบอิบในรำคอพร้อมกับลุกขึ้นยืนเอาล่ะ น, นอนภาคเสีย ไม่ต้องคอยกังวลอะไรอีกคืนนี้ฉันจะสั่งให้แง่ท า, ายอยู่ยามตรวจระวังตลอดทั้งบริเวณแคมป์ของเราเองเดี๋ยวจะให้แง่ท า, ายเอาอผ้ห่มมาให้อีกผืนเห็นผ้ห่มแล้วทุเรศสิ้นดีผืนเท่ากับแบะมือดำอยังกับผ้าคลิ้วกล่าวจบหล่อนก็เดินกลับไปยังเต็นต์มีแง่ท า, ายตามหลังไปด้วยครูใหญ่อดีตนายทหารกองโจรกะเหลียงก็เดินกลับมาที่เขาอีกครั้งห่อผ้าขนสัตว์ผืนใหญ่ใหม่เอี่ยมผืนหนึ่งมาส่งให้เขา นายหญิงให้เอามาให้ผู้กองขอบใจมากแง่ทรา ย, ายพรานใหญ่กล่าวเรียบๆตาจับนิ่งอยู่ที่ใบหน้าของคนรับใช้ประจำตัวของคณะไหนจ้างยิ้มให้นิดหนึ่งฉันอาจเดินทางพรุ่งนี้ไม่ได้ถ้าหากแกไม่ไปตามนายหญิงออกมาผู้กองเป็นยังไงบ้างดีขึ้นมากพรุ่งนี้คงเดินทางได้โดยปกติถ้าได้รับสัก 5-6 าหชั่วโมงให้ตายสิฉันไม่อยากรู้ตัวเลย ตอนที่แกเข้ามาดูชั้นใกล้ๆและถูกเนื้อต้องตัวชั้นถ้าเสือมันย่องเข้ามาคาบก็ของเสร็จไปแล้วนายหญิงสั่งให้ผมมาบอกกับผู้กองว่านอนให้หลับสนิทให้ผมดูแลบริเวณแคมป์ทั้งหมดตลอดคืนและพผินพยักหน้าปิดปากขาวบาดแผลที่ปวดระบมอยู่เมื่อสักครู่นี้บัดนี้ทุเราลงมากแล้วประสาทอ่อนระโหยหนังตาหนักขึ้งพระฤติยานอนหลับ ดีมากฝากดูแลแทนด้วยนะความจริงแกไม่จําเป็นต้องมาอยู่ยามตลอดทั้งคืนหรอกเวรยอยู่ยามของผู้ลูกหาบมีประจําอยู่แล้วจะพักนอนบ้างก็ได้แต่ควรหูไวหน่อยเท่านั้นสําหรับชั้นคืนนี้คงหลับเป็นตายนอนหลับให้สบายเถิดครับโปรดอย่ากังวลพรานใหญ่เอ็นตัวลงนอนอีกครั้งใช้ผ้าขนสัตว์ที่บริจาคมาให้โดยนายจ้างสาวคนสวยคลุมทับผ้าผุยของเขาอีกชั้นหนึ่ง เลื่อนหมวกสกดารงมาหลบหน้าหลับตาดงแงซ า, ายจัดการเติมเชื้อฟืนเข้าไปในกองไฟที่สุมอยู่ข้างๆกายเขาทั้งสองด้านแล้วเดินผ่าไปเงียบๆจะเป็นเพราะความหนาวเย็นแทบจับเข้ากระดูกดำหรืออะไรก็ไม่ทราบได้จอมพรานสะดุ้งรืมตาขึ้นพบตัวเองนอนกดตัวตะแคงคูหมวกที่ปิดหน้าไว้หลุดตกไปข้างๆไฟที่ก่ออยู่ใกล้เขาทั้งสองกองหมดเปลวแล้ว เหลือแต่ฐานแดงวับแวมบริเวณแคมรอบด้านแลเห็นเป็นภาพสรดห ร, รารงตะคุ่มตะคุ่มอยู่ทั่วไปทางปลายเท้าของเขาร่างเป็นเงาทรมเนของแง่สายยืนอยู่ที่นั่นมือขวาถือไรเฟิลมือซ้ายมีไฟฉายแปดท่อนกำลังใช้กาดไปมาออกไปยังลาวป่าอันมืดมิดรุพพินขยับตัวขึ้นในลักษณะขึ้นนั่งขึ้นนอนพอดีกับที่บหน้านั้นหันมาทางเขาพอดี ตาของหนุ่มกระเลียงพนเนจรผู้รักรับที่แลประสานเขาเป็นประกายประหลาดอยู่ในเงามือดอันคุมเครือก่อนที่เขาจะเอ่ยป่าเช่นไรแง่าสายก็เคลื่อนเข้ามาใกล้มองเห็นกันได้ทั้งนัดดวงหน้าสีทองแดงเป็นเงามันระเรื่มนั้นมีแววกังวลอึดอัดใจเล่นรับผู้กองไม่ได้หลับหรอกหรือเสียงของแง่าสายแหบต่ำแผ่วเบาฉันตื่นเดี๋ยวนี้เองมีอะไรผิดปกติหรือ ครานใหญ่ถามพยายามกวาดสายตาไปรอบๆแล้วมาจับนิ่งอยู่ที่ใบหน้านั้นด้วยความพิสวงแง่สายขมวดคิ้วใส่หน้าช้าๆปฏิเสธแล้วหยุดชะงักนิ่งเหมือนจะใช้ประสาททุกส่วนค้นหาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วยิ้มออกมากร้านๆเสียงที่กล่าวต่อมาเกือบจะเป็นเสียงกระซิบไม่มีอะไรผิดปกติแต่อดีตนายทหารกองโจนกระเรียง ใช้ไฟกลาดสูงตามไปยังแนวป่าทึบรอบด้านอีกครั้งผู้กองรู้สึกเหมือนอย่างที่ผมรู้สึกหรือเปล่ารู้สึกอะไรคืนนี้ป่าทั้งป่าเงียบเหลือเกินผิดไปกว่าทุกคืนแม้จะ ง, ง่วงแสนง่วงระพินภัยวันก็ตาสว่างโพลขึ้นในบัดนั้นก็พริบตาทีๆจ้องหน้าแงซายแล้วพยายามเงี่ยหูสดับรหัสป่า เองที่เคยเก๊กร้องนานๆรั้งได้ยินรอยตามลมมาแต่ไกลตลอดทั้งคืนบัดนี้งเงียบสงบช้างซึ่งมักจะร้องอยู่ในหุบก็หายไปแม้แต่เสือหรือ ห, อหมาป่าอันมักส่งเสียงประดับดงแถบนี้อยู่ตามปกติก็ไม่ปรากฏคงได้ยินแต่เสียงน้ำค้างที่หยดลงมากระทบพื้นใบไม้แห้งอยู่เปาะแปะเป็นจังหวะภายหลังจากสะกดใจฟังอยู่ครู่ใหญ่ระพินก็หัวเราออกมาเบา แกลืมไปแล้วหรือแง่ท า, ายเมื่อตอนหัวข้ามเราทดลองไหลเฟ้อนออกสนันป่าสัตว์ในละแวกนี้มันตื่นเสียงปืนตเตลิดนีไปหมดแง่ท า, ายคงโครงหัวช้าๆอยู่เช่นนั้นกัดริมฝีปากมันเงียบที่สุดของความเงียบเก้งกวางเสือช้างหรือหมาป่าอาจไม่มีเสียงให้เราได้ยินได้หากมันไม่ได้อยู่ในละแวกใกล้เคียง แต่จักจัก่นเรไรและตุกแกป่าทำไมมันถึงพาการพร้อมใจเงียบสงบลงไปหมดเช่นนี้พรานใหญ่ยันกายลุกขึ้นนั่งตัวตรงในทันทีนั้นเงียโสดศดับตับฟังเสียงอีกครั้งจริงของแงสายดงทึบอันชุกชุมไปด้วยสรรพสัตว์ทั้งดงที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้มันเงียบสงัดเอาจริ ง, รงแม้แต่เสียงจักจัก่นเรไรตุกแกป่าหรือแมลงทุกชนิดก็ไม่ทาเสียงให้ปากฏขึ้น ราวกับป่าจะตกอยู่ในมนสะกดอะไรสักอย่างหนึ่งความเงียบอันมีปริศนาหน้าพิศวงชนิดนี้แหละที่จอมพรานอย่างเขาย่อมจะต้องตระหนักได้ดีว่ามันเป็นความเงียบก่อนหน้าที่จะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่สามารถจะทํานายได้ถูกหรือมิฉะนั้นก็เป็นเหตุการณ์ประจวบเหมาะอันปกติธรรมดาที่สุดโดยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยซึ่งบางครั้งบางคราวป่าก็มีลักษณะเช่นนี้ได้เหมือนกัน เขสาสบตาแง่าสายอีกครั้งยิ้มขึมนขึมอืมจริงของแกประสาทสัมผัสของแกดีมากแง่าสายฉันเองก็ไม่ชอบความเงียบแบบนี้เหมือนแกเหมือนกันมันทําให้เราต้องอึอดอัดกวนกวายยังไงพิกลแต่ป่ามันก็อาจนอนหลับได้เหมือนกันนี่นะแล้วแต่จังหวะเวลาของมันผมสังเกตมาชั่วมองเต็มเต็มแล้วมันเริ่มเงียบเช่นนี้มาตั้งแต่ผู้กองล้มตัวลงนอนครั้งแรก แง่าสายพูดเหมือนรำพึงแล้วก็สูนฟืนเติมให้ที่กองข้างกายเขาบ่นอะไรอุบอิบอยู่ในรำคอฟังไม่ได้สับลักษณะท่าทีสังเกตได้ชัดว่าไม่สบายใจนักทำจมูกฟูดฟิตสูดรมหายใจหนักๆแล้วเงยหน้าขึ้นแกได้กลิ่นอะไรหรือผู้กองได้กลิ่นอย่างผมหรือเปล่าอากาศคืนนี้มันหนักข้นยังไงบอกไม่ถูก มีกลิ่นคล้ายๆดอกไม้อะไรสักอย่างหนึ่งลอยมาขาดขาดหายหายคล้ายๆกลิ่นดอกกลำเจียกประสาทของฉันอาจจะชาไปก็ได้นะแง่ทรายฉันไม่ได้กลิ่นอะไรนอกจากควันไฟยาที่นายหญิงของแกให้ฉันกินทําให้สมองของฉันหนักไปหมดอยากจะนอนอย่างเดียวแกได้กลิ่นอย่างว่านี่หรือผมก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอุปทานหรือเปล่าผู้กองกินยาผู้กองง่วงนอน ผมไม่ได้กินยาและในเวลากลางคืนผมไม่เคยอยากนอนเลยแต่สำหรับคืนนี้หนังตาผมหนักหรือเกินฉันบอกแกแล้วว่าถ้าแกง่วงแกก็นอนได้แต่ขอให้หูไวเท่านั้นผมเกรงว่าถ้าผมหลับคืนนี้ผมคงไม่ตื่นไวนะักเพราะฉะนั้นผมพยายามจะไม่หลับลูกหาบที่อยู่เวรยามทุกคืนไม่เคยหลับเลยแต่คืนนี้หลับ ผมเดินไปปลูกสองครั้งแล้วทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นคนละคนคนละผลัดเวรกันทำไมยามทั้งสองคนเผลอหลับในขณะที่อยู่ยามเหมือนกันทั้งสองคนก็ไม่ทราบแล้วพรานของฉันทั้งสี่คนนั่นละ่ะฉันจัดหน้าที่ไว้ให้ผลัดเวรประจำหนึ่งคนเสมอพร้อมกับพูดและพินพยายามกวาดสายตามองหาพรานคู่ใจของเขาแต่ก็มองไม่เห็นเขาว่าจะมีใครตื่นเลยสักคนเดียวนอกจากลูกหาบคนหนึ่ง ซึ่งนั่งคลุมผ้าสับ ป, ปะงกอยู่ริมกองไฟด้านหนึ่งจันเป็นเวรสำหรับอยู่ยามผัดสองคืนนี้แต่เมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงมานี้เองเขาฝากยามผมไว้บอกว่าง่วงเต็มทีตอนนี้ก็ลับไปแล้วระพีนขมวดคิ้วนิดหนึ่งแต่แล้วความพิสวงคลางแครงของเขาก็ถูกอำนาจของความง่วงเหงาอิจโอยเคลื่อนเข้ามาบดบังเสียหนังตาั้งคู่จะปิดสีให้ได้ ยกมือขึ้นปิดปากหาวพยักหน้าสั่งว่าพวกเราคงจะอ่อนเพรียดโรยกันมามากสําหรับวันนี้พรุ่งนี้ก็จะต้องออกเดินทางแล้วเชื่อแน่ว่าไอแ้แวมหรือเสือคงจะไม่ป้วนเปี้ยนเข้ามาใกล้แคมป์เราคืนนี้หรอกแกตื่นอยู่คนเดียวก็พอแล้วแต่อย่าลืมนะถ้านึกอยากจะนอนเมื่อไหร่แล้วก็ก่อนนอนปลุกพรานของฉันคนใดคนหนึ่งขึ้นให้เขาอยู่ยามแทนแง่าสายขยับปากมีท่าเหมือนจะเ อ, อ่ยอะไรกับเขาอีก แต่ระพินม่วงเสียจนหมดความสนใจเอ็นตัวลงนอนตามเดิมหลุดหมวกลงมาปิดหน้าเสียเพียงอึดใจเดียวเขาก็รับสนิทเพราะอำนาจยานอนหลับของแพทย์หญิงหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราลิศเวลาผ่านไปท่ามกลางบรรยากาศอันแสนที่จะสงัดเงียบเยือกเย็นเสียงบางร้องแทรกมาตามรมดึกยาวเยือกครั้งหนึ่งฟังประดุษเสียงร้องควรวญครางของผู้ผีปีศาจ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกสะกดให้นิ่งเป็นดุษฎีเช่นเดิมในเต้น ม, มีเสียงพลิกตัวของชายยันแล้วก็ละเมออะไรเ อ, อะอะลั่นออกมาคำหนึ่งดาลินผู้นอนอยู่เตียงกลางสะดุ้งตื่นด้วยเสียงนั้นหล่อนรู้สึกตนเองว่ากำลังหลับสนิทและตื่นขึ้นอย่างงัวงเงียงที่สุดเพราะเสียงที่เข้ามากระทบโสตประสาทหญิงสาร้องเรียกเพื่อนชายออกไปสองสาคำเบาๆก็ไม่ได้ยินเสียงตอบ นอกจากเสียงกลนเป็นจังหวะแสดงว่าหลับสนิทหล่อนจึงเล่าสนใจพราู้ว่านั่นเป็นการละเมอพลิกตัวนอนตะแคงกระชับพ้าห่มให้แน่ประชับเข้ามาอีกเพราะความหนาวเย็นจับคู่หัวใจทันทีนั้นเองคาณนปาปส่าของหล่อนก็สัมผัสกับกลิ่นแปลประหาดที่ไม่เคยมาก่อนลอยกลุ่นเข้ามามันหอมเอียนเอียนอย่างไรบอกไม่ถูกรู้สึกวิงเวียนมึนงงในลักษณะคล้ายดมยาสรุปคลับคล้ายคับคลา ไม่แน่ใจตนเองว่าขณะนี้ตนได้ตื่นรู้สึกตัวแน่ชัดอยู่หรือว่าเคลิ้มฝันไปร่างกายอ่อนหมดเรียวแรงร่อนพยายามฝืนเปิดเปลือกตาอันแสนหนักขึ้นมองฝ่าม้งสนามที่ขึขงคล่อมเตียงผ้าใบอยู่กลาดไปรอบด้านโดยที่ก็บอกไม่ถูกว่าต้องการจะมองหาอะไรในขณะนั้นป่าแถบนี้มีดอลำเจียกอยู่ด้วยหรือ ย, อยังไงหรือว่าใครอุตริเอาดอกลำเจียกเข้ามาไว้ในกระโจมพักตั้งแต่เมื่อไหร่ สมองของหล่อนถามตัวเองครั้นแล้วขณะนั้นเองจะเป็นด้วยสายตาฝาดหรือประสาทอันโอรเวงมึญชาในขณะนี้ร้อนตัวเองอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ทราบได้หล่อนเห็นแสงเรืองๆของอะไรชนิดหนึ่งปรากฏขึ้นที่ผนังของผ้าใบเต็นท์ตอนหลังคามันแดงวู้เป็นดวงราวกับโคมกระสือหรือมิฉนั้นก็หิ่งห้อยยักษ์รัศมีที่เปล่งสว่างเรืองออกไปเป็นวงกลม ขนาดชามกะละมังย่อมย่อมเหมือนมีใครเอาดวงไฟมาทาบอยู่บนหลังคาเต็นท์ด้านนอกและแสงนั้นผ่านผ้าใบเข้ามาหญิงสาวริมตาโรพร่งพยายามเพ่งจ้องจับอยู่ที่ดวงแสงนั้น ท, ทั้งที่เปลือกตาทั้งสองถ่วงหนักเป็นที่ร่างกายทุกส่วนหนักอึ้งไปหมดกระดิกกระดี่ไม่ได้ราวกับเป็นเน็ตชาหรือความรู้สึกแบบผีอั้มมันเป็นงแสงวาววูบแดงรุ่งอยู่อึดใจก็หลีหายไป อีกหรือใจใหญ่ๆต่อมาก็แดงวาบขึ้นอีกแต่แในคราวนี้เปลี่ยนที่ไปปรากฏอยู่บนผนังผ้าเต็นท์ตอนที่ต่ำลงมาแล้วก็ดับแล้วก็สว่างขึ้นอีกในลักษณะเดิมเคลื่อนเปลี่ยนไปรอบๆผนังเต็นท์อย่างเช่มช้ากลิ่นฉุนเอียนๆ ย, ยิ้นโชยตรบสมองของหล่อนสั่งการครั้งแรกก็คือต้องการเอื้อมมือไปหยิบ ป, ปืนสร้างประจําตัวใต้หมอนหล่อนไม่มีความสามารถ สมองได้แต่สั่งเท่านั้นแต่ร่างกายไม่อาจเคลื่อนไหวได้ต่อไปรอนคิดว่าจะร้องเรียกเชิดขาหรือชัยยันแต่ก็ไม่มีเสียงหลุดออกมาจากลำคอดวงตาทั้งคู่หลีลงเป็นลำดับง่วงและเพลียอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในชีวิตจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เลือนรางเหมือนภาพฝันล้ายพระพีนไพรวันตื่นขึ้นในลักษณะพวดพลาด พอถูกขย่าวปลุกโดยแรงพร้อมกับเสียงเรียกพอลืมตาขึ้นก็เห็นบุญคําเป็นคนเขาเป็นคนขย่าวปลุกเขาจัน์เกิดและเซยอันเป็นพรานพื้นเมืองของเขารายล้อมอยู่รอบกายแต่ละคนหน้าตื่นเลือกรากตืหืดกระหอบขณะนั้นฟ้าเพิ่งจะเริ่มสางอากาศขมุกขมัวไปด้วยหมอกช้ามืดแต่ก็พอจะมองเห็นหน้ากันได้ถนัดโดยไม่ต้องอาศัยแสงไฟรอบบริเวณแคมป์พวกคูุขหาบจับกันเป็นกลุ่ม เสียงพูดแซดฟังไม่ได้สับอะไรเกิดอะไรขึ้นเขาร้องออกมาเร็วปือลูกหาบของเราเสจไปอีกคนแล้วเป็นเสียงบอกและร่ำเรากแทบจะฟังไม่เป็นภาษาของบุญคำพรานใหญ่กระโดดผางขึ้นยืนทั้งตัวเสือลากไปเหลอไม่ใช่ครับมันเป็นอะไรไม่รู้นอนตัวแข็งทื่อไม่มีรอยบาดแผลอะไรทั้งสิน้นศพนอนอยู่โน่นและพินเพ่นพวด ตรงเข้าไปที่ศพของลูกหาบคนหนึ่งซึ่งขณะนี้พวกลูกหาบทั้งหลายกำลังยืนร้อมวงดูอยู่ในพริบตานั้นเชษดถาดารินและชายยันในชุดนอนสแสดงว่าเพิ่มจะถูกปลุกขึ้นมาอย่างกระทนหันเช่นกันก็วิ่งพรูออกจากเต็นต์ตรงเข้ามาโดยเร็วภาพที่เห็นทำให้ทุกคนยืนจ้องตะลึงงานอยู่กับที่ริมโขดหินเล็กๆใกล้ ก, กับกองไฟมอดกองหนึ่ง ร่างของลูกหาบคนหนึ่งนอนตัวคูตะแคงสีสัภพาพอยู่กับย่ามส่วนตัวเหนือกระสอบป่านที่ปูรองไว้เป็นชายร่างใหญ่วัยประมาณ30ปีตาทั้งสองปิดสนิทรักษณะเหมือนนอนหลับเว้นไว้แต่ว่าไม่มีลมหายใจและร่างกายเย็นชืดเหมือนท่อนหินร่างนั้นไม่ปรากฏร่องรอยของบาแดแผลใดๆทั้งสิ้นระพินซุตัวลงอย่างรวดเร็วเอื้อมมือไปขยับจะพิกกล้างนั้น แต่มือของใครคนหนึ่งในจำนวนคณะนายจ้างของเขาค ว, ว, ว้าไหล่ของอย่างกระทันหันกระชากยับยั้งไว้เดียวอย่าเพิ่งแต่ต้องศพเจ้าของมือและเจ้าของเสียงห้ามคือหม่อมราชวงศ์ดารินวราลิศพรานใหญ่ชะงักตามคำสั่งนั้นทันทีพอจะเข้าใจในบัตรนั้นว่าการห้ามของนายจ้างสาวคงจะเนื่องมาจากเหตุผลทางแพทย์เกี่ยวกับการชนะสูตรนั่นเอง ความตนกตกใจทำให้เขาเกือบจะทำอะไรลงไปชนิดเขาได้ถนัดดาลินสมแล้วที่เป็นแพทย์แม้รอนจะได้รับความตื่นเต้นตกใจต่อเหตุการณ์ซึ่งเห็นอยู่ในขณะนี้สักเพียงใดก็ยังพอมีสติที่จะแสดงความรอบคอบที่ถ้วนตามฐานะของรอนซึ่งในขณะนี้ไม่มีใครนึกไปถึงเชิดาดำเนินการซักถามสอบสวนเหตุการณ์ขึ้นในทันทีนั้นความปรากฏออกมาว่า ผู้ตายชื่อเลินครั้งสุดท้ายที่เพื่อนลูกหาใกล้ชิดยังเห็นว่าเขามีชีวิตอยู่นั้นคือเวลาประมาณสองทุ่มเศษเมื่อคืนนี้ภายหลังเวลาอาหารเย็นได้จัดการเตรียมเก็บสัมภาระข้าวของตามคำสั่งของพลานใหญ่แล้วเลินได้ล้มตัวลงนอนอย่างตำแหน่งที่เขาได้นอนตายอยู่นี้ซึ่งตามปกติก็เป็นที่นอนประจาของเขาทุกคืนนับแต่มาตั้งแคมป์อยู่ที่นี่คนที่นอนใกล้ชิดเขาที่สุด มีที่นอนห่างออกไปประมาณสามวายืนยันว่าขณะที่ล้มตัวลงนอนเลินสูบบุหรี่ใบาจากและคุยกับตนหยุ่ครูใหญ่จึงต่างคนต่างหลับไปเช้าตูห่หยุกยกนี่เองลูกหาบทุกคนตื่นขึ้นเตรียมตัวเพื่อเอาควายเทียเข้าเตียมเกลียนและหุงหาอาหารมีเดินคนเดียวที่ไม่ยอมลุกเมื่อเพื่อนสงสัยเข้ามาขย่าปลุกจึงพบว่าเขาได้สิ้นใจเสียแล้วและได้เอะอะโวยวายกันขึ้น เหตุการณ์ที่เพื่อนทุกหาบทั้งหลายค้นพบว่าเลอนอนตายเกิดขึ้นเมื่อสองสามอึดใจที่แล้วมา น, นี่เองเลอ น, อนอนตายอยู่ในลักษณะเดิมของการนอนหลับเท่าที่เพื่อนใกล้ชิดที่สุดเห็นและทุกคนยืนยันว่าขณะที่มาพบว่าเป็นศพไปแล้วนั้นลักษณะของศพก็อยู่ในสภาพเดิมกับที่เห็นครั้งแรกไม่มีใครเคลื่อนย้ายให้ผิดรูปรอยไปการตรวจสอบร่องรอยในระแวกใกล้เคียงศพไม่พบว่า จะมีวิเววของสัตว์ชนิดใดทั้งสิ้นกล้ามกลายเข้ามาใกล้ผู้ตายเมื่อหันมาสอบสวนยามและเหตุการณ์ภายในบริเวณแคมป์ของเมื่อคืนที่ผ่านมา <c oughs> ก็มาถึงความจริงในข้อที่ว่าทุกคนนอนหลับสนิทกันหมดแม้กระทั่งพวกอยู่ยามผมหลับเป็นตายเลยครับเป็นการหลับอย่างประมาทที่สุดเป็นครั้งแรกในชีวิตนอนกลางป่าของผมพรานใหญ่สารภาพเสียงต่ํำลึก แววตาเครื่องขรืมสอแววเสียใจนั่นไม่มีปัญหาใดเลยมันเป็นผลมาจากยาระงับประสาทและยานอนหลับอย่างแรงที่ฉันให้คุณเพื่อต้องการให้พักผ่อนดารินบอกโดยเร็วมองดูเขาด้วยแววตาแสดงความเห็นใจเป็นครั้งแรกชายยันเอื้อมมือมาจับแขนพรานใหญ่บีบเป็นธรรมดาระพินเมื่อคือนนี้คุณจับไไม่ไม่สบายเพราะพิษบาดแผล และน้อยก็ให้ยาระ ง, งับกับคุณคุณก็ต้องหลับไปอย่างไม่รู้เรื่องเลยมันน่าประหลาดหรือเกินผมเองกับเชษฐาก็หลับอย่างชนิดไม่รู้สึกตัวเหมือนกันไม่มีใครรู้สึกตัวกันเลยสักคนเชษฐาสอบพวกที่อยู่ยามเมื่อคืนนี้เป็นรายคนเวณยามของพวกลูกหาบยอมรับว่าหลับไม่รู้สึกตัวตั้งแต่ยามที่สองและไม่มีการปลุกกันขึ้นมาผลัดเปลี่ยนเวรเหมือนเช่นเคย จันผู้มีฐานะเป็นพรานและมีหน้าที่อยู่ยามกำกับเวรที่สองก็สารภาพว่าเป็นอะไรไม่ทราบม่วงเหงาขึ้นมาอย่างผิดปกติและได้ไปบอกฝากยามแกง่ายแง่าสายไว้ตนเองของนอนพักและก็หลับพ่อยไปแง่าสายเป็นคนสุดท้ายที่ถูกเรียกเข้ามาหนุม่มกระเรียงพเนจรมีลักษณะอาการขึ้มสงบเฉยเมื อ, อยู่เหมือนเดิมแต่สีหน้าโุดเครียดผมก็หลับครับเจ้านาย หลับทั้งๆ ท, ที่เตือนตัวเองอยู่ทุกขณะว่าจะไม่ยอมหลับแงาสายรับตามตรงด้วยเสียงห้าวอาถารอันเป็นนิสัยเป็นการเผลอหลับอย่างไม่ทันรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ได้ปลุกจันทร์ขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนยามตามคาสั่งของผู้กองเล่าถึงเหตุการณ์บริเวณแคมป์เท่าที่แกรู้เห็นก่อนหลับซิแล้วเปลี่ยนซักมาโดยเร็วเมื่อผู้กองหลับไปแล้วผมออกไปเดิน ร, บรอบๆบริเวณเหตุการณ์ปกติดีทุกอย่าง ผมเดินไปปลุกเตือนยามลูกหาอีกครั้งหนึ่งตรวจรอบๆบริเวณอยู่สามสี่เที่ยวก็กลับมานั่งที่ริมกองไฟหน้ากระโจมพักของเจ้านายผมเผลอตัวนั่งหลับที่ขอนไม้หน้ากระโจมนั่นเองมาตื่นขึ้นอีกครั้งพร้อมๆกับลูกหาทุกคนแปลว่าแกเป็นคนสุดท้ายที่ยังตื่นอยู่ภายหลังจากที่ทุกคนพวกเราหลับไปหมดสิ้นแล้วช ย, ยันถามครับผมชื่อว่าผมเป็นคนสุดท้ายเฉพาะทุกคนที่นอนอยู่นอกเต็นท์ เพราะขณะที่ผมยังเดินตรวจอยู่นั้นเห็นทุกคนหลับหมดไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติเลยหรือเชิดถายา้ำแง่าสายชำเรืองไม่มองไปทางรบพินศบตาพรานใหญ่ที่จ้องอยู่ก่อนพอดีจอมพรานเม้มริมฝีปากแน่นหันไปมองดูคณะในจ้างของเขาผมเพิ่งนึกออกเดีนี้เองครับก่อนที่ผมจะหลับไปภายหลังจากที่คุณหญิงออกมาให้ยาแง่าสายเข้ามาพบผม เราพูดอะไรกันสองสามคำถ้ามันจะมีอะไรผิดปกติมันก็ผิดตอนนั้นแหละยกเว้นแต่ตอนนั้นผมง่วงและเพียเสีจนไม่ทันจะเฉลียวคิดแล้วก็นึกไม่ถึงว่ามันจะเกิดเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นซึ่งก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเหตุการณ์ประจกเหมาะหรือว่ารางร้ายที่เตือนมาล่วงหน้าเป็นผลให้ลูกหาบของเราตายอย่างที่เห็นกันอยู่นี่อะไรที่ว่าผิดปกติเชื่อถาและชัยยานถามมาเกือบจะเป็นเสียงเดียวกัน เราพินมองสุดตาแงซายอีกครั้งก่อนที่ผมจะหลับไปในครั้งสุดท้ายสังเกตเห็นแงซายเดินยามอยู่คนเดียวลักษณะกระสับกระซาอ ย, ย่างไรพี่โกเขาเปรยกับผมว่าป่ามันเงียบผิดปกติผมก็รู้สึกว่ามันจะเป็นจริงตามที่แง่ซายพูดเจ้ากระจันหรือตุ๊กแกสักตัวก็ไม่ทําเสียงขึ้นระยะนั้นเป็นเป็นระยะเงียบสงบอันยาวนานทีเดียวแงซายยังบอกอีกว่าเขาได้กลิ่นอะไรบางสิ่งบางอย่าง แล้วก็บ่นว่าเขารู้สึกง่วงผิดไปกว่าทุกคืนผมก็สั่งว่าเขาจะนอนก็ได้แต่ก่อนนอนให้ปลุกพรานของผมคนใดคนหนึ่งขึ้นมาอยู่ยามแทนเพิ่งจะมารู้ความจริงกันเดี๋ยวนี้เองว่าแง่าสายเผลอหลับไปโดยไม่ทันจะปลุกคนของผมให้เฝ้ายามแทนอืมประหลาดเหลือเกินนะนี่แปลว่าเมื่อคืนพวกเราทุกคนหลับกันหมดซินส่สิไม่มีใครตื่นอยู่เลยหลังจากแง่าสายม้อยไปเป็นคนสุดท้ายหัวหน้าคณะเดินทางคลางออกมา ผมคิดว่าคงเป็นเช่นนั้นครับและสันนิษฐานว่าลูกหาบของเราคนนี้ตายในขณะที่พวกเราทุกคนพากันหลับหมดระหว่างที่ทุกคนอึง้งดาเรนขมวดคิ้วเหมือนจะคิดอะไรแล้วหันขวับไปทางคนรับใช้ประจำแคมป์ผู้ยืนหน้าซีดขาวอยู่ถามโดยเร็วแม่ท า, ายที่เธอบอกกับพรานใหญ่เมื่อคืนนี้ว่าเธอได้กลิ่นนั้นเธอได้กลิ่นอะไรช น, นิดไหนบอกให้ละเอียดสิ ผมบอกกับผู้กองว่าผมได้กลิ่นจางๆบอกไม่ถูกว่ามันเป็นกลิ่นอะไรแต่รู้สึกว่ากลิ่นจะคล้ายดอกลําเจียบมันเหม็นและหอมปนกันยังไงไม่ทราบหญิงสาวเ ม, ม้มริมฝีปากแน่นเบิกตาโตจ้องน้าแงซายอยู่เช่นนั้นกลิ่นที่แงซายบอกมันน่าจะเป็นกลิ่นเดียวกับที่ลอยมาสัมผัสจมูกของหล่อนเมื่อคือนนี้เองก่อนหน้าที่จะพล่อยหลับไปอย่างสลบนสลายณะที่แงซายบอกกับคุณว่าได้กลิ่นชนิดนั้น คุณได้กลิ่นด้วยหรือเปล่าแล้วหล่อนก็พุ่งสายตากลับไปยังรพินจอมพรานสันสีษะเปล่าแต่เอาแน่กับจมูกของผมตอนนั้นไม่ได้ยาที่คุณหญิงให้ผมแรงเกินไปจนประสาทส่วนใหญ่ชาไปหมดเอถ้ามันจะยังไงไงเสียแล้วละสิดาดินร้องออกมามองดูหน้าพี่ชายได้ชัยยันระหว่างแง่ท า, ายกับฉันทายไม่ถูกว่าใครจะรับไปก่อนใคร เพราะกลิ่นที่แง่ทายบอกนั้นฉันเองก็ได้กลิ่นเหมือนกันไม่เพียงแต่ได้กลิ่นเท่านั้นยังดูเหมือนจะเห็นอะไรประหลาดประหลาดอีกด้วยเว้นไว้แต่คิดว่ามันเป็นความฝันนี่พอมาได้รู้จากแง่ายในเรื่องนี้ฉันก็แน่ใจว่าฉันไม่ได้ฝันเด็ดขาดในตอนนั้นทําไมน้อยได้กลิ่นอย่างว่านี่แล้วก็เห็นอะไรประหลาดประหลาดไหนต้องบอกสิพี่ชายซักโดยเร็วทุกสายตาที่ยืนร้อมศพของลูกหาบในขณะนี้จับมายังร่อนเป็นตาเดียว หญิงสาวยกมือตบขมับเบาๆเหมือนจะเรียกร้องความทรงจำแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวน้อยจะเล่าถึงสิ่งที่น้อยเห็นแปลกๆเมื่อคืนนี้ให้ฟังขอตรวจดูศพก่อนเถอะก่อนอื่นเราต้องการรู้ว่าเขาตายเพราะอะไรและตายมาเป็นเวลาสักเท่าไหร่แล้วบางทีเราอาจพบสาเหตุการตายของเขาเช่นนี้ที่ไม่มีอะไรได้รับซ่อนเงื่อนกันนะักเขาอาจถูกงูพิษดอดมากัดในขณะที่นอนหลับ และตายในทันทีก่อนที่จะรู้สึกตัวก็ได้ทุกคนเห็นด้วยกับความเห็นของรอนดาดินเริ่มต้นทำการชนสูตรศพในทันทีนั้นโดยแง่ท า, ายกับพระพินทาหน้าที่ช่วยเหลือในการพลิกหรือเคลื่อนไหวศพตามแต่ความต้องการในงานตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนของรอนตามแขนขาใบหน้าตลอดจนกระทั่งส่วนต่างๆของร่างกายแม้ในร่มผ้าทุกส่วนไม่ปรากฏร่องรอยใดๆทั้งสิ้น ทุกคนเต็มไปด้วยความพิศว ง, งงงงันหรือที่จะกล่าวดาเรียนตรวจละเอียดแม้กระทั่งบนหนังศีรษะที่ปกคลุมไปด้วยเส้นผมดกไม่พบบาแดแผลใดๆทั้งสิ้นลักษณะของศพซีดและคร้ำจะดูเขียวตายมาแล้วประมาณไม่เกินห้าหกชั่วโมงนี้เองหวังว่าหมอนี่คงไม่ได้เป็นลมหรือหัวใจวายไปเองเฉยๆนะชา ย, ยันพึนพมพำออกมาเป็นไปไม่ได้ลักษณะของเขาเป็นคนแข็งแรง มีสุขภาพดีคนหนึ่งดูจากรูปร่างข้อลำก็รู้แพทย์สาวประจำคณะเดินทางค้านหนักๆในลาคอแต่แล้วขณะนั้นเองเชษฐาผู้ยืนกอดอกพิจาราดูศพอย่างเงียบๆก็ชี้บอกมาว่าน้อยดูที่ซอกคอของศพนั่นสิรู้สึกว่าจะมีอะไรผิดสังเกตนะทั้งหมดพูงสายตาไปยังเป้าหมายตามคำบอกของเชษฐาในทันทีนั้นแล้วเพ่งดาดินก้มลงพิจารณาดูอย่างถี่ถ้วน ที่ซ่อขอด้านซ้ายมือของศพปรากฏเป็นแว่นเขียวครั้ำวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสองนิ้วถ้าไม่สังเกตแทบจะมองไม่เห็นเพราะเกืนกับผิวของศพซึ่งเป็นคนครั้ำอยู่แล้ววงกลมเขียวนั้นขยายขึ้นมาเล็กน้อยและใจกลางเป็นตุ่มแดงๆปรากฏอยู่ตุ่มหนึ่งลักษณะคล้ายมดหญิงสาวพิจารณาโดยรอบคอบอยู่อุดใจใหญ่จึงพยักหน้าให้ทุกคนดูต่างคนต่างมองดูตากันเองไปมา ภายหลังจากสำรวจดูร่องรอยนั้นลอยอะไรนะ่ะเธอคิดว่ายังไงน้อยตามความเห็นของเธอชายยันคลางแหบๆไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วสําหรับเหตุที่ทําให้เขาตายรอยที่เห็นอยู่นี่แหละคือต้นเหตุเขาตายยังไงหม่อมราชวงเขาตายยังไงหม่อมราชวงหญิงดาลินยักไหล่นิดหนึ่งหัวคิ้วยองขมวดยุ่งอยู่เช่นนั้น ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเขตที่เจริญแล้วชื่อจะลงความเห็นได้ทันทีว่าเขาถูกฆาตกรรมคนร้ายใช้เข็มฉีดยาที่บรรจุยาพิษอย่างแรงฉีดเข้าเส้นเลือดที่ซอกคอของเขาแต่นี่มันมาเกิดในขึ้นในป่าฉันก็ลงความเห็นไม่ถูกเหมือนกันว่าต้นเหตุมันมาจากอะไรตุ่แดงที่ปรากฏอยู่ใจกลางวงเขียวที่ซอกคอนี่ตรงกับเส้นเลือดใหญ่เส้นหนึ่งพอดีซึ่งสันนิษฐานว่ามันจะต้องเป็นบริเวณที่เปิดเผยที่สุดส่วนหนึ่ง ในขณะที่เขานอนหลับเพราะส่วนอื่นคงจะถูกคลุมด้วยผ้าหม่มและเขาตายโดยไม่มีโอกาสเจ็บปวดหรือรู้สึกตัวทั้งสิ้นเป็นการตายในขณะหลับน้อยแน่ใจหรือว่าตุมแดงเล็กๆ ก, กั บ, บวงเขียวนั่นเป็นสาเหตุของการตายของเขาพี่ชายย้ำถามหล่อนไม่ได้ตอบทันทีนั้นแต่หันไปขอมีดเหน็บจากเอวของแง่รายออกมาถือไว้เงยหน้ามองดูทุกคน แล้วก้มลงจับข้อมือศพข้างหนึ่งขึ้นมาพลิกหงายขึ้นใช้ใบมีดอันคมกริบเฉือนลึกลงไปจนถึงเส้นเลือดใหญ่ที่ข้อมือข้างนั้นมันเปิดเนื้อขาวเวอร์ออกไปก่อนอึดใจเดียวก็มีโรหิตสีดำำําค้ําไหลซึมออกมาเล็กน้อยทุกคนมองดูรอนอย่างงงงแพร่สาวใช้ใบมีดป้ายเลือดให้ทุกคนดูเห็นไหมคะพี่ใหญ่เลือดที่พอจะเหลืออยู่ในตัวของเขาบ้างเหล่านี้กลายเป็นพิษไปหมดแล้วดําปีเลย พิชชนิดหนึ่งร้ายแรงขนาดที่จะทำให้คนตายได้ในทันทีวิ่งซึมซาบไปตลอดทุกเส้นเลือดให้กลายเป็นสีดำคล้ำผิดปกติไปเช่นนี้ทางที่พิษเข้าถ้าไม่อยู่ที่จุดเล็กๆตรงก้านคอนั่นก็ค้นไม่พบที่ไหนอีกแล้วทุกคนงานไปอีกครั้งแง่สายลืมตาโพรงจ้องศพนิ่งอยู่เช่นนั้นและผพียนป้ายแขนเช็ดเหงื่อบนหน้าผากรีตาล ง, ท, งทั้งทั้งที่เป็นเวลาเช้าตู่อันมีอากาศเย็นสด เหงื่อก็ผูดซึมไปตลอดทั้งใบหน้าเขาทุกคนใบหน้าเคร่งเครียดรอยเขี้ยวงูหรือเปล่ารบพินหัวหน้าคณะเดินทางเอ่ยขึ้นกับพรานใหญ่เกือบจะเป็นเสียงกระซิบจอมพรานกล้ามกลืนความรู้สึกบางอย่างลงคอสั่นศรีรษะช้าช้าตาจับนิ่งอยู่รอบรอยปาดแผลซึ่งเป็นเพียงแค่จุดเหมือนรอยเข็มฉีดยานั้นไม่ใช่แน่ครับ รอยเขี้ยวงูจะไม่มีลักษณะเป็นเพียงแค่จุดแดงที่เราเห็นอยู่นี่มันจะเป็นรูบาดแผลลงไปให้เห็นชัดทีเดียวและจะปรากฏอย่างน้อยก็สองรูคือเคี้ยวร่างรูหนึ่งและเขี้ยวบนอีกรูหนึ่งในขณะที่มันงับลงมาถ้างั้นอะไรพวกมแมลงพิษร้ายกาศบางชนิดเป็นต้นว่าแมงมุมประเภท Black Widow อย่างในแอฟริกาหรือผู้ที่ใกล้เคียงกันพรานใหญ่คงโคร ง, งหัวอยู่เช่นนั้น ค่อยๆลุกขึ้นยืนจากท่าคุกเขา่าผมสารภาพว่าจนปัญญาที่จะบอกได้จริงๆครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ในชีวิตเกือบสิบปีของผมที่ท่องเที่ยวหากินอยู่ในดงแถบนี้นอกจากพวกงูแล้วผมไม่เคยพบสัตว์จนพวกแมลงชนิดใดจะมีพิษร้ายกาศพอที่จะกัดหรือต่อยคนที่กำลังนอนหลับให้ตายสนิทไปโดยไม่ทันรู้สึกตัวได้เลยถึงแม้งูก็เหมือนกันต่อให้เป็นจงอางได้ซ้าไป ถ้าตัดใครเข้าคนถูกกัดก่อนตายก็จะต้องรู้สึกตัวทุรนทุรายไม่ตายเงียบเงียไปอย่างนี้แล้วเราจะสันนิษฐานกันอย่างไรนี่ชา ย, ยานระเบิดออกมาอย่างกวนกวายก่อนอื่นเรามาลองวิเคราะห์ดูก่อนว่าอะไรก็ตามทีซึ่งมันเป็นเจ้าของรอยจุดแดงตรงก้านคอของสศกผู้ข่าบเราคนนี้มันทาขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายอะไรของมันกันแน่มันควรมีจุดประสงค์ของมันโดยเฉพาะไม่ใช่หรือ คงไม่ใช่เพราะเจตนาจะมาฆ่าเขาเสียเฉยๆหรื อ, อยังไงในพรานดารินกล่าวขึ้นอย่างใคร่ครวนเต็มไปด้วยเหตุผลพรานใหญ่ะงกศีสะลงถูกของคุณหญิงครับสัญชาตญาณของสัตว์ป่าทุกชนิดเมื่อจะจู่โจมเข้าเล่น ง, งานคนหรือสัตว์อื่นมันย่อมมีเหตุผลของมันเสมอและส่วนมากก็คือการหาอาหารการต่อสู้ป้องกันตัวไม่เห็นว่าจะมีภัยหรือไม่ก็การแก้แค้นตอบแทน ซึ่งตามปกติแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดสำหรับในกรณีนี้เราตัดเรื่องสัตว์ใหญ่สีเท้าออกไปได้รวมทั้งประเภทงูทุกชนิดด้วยเหลื อ, อไว้แต่จำพวกมแมลงมีพิษเท่านั้นทีนี้ถ้าเป็นมแมลงมีพิษร้ายถ้าคนเรานอนหลับสนิทเป็นไม่ได้เคลื่อนไหวไปกระทบตัวมันมันก็จะมีกัดหรือต่อยเป็นอันขาดรอยตุ่มแดงที่ปรากฏอยู่บนผิวซึ่งตรงกับเส้นเลือดใหญ่ที่ก้านคอ พอจะเป็นเหตุผลให้เราสันนิษฐานได้ไม่ว่านั่นเป็นการเจตนาอะไรชนิดหนึ่งเอาละ่ะมันจะเป็นอะไรก็ตามทีจากหลักฐานที่ศพนี่พอจะคาดกันเอได้ไม่ว่าทําไมมันจึงจะลงตรงกับเส้นเลือดใหญ่ของเขาแล้ผินจ้องตาหลอนนิ่งคุณหญิงหมายความถึงว่ามันเจตนาดูดเลือดของเขาเช่นนั้นหรือครับจะเป็นไปได้ไหมล่ะ ตามความเห็นของคุณในฐานะที่คุณก็เป็นพรานเชี่ยวชาญกับสารพัดสัตว์ป่ามานานถ้างั้นก็แปลว่าความตายของเขาเกิดขึ้นเพราะเลือดที่ถูกสูบออกไปหล่อนยิ้มขึมนขึสันศีษระเลือดที่ถูกสูบหรือดูดออกไปมันไม่มีปริมาณมากมายนักหรอกไม่มากจนถึงกับทำให้เขาตายแต่ที่ตายมันเป็นเพราะพิษร้ายตหากมันแบ่งออกได้เป็นสามในคือหนึ่งอยพิษที่หมดสติ หรือตายสีก่อนแล้วดูดเลือดสองระหว่างที่ดูดเลือดก็ปล่อยพิษเข้าไปด้วยพร้อมกันสดูดเลือดให้เต็มอิ่มเสียก่อนแล้วปล่อยพิษนี่เป็นการสันนิษฐานตามข้อจนสูตรในหลักวิชาแพทย์ของฉันอึ้งไปอุจใจใหญ่แล้พินก็ก้มหัวลงผมเห็นด้วยตามข้อสันนิษฐานโดยมูลฐานหลักวิชาของคุณหญิงครับอารัทีนี้ในฐานะที่คุณเป็นพราน คุณจะบอกเราได้หรือยังว่ามันคืออะไรเจ้าสิ่งนั้นดูดกินเลือดคนของเราแล้วปล่อยพิษจนเป็นผลให้เขาตายโดยทิ้งร่องรอยให้เห็นเพียงแค่ตุ่มแดงเล็กนิดเดียวที่ก้านคอนั่นดารินสรุปมาโดยเร็วเชษฐาและชายยานหันไปมองตาเขาอีกครั้งด้วยกระแสดำถามทั้งสองเห็นด้วยตามเหตุผลของดารินวราฤทิและกำลังขอความกระจ่างจากเขาอยู่ด้วยความร้อนรุ่ม เป็นครั้งแรกในชีวิตของพรานใหญ่เช่นเขาที่จำนวนต่อปัญหาในเรื่องความริรับพิสดารของป่าจนยืนงานอยู่กับที่แต่แล้วขณะนั้นเองก่อนที่เขาจะกล่าวคำใดออกมาแง่ท า, ายผู้ยืนสงบนิ่งอยู่เป็นเวลานานก็เอ่ยขึ้นห้าวห้านายหญิงครับดาลินหันขวับไปทางเสียงนั้นทันทีกเหลี่ยงงมพเนจรถอนใจลึกนายหญิงยังไม่ได้บอกเลยว่า เมื่อคืนนี้นายหญิงเห็นอะไรที่นายหญิงคิดว่าฝันไปจริงด้วยชายันร้องขึ้นเมื่อกีนนี้เธอบอกว่าเธอเห็นอะไรประหลาดเมื่อคืนที่แล้วแล้วก็ได้ว่าได้กลิ่นเหมือนดอกลำเจียดอย่างเดียวกับที่แงยสายได้กลิ่นมันอาจเป็นข้อวินิจฉัยได้สําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันพอจะลําดับภาพได้บ้างแล้วมันเริ่มด้วยป่าทั้งป่าที่เงียบสงัดผิดปกติซึ่งเงยายกับพระพินมีความรู้สึกตรงกันในขณะนั้น ต่อมาก็มีกลิ่นคล้ายดอกลำเจียกที่แง่ทรายกับเธอได้กลิ่นเหมือนกันต่อมาพวกเราก็หลับกันหมดและจากสาเหตุที่เราหลับกันหมดทั้งแคมป์นั่นเองการตายด้วยครับของลูกหาบคนนี้ก็เกิดขึ้นเธอลองบอกสิว่าก่อนที่เธอจะหลับไปนั้นเธอเห็นอะไรใช่เหตุการณ์มันน่าจะประสานสัมพันธ์กันอย่างที่ชัยยันว่านี่แหละเชี่ยวถ้าเอ่ยขึ้นต่ำๆสนับสนุนมาคุณหญิงเห็นอะไรครับเมื่อคืน พูดมาเสียงแหบแหบเป็นคนสุดท้ายอาราฉันจะเล่าให้พวกเราฟังว่าฉันเห็นอะไรซึ่งทีแรกคิดว่าฝันหญิงสาวพูดแผ่วเบาแต่ชัดเจนมันจะเป็นเวลาสักเท่าไหร่ก็บอกไม่ถูกแต่รู้ว่าดึกสงัดทีเดียวฉันสะดุ้งตื่นขึ้นก็เสียงระเมอเอะอาของชายยันทีแรกนึกว่าเกิดอะไรขึ้นร้องเรียกชายยันหลายค้างไม่เห็นตอบนอกจากกลนก็เลยรู้ว่ารเมอ ตั้งใจจะหลับต่อขณะนั้นเองก็ได้กลิ่นอะไรชนิดหนึ่งฉุนตลบไปหมดกลิ่นคล้ายๆดอกลำเจียกอย่างว่านั่นแหละหนังตานหนักไปหมดลืมแทบไม่ขึ้นแล้วก็หมดแรงอ่อนเพลียอย่างบอกไม่ถูกกระดิดกกระเดี้ยไม่ไหวทีเดียวหล่อนหยุดเว้นระยะยกมือทั้งสองขึ้นรูปคำรำคอสีหน้าสยองใจแล้วหล่อนก็เล่าต่อไปอย่างละเอียดในปรากฏิการประหลาที่ได้เห็นก่อนที่จะหมดความรู้สึกไป ทุกคนนิ่งฟังด้วยความพิสวงตื่นเต้นแง่าสายยืนเบิกตาโพรงหน้าซีดขาวลักษณะของมันเหมือนดวงทับทิมแต่มีแสงสว่างเรืองด้วยตัวเองหญิงสาวบอกในตอนท้ายทีแรกนึกว่าเป็นลำไฟฉายของพวกเราคนใดคนหนึ่งแต่ดูไปแล้วมันไม่ใช่ผิดกันมากสีของมันแดงจัดทีเดียวรี่แสงจนดับมืดหายไปได้ แล้วก็เปล่งแสงสว่างวาวจ้าขึ้นมาอีกเป็นจระหวะเหมือนหิ่งห้อยไม่มีผิดเว้นแต่ดวงใหญ่กว่ามากลักษณหมีที่เปล่งวูบออกไปของมันขนาดถาดหรือไม่ก็กระมังย่อ ม, มๆทีเดียวอาการไปก็ไปอย่างเชื่มช้าเหมือนจะตายรออยู่บนหลังคาเต็นท์และแสงนั้นส่องผ่านผ้าเต็นท์ลงมาให้เห็นท่ามกลางความมืดใจฉันขณะนั้นต้องการจะปลุกผู้ใหญ่กับชายยันขึ้นแต่มันไม่มีเสียงออกมาจากลําคอได้เลย กระดุ ก, กดิกก็ยังไม่ไหวได้แต่นอนจ้องมองดูแสงนั้นเฉยแล้วก็หลับไปอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จนกระทั่งทำให้นึ ก, กว่าฝันไปแต่โดนนี้แน่ใจแล้วว่าไม่ได้ฝันเสียงแง่สายคลางอะไรออกมาคำหนึ่งลึกอยู่ในลำคอแล้วหันไปทางพรานใหญ่พูดเกือบจะเป็นเสียงกระซิบผู้กองครับเดี๋ยวนี้ผมแน่ใจแล้วว่ามันคืออะไรผู้กองจะเชื่อผมหรือไม่ก็ตามผมขอบอกว่า ชีวิตของพวกเราทุกคนกําลังตกอยู่ในระหว่างภัยร้ายกาศน่ากลัวเหนือกว่าภัยป่าทุกชนิดระหว่างตะวันตกดินจนถึงตะวันขึ้นยิ่งกว่าเสือสมิงกินคนยิ่งกว่าไอ้แหว่งช้างฉลาดตัวนั้นมันจะมาสูบเลือดเอาชีวิตเราคืนละคนหมายความว่ายัางไงกันคณะนายจ้างทั้งหมดร้องถามมาเป็นเสียงเดียวกันจ้องมองไปที่ใบหน้าของหนุ่มกระเรียงพระเนจรขมิงด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูก แง่สายยังคงยืนนิ่งม่านตาทั้งสองขยายกว้างเหม่อมองปราศจากจุดหมายออกไปยังดงทึบที่แวดล้อมอยู่รอบด้านเป็นหนึ่งหมาล่าเนื้อที่มองเห็นในสิ่งรีรับอันสายตาของมนุษย์ทั่วไปไม่สามารถจะเห็นได้สิ่งอันร้ายกาดหน้าขนพองสยองกล้าที่สุดเอาละแง่สายพรานใหญ่ทําลายความเงียบขึ้นด้วยน้ําเสียงขึ้นกลุม ข, ของเขา ไม่มีอาการสะดุ้งสะเทือนหรือส่อแววอัศจรรย์ใจจนผิดไปจากรักษณะเยือกเย็นเดิมๆกับนายจ้างทุกคนในขณะนี้บางทีฉันอาจไม่รู้อะไรในเรื่องความพิสดารของป่าเท่ากับแกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าแกคิดว่าแกรู้แน่ว่ามันเป็นอะไรหรือเพียงแต่อยากจะคิดก็ตามลองบอกมาให้ละเอียดสิมันคืออะไรไม่มีวันที่ผู้กองจะไม่รู้ยกเว้นแต่ว่าผู้กองไม่เคยเชื่อมาก่อนเท่านั้น ผมแน่ใจว่าแม้ในขณะนี้ผู้กองก็คิดอย่างผมเพียงแต่ไม่กล้ายืนยันปีปากพูดออกมาเพราะผู้กองไม่เคยไปชิญหน้ากับมันมาด้วยตัวเองมันเป็นแต่เพียงสิ่งบอกเล่าที่อาจเคยได้ยินได้ฟังมาจากพรานรุ่นปู่รุ่นทวดเป็นนิยายที่ทําให้ผู้เจะดินแล้วหวัวเราะอย่างเดียวกับตะขาบที่โตเท่าฝาเรือนอย่างเดียวกับงูที่มีงอนฉันไม่เข้าใจที่แกพูด ผู้ ก, กองไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยหรือกลางดงทึบ ก, กันดารอันลึกล้ํากลางคืนอันเปล่าเปลี่ยวสงบเงียบ ม, มันเป็นดวงไฟสีแดงลอยมาสัตว์ทั้งหลายจะง่วงเงาหลับสิ้นภายใต้อำนาจสะกดของมันมันจะเลือกสูบเลือดเอาตามปรารถนาจนเต็มอิ่มแล้วก็ลอยจากไปไม่เลือกว่าเป็นสัตว์หรือคนตามแต่มันจะพบมันคือความตายอันลี้ลับน่าสะพรือกลัวภายหลังเมื่อตะวันลับป่าไปแล้ว คำพูดของเงซ า, ายทำให้พรานใหญ่ยืนเลือดเย็นเฉียบไปตลอดทั้งล่างสมองตกอยู่ในห่วงขบคิดหนักชาเรืองมองดูศพของลูกหาบแล้วเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่คณะนายจ้างของเขาซึ่งบัดนี้พากันมองหน้าเงาทา ย, ายและเขาสลับกันอยู่เช่นนั้นด้วยอาการกระวนกระวายลพ้พนช่วยอธิบายซิเงซายหมายมถึงอะไรหัวหน้าคณะเดินทางระเบิดออกมา แงสทายกำลังจะยืนยันให้ผมเชื่อว่าอะไรชนิดหนึ่งซึ่งพราญพื้นเมืองรุ่นเก่าๆเคยเล่าไว้อย่างพี่เล็กพี่ลั่นมันกลายเป็นความจริงขึ้นมาแล้วเจ้าสิ่งอันลี้รับหน้าขนพองสยองต้าชนิดนั้นพวกเขาเรียกกันว่าขโมดดงพวกผู้ผีพีศาสอีกแล้วสิดาเดินร้องแหลมออกมาลืนตาโตกระาเสียงของหล่อนมีแววเยาะแต่ตัวเองห่อไรคนลุกเกลียว เชี่ยวขาหันไปสบตาชายยันแล้วหันกลับมามองแล้วพินกับแง่ท า, ายด้วยดวงตาค้นหาอธิบายหน่อยเถอะผมฟังแง่ท า, ายพูดอะไรกับคุณไม่รู้เรื่องเลยดูหมอไม่อยากจะพูดอะไรเรื่องนี้กับพวกผมแต่เจตนาจะพูดกับคุณโดยเฉพาะเหมือนคนรู้อะไรกันในนายก่อนแล้วพรานใหญ่ฝืนหัวเราะออกมานิดหนึ่งแท้จริงหรือความจริงมันจะเป็นอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ มีสมมุติฐานของสิ่งหนึ่งที่ชาวป่าพากันขนานนามว่าขโมดดวงโดยเล่ากันเหมือนอย่างที่แน่ทรายบอกเมื่อสักครู่นี้แหละลักษณะของมันคล้ายดวงไฟจะออกหากินก็เฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นเที่ยวสูบเลือดสัตว์หรือคนที่นอนหลับอยู่ในป่าสิ่งมีชีวิตที่ตกเป็นเหยื่อของมันจะตายโดยค้นหาบาดแผลอะไรไม่ได้เลยมันเป็นสิ่งตื่นเต้นน่ากลัวของนิยายริมกองไฟในป่าอีเชนนิดหนึ่ง ซึ่งผมเคยได้ยินได้ฟังมานานแล้วแต่ไม่เคยพบด้วยตนเองสักครั้งการตายของลูกหาบเราคนนี้มันมาคล้องจองกับนิยายเรื่องนี้เข้าพอดีเสียงชัยยานอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งในราคอเชิดฐาหันไปทางแง่ทรายโดยเร็วแง่ทรายอะไรทำให้แกคิดว่าเป็นเจ้าของสิ่งที่เรียกกันว่าขโมดตรงนั่นและแกจะบอกได้ไม่ว่ามันคืออะไรกันแน่ผมไม่เคยเห็นมันมาก่อน เคยแต่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่นายหญิงเล่าว่าพบอะไรเมื่อคืนมันตรงกับสิ่งที่ผมได้ฟังมากลิ่นที่รอยมาสะกดพวกเราให้หลับดวงไฟประหลาดที่นายหญิงเห็นลูกหาบของเราตายโดยไม่ปรากฏบาดแผลควรจะเป็นอะไรอีกถ้าไม่ใช่มันพรานเก่าคนไหนก็บอกไม่ได้มันคืออะไรนอกจากพูดปาแงซ า, ายมีเหตุผลในการสันนิษฐานคพี่ใหญ่ หม่อมแลวชวงหญิงดาลินกล่าวแทรกมาโดยเร็วเม้มริมฝีปากแน่นเขาเอากิจติศัพตร์เรื่องบอกเล่าที่เคยได้ยินมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเริ่มด้กลิ่นที่สะกดให้พวกเราหลับกันหมดสิ่งที่น้อยเห็นกับตาและการตายของลูกหาบของเราปัญหามันจึงมีอยู่แต่เพียงเราจะตีให้แตกออกไปได้อย่างไรว่าสิ่งที่มาทําให้ลูกหาบของเราตายนั้นคืออะไรกันแน่สําหรับน้อยให้หลักฐานทางนิติเวช วิทยาได้แน่ชัดว่ารูขาบของเราถูกดูดเลือดและถูกปล่อยพิษเข้าไปนั่นเป็นเหตุที่เขาตายค้นพบตำแหน่งที่เจาะดูดเลือดอันเป็นตำแหน่งเดียวกับทางปล่อยพิษด้วยน้อยต้องไม่ลืมว่ามันมีกลิ่นคล้ายดอกลำเจียกรอยมาด้วยสะกดเราให้หลับและสาต์ประเภทไหนละ่ะที่ทาให้คนตายได้เพียงแค่ทิ้งบาดแผลร่รองรอยไว้เป็นจุดแดงเล็กๆเท่านั้นเองมันน่าคิดอาการนะ ชายานเสริมาโดยเร็วนั่นเป็นความดีรับพิศดารที่เราจะต้องค้นหาไม่เพียงแต่กลิ่นหรือรอยบาดแผลเท่าจุดแดงเล็กๆเท่านั้นปรากฏการณ์อันมีลักษณะเหมือนดวงหิ่งห้อยยักษ์ของมันด้วยถ้าสายตาของฉันไม่ฝาดเมื่อคืนและถ้ามันเป็นสิ่งเดียวกับที่มาดูดเลือดลูกหาบของเราโดยไม่ใช่เป็นเหตุการณ์บังเกินประจูบเหมาะอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามฉันยอมรับว่ามันเป็นสิ่งมหาศจันนร์นขนลุก และเดาไม่ถูกเอาเลยว่าแต่หล่อนหานไปทางดพินลักษณะการตายอย่างเดียวกันนี้คุณไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยหรือในชีวิตเดินป่าของคุณไม่เคยครับและไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นด้วยเท่าที่เห็นก็พวดที่ถูกงูพิษอย่างแรงกัดรอยเคี้ยวปรากฏชัดที่ศพแม้ว่าเขาจะตายเงียบในเวลากลางคืนโดยที่เพื่อนๆนผู้นอนใกล้ชิดไม่ทันรู้สึกตัวและโทโ และถ้าลงได้มีตัวอย่างให้เห็นแบบนี้แล้วพวกเราก็อยู่ในฐานะไม่ปลอดภัยเสียแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่พวกเราคนไหนต่อไปแต่เมื่อได้รู้การเสียทีแบบนี้เราก็พอมีทางเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับมันได้และพิสูจน์ให้รู้ชัดออกไปว่ามันคืออะไรแน่เชี่ยฐาว่าแววตาเต็มไปด้วยแววกังวลแต่หนักแน่นมั่นคงอยู่เหมือนเดิม ก็ถ้ามันมาแบบโชยกลิ่นสะกดมาก่อนแบบนี้เราจะป้องกันอีท่าไหนชายันแยง้งถ้ากลิ่นที่น้อยกับแง่ท า, ายบอกว่าคล้ายๆกลิ่นดอกลำเจียบเป็นแก๊สอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันปล่อยโชยออกมาเพื่อสะกดเราพอลอยมากระทบจมูกก็เท่ากับมันบอกให้เรารู้ร่วงหน้าถึงการมาของมันนั่นเองถึงยังไงก็พอจะทนอำนาจพิษสะกดของมันได้ผิดกับตอนเราไม่รู้ตัวมาก่อน ต่อไปนี้เว้นในเวลากลางคืนเราจะต้องระมัดระวังเตรียมพร้อมกันมากกว่านี้เตรียมรับมันโดยเฉพาะทีเดียวเอาละมันจะเป็นผีขโมยผีโป่งผีป่าอะไรก็เป็นได้รู้ดีด้วยรู้ชั่วกันขอให้มันมาเล่นงานพวกเราอีกสักครั้งเถอะหรือยังไงรบพินผมก็กำลังคิดอย่างคุณชายครับจัดการขุดกลุ่มฝังศพลูกหาบเสียที่นี่แหละอย่าบอกความจริงให้พวกลูกหาบอื่นๆทราบว่าพวกของเขาตายด้วยลักษณะพิศดารเช่นไร บะเดีย๋ยวจะขวัญเสียไปกันใหญ่บอกเขาแต่เพียงว่าเราค้นพบรอยเคี้ยวมูพิษกันแล้วกันฝังศพเสร็จเราก็ออกเดินทางเลยตามแผนเดิมล่าไอ้แหวงไปด้วยเตรียมรับมือกับไอ้ผีขโมวดปพางตอนกลางคืนถ้าพวกเราไม่หลับยามเสียมันจะมาอีท่าไหนก็คงได้รู้กันผมต้องการพิสูจน์เจ้าสิ่งรีรับนี่ออกไปให้ได้ว่ามันคืออะไรแน่เชษฐาสั่งการเชา้านี้ทุกสิ่งทุกอย่างดาเนินไปชนิดแข่งกับเวลา รปินปฏิบัติตามคําสั่งของนายจ้างเขาคือกบกลืนสาเหตุการตายแท้จริงของลูกหาบไว้โดยให้ทุกคนเข้าใจไปว่าถูกโงูกัดคงให้รับรู้เฉพาะพลานของเขาเท่านั้นศพของเลินถูกฝังไว้ยังบริเวณที่ตั้งแคมป์นั้นข้าวของสัมภาระถูกลูท อ, อนบรรลุบรรจุลงเกวียนทุกคนรับประทานอาหารเช้ากันอย่างเร่งรีบและเงียบเหงาก่อนออกเดินทางเล็กน้อย แง่าสายเลี้ยงเข้ามาพบพรานใหญ่ในขณะที่เขากำลังใช้ยางเส้นเล็กๆผูกมัดรูกไหรเฟื่อนสี่ห้านัดเข้าด้วยกันเพื่อหย่อนลรงกระเป๋าเสื้อกันไม่ให้กระทบการเกิดเสียงในขณะเดินเป็นการพบกันสองต่อสองแง่าสายแอบกระซิบเล่าให้ฟังว่าตนเองได้พบเหตุการณ์ตายหรือครับชนิดเดียวกันนี้มาก่อนแล้วครั้งหนึ่งผู้ตายเป็นเพื่อนกระเลียงออกตะเวนล่าช้างด้วยกัน ขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืนซึนอนค้างอยู่ที่การกลางดงเขาหลับสนิทตื่นขึ้นมาพบเพื่อนนอนเป็นศพไปเสียแล้วโดยค้นหาสาเหตุไม่ได้แง่ซ า, ายเล่า ว, ว่าแม้เขาจะพยายามค้นหาบาดแผลเพียงไรก็ไม่พบและไม่ทราบสาเหตุกลายเป็นความตายอันริรับมาจนกระทั่งลูกหาเปลญได้ตายอีกคราวนี้โดยนายหญิงผู้เป็นหมอค้นพบบาดแผลเพียงจุดแดงเล็กๆที่ก้านคอของศพ ซึ่งเขาก็เชื่อแน่ว่าคงเป็นลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของเขาเว้นไว้แต่ในขณะนั้นเขาไม่มีความละเอียดถี่ท่วนหรือความรู้ในด้านชันสูตรพอที่จะค้นพบได้ในตอนนั้นที่เพื่อนกับแกไปนอนแล้วเพื่อนตายไปอยู่ที่ไหนโป่งผีสิงครับโป่งผีสิงที่แง่ทายบอกคือดงลุกแถบหนึ่งห่างจากโป่งกระทิงไประยะห่างเดินสิบกว่าชั่วโมง ทางตะวันออกเสียงเหนือแล้วพินหลีตาคิดแปลกเหลือเกินนะแงซายฉันเองก็ท่องเที่ยวอยู่เป็นเบือในแถบนี้มันไม่เคยปรากฏเรื่องแบบนี้ให้ฉันรู้เห็นกับตามาก่อนเลยตำแหน่งที่เพื่อนของแกตายกับที่มันลงดูดเลือดลูกหาบเราที่นี่ห่างกันมากแสดงว่ารัศมีหากินของมันกว้างไกลไม่ใช่น้อยมันอาจจะตามรังควานเราได้จนถึงหลุมช้างทีเดียว ถ้ามันมีอยู่จริงดงลึกแถบนี้ทั้งหมดก็จะต้องอยู่ในรสศมีหากินของมันทั้งนั้นแต่ทำไมถึงเพิ่งมาลงงานมาลงเล่นงานเราเมื่อคืนนี้ทั้งๆ ท, ที่เราพักอยู่กลางดงนี้กันหลายคืนมาแล้วมันอาจเพิ่งพบขบวนของเราและคงจะตามกลิ่นตลอดไปคืนที่เพื่อนผมตายพอ ร, รุ่งเช้าฝังศพเขาแล้วผมก็รีบออกจากดงนั้นโดยเร็วที่สุดก่อนตะวันตกดิน ถึงจะข้ามระหว่างทางผมก็ยังเดินบ่ายหน้าขึ้นหมู่บ้านตะเคียนล้มโดยไม่หยุดทั้งๆ ท, ท, ที่ผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อผมตายเพราะอะไรเมื่อคืนแกบอกถึงความผิดปกติเมื่อคืนแกบอกถึงความผิดปกติแกชั้นแต่แกไม่ได้เล่าเรื่องที่เพื่อนแกตายในลักษณะอย่างว่านี่ผมคิดไม่ถึงไม่นึกว่ามันจะเป็นเหตุอย่างเดียวกันผมเพิ่งจะมานึกออกเมื่อเห็นลูกหาบตาย ถ้าผู้กองสบายดีเสียอย่างเดียวเมื่อคืนนี้ผู้กองอาจจะกระส่ากิ่นมันเอาละเฉยๆไว้กับเถอะแงซายเจ้านายของเราท่านกําลังวิตกอยู่มากเรื่องนี้แกไม่ควรจะบอกความจริงอะไรออกไปเลยสําหรับแกต่อไปนี้ระ ว, วังอย่างเดียวอย่าหลับในเวลากลางคืนผู้กองก็เหมือนกันแล้วแงสายก็ผ่าไปแล้วพีนไพยวันบอกกับตนเองว่าลางของการเดินทางในครั้งนี้มันไม่ชอบมาพากลเสียแล้ว ตลอดชีวิตของการเป็นจอมพรานผู้ยิ่งใหญ่ช่ำชองสันทั์ในเรื่องของป่าดงพงพีจนชื่อเสียงระบือกล้งไปทั่วเป็นเวลาช้านานของเขาไม่เคยมีครั้งใดมาก่อนเลยที่พวกลูกหาบหรือผู้อยู่ร่วมในคณะของเขาจะมีอันเป็นไปถึงแก่ชีวิตลงเป็นลำดับเช่นนี้เท่าที่ปรากฏมาแล้วในอาณาจักรป่าดงทุกแห่งที่เขาเหยียบย่างเข้าไปบริเวณหรือผู้ติดตามที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกคน ถ้ปฏิบัติตามคําสั่งของเขาอย่างเคร่งครัดและถ้าอยู่ในรัศมีสายตารู้เห็นของเขาไม่เคยเลยที่ใครจะต้องเสียชีวิตล้มตายลงจากภัยป่าให้เห็นซึ่งหน้าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามสามารถจะอุ่นใจและนอนหลับได้อย่างสบายแม้กลางด่านสัตว์ ร, ร้ายหากว่ามีพรานใหญ่และพินเป็นเพื่อนร่วมนอนอยู่ด้วยเขาเป็นหลักประกันเป็นสารณะยึดมั่นและที่พึ่งของทุกคนได้ในพงไพร แต่เริ่มต้นของการเดินทางครั้งนี้มันบอกรางร้ายแก่เขาอย่างไรพิกนเริ่มด้วยลูกหาบสบแรกถูกประเดิมไปเป็นเหยื่อของไอ้กุศดเสือสมิงเพียงแค่คืนที่สองของการออกเดินทางช่วงแรกเท่านั้นนั่นไม่ใช่ความบุกพ้องของเขาลูกหาบเพราะร้ายผู้นั้นฝาาฝืนคำสั่งเองด้วยความคึกคะนองต่อมาอีกเพียงสองวันอีกคนหนึ่งก็ต้องสงเวยชีวิตให้แกความดุร้ายของไอแ้แหวงช้างอันถาน มันเกินความสามารถของเขาที่จะป้องกันไว้ได้อีกเพราะเหตุเกิดห่างไกลจากการรู้เห็นของเขาแต่แล้วมาคืนนี้เองเขาก็ต้องสูญเสียลูกหาไปอีกคนหนึ่งโดยลักษณะอาการอันรีรับมืดมนเป็นศพที่สามเป็นการตายในขณะที่นอนรวมกลุ่มกันอยู่ในแคมป์อันน่าจะอบอุ่นและปลอดภัยที่สุดโดยมีเขาร่วมอยู่ด้วยระพินเริ่มจะไม่สบายใจอย่างไรชอบกลอำนาจของป่า กำลังจะสำแดงอิทธิพลเหนือจอมพรานผู้เคยหักป่าราบมาแล้วโดยตลอดเช่นเขากันนั้นหรือมันจะเป็นเหตุการณ์บังเอิญประจวบเหมาะเข้าด้วยหรือเปล่าในข้อที่ว่าเขาได้รับบาดเจ็บจากกระทิงบาดแผลอักเสบทําพิษขึ้นจําเป็นต้องได้รับการเยียวยารักษาและจากการเยียวยานั้นเองทําให้เขาต้องหลับไปอย่างเผลอแายชนิดไม่เคยมาก่อนเขาถูกฉีดยาระงับประสาทและกินยานอนหลับอย่างแรง มันช่างเป็นโอกาสปลอดจังหวะเหมาะเสียจริงที่เหตุร้ายได้เกิดขึ้นสมมุติว่าถ้าเขาไม่ปวดแผลไม่ต้องใช้ยาระงับเข้าขับช่วยสรรทาธยาของพรานอันเฉียบไฟมีอยู่ครบถ้วนโดยปกติเหมือนเช่นทุกวันมันจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นหรือไม่เมื่อคืนเขาสรบสลายไปด้วยอำนาจยานอนหลับของหมอมพระชงหญิงดาลินหรือว่าพลอยถูกอานาจลึกลับสะกดให้หลับเหมือนเช่นทุกคนกันแน่ หรือว่ามันประกอบกันทั้งสองอย่างเสือสมิงที่ว่าร้ายกาศเพียงไหนไม่เคยที่จะรอดพ้นไปได้หลงว่าถ้าพลานอย่างเขาหมายจะล่าถึงแม้แหว่งช้างเกเรพร้อมทั้งโคงของมันก็ไม่มีทางจะพ้นมือเพียงแค่ช้าหรือเร็วตามจังหวะโอกาสเท่านั้นไม่มีสัตว์ป่าชนิดไหนที่ตกเป็นเป้าหมายการตามล่าของรพินแล้วจะไม่ได้ตัวเขารู้จักสัตว์แต่ละชนิดที่หมายล่ารู้นิสัย สัญชาตยานทิศทางหากินร่องรอยโดยปลุกโลงสันทัศน์และชำนาญเยี่ยมแต่บัดนี้เขายอมรับว่ากําลังเผชิญอยู่กับสิ่งลึกลับชนิดหนึ่งซึ่งเขาไม่รู้จักมันมาก่อนเลยไม่สามารถแม้แต่จะลงความเห็นได้ว่ามันคืออะไรนอกจากอนุมานเอาจากสิ่งที่เคยได้รับการบอกเล่าอันล้วนเป็นเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์ไม่มีร่องรอยอะไรไว้ให้พิสูจน์ชัดได้มากไปกว่าความตายที่ทิ้งไว้ให้เห็น และโดยหน้าที่เขาก็ต้องรับผิดชอบต่อทุกชีวิตที่อยู่ภายใต้การดูแลเขากําลังจะต้องเผชิญกับมันต้องสกัดกั้นทําลายร้างมันก่อนที่ชีวิตอื่นๆจะปิดโปลงลงไปอีกในป่าระพินไพรวันไม่เคยมีอะไรที่จะต้องกังวลหนักใจแต่มาครั้งนี้เขายอมรับว่าเผชิญเข้ากับปัญหาใหญ่เข้าให้แล้วหลายชีวิตหรือเกินที่เขาจะต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่ลาพังตัวเขาเองกับพรานร่วมใจทั้งสี่ซึ่งเชื่อแน่ว่าพอจะรักษาตนเองรอดได้ในภาวะคับขันขีดสุดเขาอดชมงนประนาดใจเสียไม่ได้ในข้อที่ว่าเหตุใดเวลาที่เขาและคนของเขาออกท่องเที่ยวตะเวนไพรเพื่อการอาชีพกันอยู่ตามลาพังโดยเฉพาะเหตุร้ายจากป่าชนิดนี้จึงไม่ปรากฏขึ้นภัยป่านั้นจริงอยู่ย่อมมีขึ้นได้เสมอและไม่จากัดขอบเขต แต่ก็ไม่เคยเลยที่จะแพร่ผ่านเข้ามาราวีเขาและผู้ร่วมงานใกล้ชิดได้แต่ครั้นเมื่อร่วมทางกันมาเป็นขบวนใหญ่มากน่าหลายตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกลิ่นอายของอารยธรรมผสมเข้ามาด้วยจากคณะนายจ้างของเขาปากก็เริ่มสัแดงอิทธิฤทธิ์เข้าคุกคามดูประหนึ่งว่าจะรู้จุดอ่อนฉะนั้นและรงว่าได้มีการตายเกิดขึ้นอีกสักครั้งแล้ว มันขึ้นมักจะเกิดขึ้นซ้ำๆกันอีกโดยไม่หยุดยัง้งไม่มีอะไรก็อะไรสักอย่างหนึ่งรูปขาบทั้งหมดมีอยู่16คนเริ่มจะตายไปเป็นลําดับแล้วสามคนปันี้เขาเริ่มสังหรณ์ว่ากว่าจะเดินทางไปถึงหลมช้างคนเหล่านี้จะมีอันเป็นไปเช่นไรอีกบ้างอย่างไรก็ตามยังมีส่วนดีที่พอจะปลอดโปร่งใจได้อยู่บ้างในกรณีที่ว่าคณะนายจ้างของเขาทั้งสามคน แม้จะไม่จัดว่าเป็นผู้ชำนาญป่ามาก่อนแต่ก็รูวนเป็นนักต่อสู้เผชิญภัยที่มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญสติมั่นคงหนักแน่นได้ระดับทัเทียมกันไม่มีการเสียขวัญไม่ว่าจะเกิดเหตุวิกฤตการใดๆขึ้นยิ่งกว่านั้นยังเป็นนักปัญญาชนมีฝีมือพอที่จะร่วมสถานการณ์กับเขาได้ทุกอย่างไม่ว่าจะหนักเบาเพียงไหนเมื่อเป็นเช่นนี้ระพินก็พร้อมแล้ว ที่จะนำบุคคลเหล่านี้มุ่งไปสู่เป้าหมายตามพันธสัญญาอย่างเต็มใจไม่ว่าหนทางในอนาคตเบื้องหน้ามันจะยากแค้นธุรกันดานเต็มไปด้วยสรรพสัตว์อันตรายเช่นไรเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมพรานใหญ่ก็ออกคำสั่งให้เคลื่อนขบวนเกวียนเดินอ้อมลงสู่หุบอาศัยด่านช้างเก่าบ่ายหน้าขึ้นเหนือบรรยากาศของการเดินทางเต็มไปด้วยความเงียบสงัดเคร่งขรึมผิดไปกว่าวันต้ น, ตน อากาศในดงที่เราอุอบอ้าวมาหลายวันบัดนี้เริ่มคลุ้มฝนเสียงฟ้าคำรามแววมาจากลูกเขาเบื้องหน้าคณะนายจ้างทั้งสามนั่งไปในเกวียนโดยสารซึ่งเป็นคันนำขบวนชัยยันและดาลินซึ่งในตอนต้ น, ตนมีความคึกคักตื่นเต้นสนใจกับการจ้องยิงสัตว์ที่อาจผ่านมาให้เห็นตามรายทางอยู่ตลอดเวลาบัดนี้เริ่มสนใจเสรแล้ว ทั้งสองปล่อยให้กวางหรือวัวแดงวิ่งตเตลิดตัดหน้าไปสองสามครั้งโดยไม่คิดจะยิงนอกจากจะมองดูมันเฉยๆไลเฟินขนาดหนักพาดอยู่กับตักเตรียมพร้อมเฉพาะนาทีฉุกเฉินที่อาจจู่โจมมาถึงตัวเท่านั้นส่วนเชษฐานอนพักเอาแรงอยู่ภายใต้กู่เกียนนับตั้งแต่เริ่มออกเดินทางแลพินเดินนำรุดไปเบื้องหน้าตามเคยมีบุญคำเคียงคู่ไปด้วย ทั้งสองดูเหมือนจะปรึกษาหาหรืออะไรกันไปพลางเวลยาห่างจากเกวียนคันหน้าประมาณห0สบหลานานๆครั้งก็หันกลับมาหยุดรอนานๆครั้งก็หันกลับมาหยุดรอเกวียนซึ่งเดินช้ากว่าและโบกมือเป็นสัญญาณที่เลี้ยวซ้ายหรือขวาตามการนำของเขาไปตามทางด่านอันตัดผาาสลับไปมาเหล่านั้นบางขณะก็หายรับเข้าไปในป่ารกแล้วก็ไปโโลรนำให้เห็นอีกสามชั่วโมงเต็มๆผ่านไป อากาศยิ่งมืดค้มลงเป็นลำดับขบวนเกวียนทั้งหมดตายทางด่านซึ่งบัดนี้เริ่มจะแคบลงทุกขณะอยู่บนระหว่างไหลเขาสูงรูปหนึ่งสองฟากทางเป็นไม้เบญจพรรณแต่ละต้นสูงแงนคอตั้งบ่าทัานใดนั้นชายยันกับดาลินผู้นั่งสังเกตดูภูมิประเทศอยู่ตลอดเวลาก็มองตรงไปเบื้องหน้าเห็นพรานใหญ่กับบุญคากาลังก้มๆเงยๆสารวจดูอะไรสักอย่างหนึ่งระหว่างยอดไม้สูงกับพื้นดิน บุญคำเป็นคนหันกลับมาโบกมือเป็นสัญญาณให้ขบวนเกวียนทั้งหมดหยุดลงส่วนพระพินของก้มสอ่งลองสำรวจพื้นต่อไปอย่างละมัดวังพร้อมทั้งเงยหน้าขึ้นมองกลาดตามยอดไม้สลับกันอยู่เช่นนั้นเอ๊ะอะไรกันนะ่ะเขาให้เกวียนหยุดทําไมแล้วนั่นกําลังตรวจรอยอะไรอยู่หญิงสาวพึมพำออกมาอย่างประหลาดใจขมวดคิ้วจ้องระยะมันห่างออกไปประมาณเจบหลาเชษฐามไม่ได้รับได้ยินเสียงพูดของน้องสาว และรู้สึกว่าเกวียนหยุดชะ ง, งักก็พุดรุกขึ้นทันทีอะไรกันหัวหน้าคณะเดินทางถามไม่รู้สิระพินกับบุญคำเจออะไรเข้าก็ไม่รู้ทำสัญญาณให้เราหยุดเกวียนพยยันตอบน้อยอยู่บนเกวียนนี่แหละพี่ชายสั่งโดยเร็วแล้วหันมาพยักหน้ากับเพื่อนลงไปดูกันหน่อยสิทั้งสองขวาราเฟิ่ประจามือกระโดดลงงเดินตรงเข้าไปยังระพินและบุญคำโดยเร็ง หม่อมราชวงศ์หญิงดาลินไม่ยอมอยู่บนเกรียนตามคำสั่งของพี่ชายช่วยด้วยจุด470กระโดดตามไปด้วยเมื่อเข้ามาถึงยังตำแหน่งที่พรานใหญ่ยืนสำรวจอยู่ในขณะนี้คณะนายจ้างทั้งสามจึงเห็นว่าบนพื้นที่ทับโถมหนาแน่นไปด้วยใบยไม้แห้งบีบใบไม้สดสดรอยถูกเด็ดใหม่ๆหล่นเกลื่อนกาดอยู่นับไม่ถ้วนเคี้ยวพูดไปหมดราวกับใครมาโปรยไว้ไม่เพียงแต่ใบเท่านั้น กิ่งก้านเล็กๆ ก, ก็ยังถูกหักหล่นทั่วไปหมดดงบริเวณนั้นเป็นดงมะหวดกับลูกว่าป่าที่กําลังออกลูกดกผลของมันถูกสัตว์อะไรชนิดหนึ่งแทะหวานเม็ดโปรยไปทั่วบางกิ่งหกักพับคาอยู่กับต้นแลดูปโปรง่งโลงยับเยินหมดทั้งดงพรานใหญ่ก้มลงหยิบลูกว่าช่อหนึ่งซึ่งถูกหักลงมาทั้งกิ่งขึ้นมาพิจารณาและส่งมาให้หัวหน้าคณะเดินทางซึ่งรับไปอย่างงงๆอะไรกันนี่ละพิน ยอมพรานหนีบไรเฟิลไว้ในซอแขนใช้นิ้วเสยปีกหมวกขึ้นแล้วควักไพ่กุหนูออกมาเช็ดคอกับใบหน้าตอบเสียงต่ำเบาทหารพระรามประมาณไม่ต่ำกว่าห้า0ร้อตัวยกไพ่พลพลงมาถล่มป่ามะหวดกับป่าว่าก่อนหน้าเรามาถึงไม่เกิน15นาทีมานี่เองครับมีอะไรผิดปกติหรือคุณถึงให้หยุดเรียนช ย, ยันถามอย่างขันขันพรางหัวเราะแต่แล้วก็หยุดหัวเราะในทันที เมื่อพรานใหญ่ชี้ให้ดูกิ่งว่าอันขนาดท่อนแขนเคืองๆหักยับเยินลงมาห้อยรากกับลำต้นที่ขาคบไม้ใหญ่รอบด้านอีกร้ายแห่งมีรอยประรองเขี่ยวเปลือกไม้ฉีกเวอร์กระจุยกระจายราวกับไข่อาขวานจามมันเป็นลิงชนิดใหญ่หางสั้นครับไม่ใช่ลิงวอกธรรมดาถ้าฝูงของมันมีอยู่1ิบหรือ20สิบตัวก็ไม่มีความหมายไรหรอกแต่ถ้ารวมกลุ่มกันเป็นร้อยๆขึ้นไปก็น่าคิดทีเดียว พวกมันน้อยมากกลัวคนแต่ฝูงขนาดห้าหร้อยตัวอย่างนี้มันคือเจ้าป่าเคยรุมฉีกคนจํานวนถึงเจ็แปดคนกลายเป็นชนิ้นเกน้อยมาแล้วทั้งๆที่ทั้งเจ็ปคนเหล่านั้นก็มีปืนเจ็ดแปดคนอย่างว่านี่อย่างเก่งที่สุดก็ช่วยกันยิงมันตายได้ไม่เกิน20บตัวที่เหลืออีกเป็นร้อยกูกันเข้ามาใส่แต่และตัวเขี้ยวยาวตั้งนิ้วศพที่มันทิ้งไว้ทุกคนจําหน้าไม่ได้เลย หมอมละชวนหญิงดาดินอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งเบิกตากว้างเชษฐากับชายยานหันมามองดูตากันแล้วนี่พวกมันไปไหนกันหมดแล้วเชษฐาพดูดโดยเร็วแล้วพินยกมือขึ้นรูปใบคางอันคลึมไปด้วยคราวมองออกไปยังดงทึบอันเป็นทิศทางเบื้องหน้าตอบเรียบๆไม่ไปไหนหรอกครับเราคงจะเจอมันข้างหน้าภายในระยะไม่เกินพันลานี่แหละลงจากเนินนี่ไปก็จะถึงป่าหวายกับป่าไผ่ พวกมันคงหารูกหวายหาหน่อไม้กินข้างหน้านี่เองเราไม่มีทางเลี่ยงนอกจากจะถางพงซึ่งเสียเวลาด้ยใช่เหตุส่วนจะเสียเวลารอให้พวกมันเคลื่อนย้ายฝูงเสียก่อนก็ไม่รู้แน่ว่ามันจะย้ายไปเมื่อไหร่อาจยึดครองดงแถบนั้นจนกระทั่งขําก็ได้แล้วเราจะทำยังไงทั้งสามพูดเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันจ้องมาที่เขาเป็นตาเดียวคุณชายมีปืนลูกซองมากี่กระบอกครับ คำถามของพรานใหญ่เพียงแค่นี้เชษฐาชายยานและดาลินก็เข้าใจอะไรได้ในทันทีนั้นสามแฝดหนึ่ง อ, อัตโมตติกห้านัดหนึ่งแล้วก็แบบปั๊มแอคชั่นบรรจุ4ี่นัดอีกหนึ่งชายยานเป็นคนตอบใจเริ่มเต้นแรงกระสุนละครับโอ้อยเหลือเฟือซักร่วมพันกระมังถ้างั้นขอเบอิกให้พวกผมกับลูกหาบสักสองร้นัดเถิดครับ เอาเลยจะเอาสักเท่าไหร่ก็เอาว่าจะบอกหน่อยซิเราจะทํากันยังไงกลับไปที่เกวียนก่อนเถิดครับแล้วผมจะบอกให้ว่าเราจะทํายังไงกันบ้างทั้งหมดเดินกลับมาที่เกวียนโดยเร็วแล้พินตรงไปที่เกวียนคันที่บรรจุสัมภาระบรรทุกส่วนตัวของเขากระชากลูกสองแฝดส่วนตัวออกมาแล้วป้องปากตะโกนเรียกพวกลูกหาและพรานของเขาทั้งหมดเข้ามาประชุมสั่งการอะไรเร็วปรือเป็นภาษาพื้นเมืองบุญคําเสยจันทรและเกิด ซึ่งสพายไรเฟิลที่ได้รับแจกจากคณะนายจ้างปลดไรเฟิลออกหมดเปลี่ยนมาถือปืนลูกซองในทันทีนั้นพวกลูกหาบส่วนมากก็มีปืนลูกซองประจำตัวกันอยู่ก่อนแล้ววิ่งผูเข้ามารับแจกกระสุนเตรียมสำรองอย่างครบปือโดยคณะนายจ้างโยนลงไปให้ทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินไปอย่างรวดเร็วฉับไวแข่งกับเวลาตัวพรานใหญ่เองหักลากลก้องปืนของเขาออกยัดกระสุนโอโอบักเข้าไปในลากล้องทั้งคู่ แล้วหักคืนเข้าที่เทกระสุนสำรองจากกล่องยัดใส่กระเป๋าย่ามไว้กระชากดาบเดินป่าเล่มยาวอีกเล่มหนึ่งมาขัดหลังแล้วก็เดินตรงเข้ามาที่เกลียนนายจ้างของเขาซึ่งในขณะนี้แต่ละคนกำลังชุนมูลในการบรรจุกระสุนเข้าปืนของตัวชัยยันใช้ซาวเวอร์แฟเชี่ามีเรมิงตันแบบปั๊มแอคชั่นโนดาลิงถือบราลิ่งกึ่งอัตโนมัติบรรจุห้านัดของพี่ชาย อันจัดว่าเป็นแบบของปืนที่ให้ความปลอดภัยที่สุดในการยิงแบบประจันบานเพราะอำนวยผลทั้งในการยิงเร็วและบรรจุเพิ่มเติมได้เร็วเหนือกว่าปืนลูกซองทุกแบบโดยไม่เสียเวลาเลยนั่นหมายถึงว่าดอนมีโอกาสป้องกันตนเองได้ดีกว่าคนอื่นและพินเห็นความคล่องแคล่วรัดกลุ่มของคณะในจ้างก็ยิ้มเราทั้งหมดจะใช้ลูกซองยับยั้งมันถ้าวินาทีสุดท้ายมาถึงเขาบอกแผนด้วยเสียงฟังดูปกติ เหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นถ้ามันจะเล่นงานเรามันก็แห่เข้าใส่ทั้งฝูงเลยครับแต่ว่าเราจะต้องยิงปะทะพวกมันอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถโดยไม่เปิดโอกาสให้มันเข้าถึงตัวได้เลยอย่าคิดว่าจะต้องใช้ลูกซองอย่างเดียวบางขณะเราอาจบรรจุไม่ทันก็ได้เพราะฉะนั้นไรเฟิลทุกกระบอกที่บรรทุกอยู่บนเกวียนนั่นขนาดต่ำกว่าจุดสาหลงมาขอให้บรรจุกระสุนให้เต็มอตัตราและตั้งเรียงเตรียมพร้อมไว้ข้างมือ ถ้าบรรจุลูกซองที่ถืออยู่ไม่ทันก็หยิบใช้แทนพรา ง, งก่อนได้ทันทีอย่าลืมตืนสั้นข้างเอวด้วยทันอะไรยิงไอ้นั่นก่อนถ้าพลาดปล่อยให้มันเข้าถึงตัวได้ไม่เพียงตัวเดียวก็แผลชะกันทีเดียวคุณหญิงเลือกกลึงอัตโนมัติบรรจุห้านัดกระบอกนั้นเหมาะที่สุดแล้วครับคุณหญิงได้เปรียบกว่าพวกเราทุกคนในแบบของปืนจําไว้ว่าเตรียมถืออาวุธถือกระสุนสำรองไว้ในกํามือด้วย ยิงไปพรางยัดลูกใหม่เข้าซองกระสุนไปพรางอย่าปล่อยให้ว่างหรือยิงไปทีเดียวหมดชุดเลยเหนียวตึมเอาไปนัดหนึ่งก็ยัดแทนที่นัดหนึ่งเสมอไปมันไม่เสียเวลาหรือเสียจังหวะในการยิงหรอกครับลูกซองอัตโนโมัติแบบนี้แทนคาไบดได้อย่างดีทีเดียววิเศษกว่าคาไบ้เสียอีกเพราะมันเป็นลูกซองคุณชะยานถือแฝดก็เสียงหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าคงจะบรรจุได้เร็วพอ สำหรับคุณชายคงไม่มีอะไรจะต้องห่วงเมื่อเตรียมปืนลูกสองคู่มือเรียบร้อยทั้งสามก็ช่วยกันบรรจุไรเฟิลขนาดเล็กต่างๆนับตั้งแต่ลูกกดแมกนมจุดสอ0จ็นุดมศขึ้นมาจนกระทั่งจุด6ามหแล้ววางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบใกล้มือพร้อมที่จะหยิบขึ้นมาใช้การได้ในทันทีพวกคุณมีลูกซองครบมือหรือ เชิดฐาร้องถามมาในขณะที่ชักปืนสั้นข้างเอวขึ้นมาตรวจดูกระสุนเพื่อความแน่ใจอีกครั้งก็รู้สึกว่าจะครบกันทุกคนครับส่วนมากเดียวแต่พวกนี้ชำนาญในการบรรจุกระสุนได้เร็วมากขอเพียงให้มีกระสุนสำรองพอเท่านั้นแล้วเขาก็หันไปทางแง่ทรายหนุ่มกระเรียงพะเนจรคนใช้ประจำตัวของคณะนายจ้างถือจุด4440อันเป็นปืนคู่มือกระบอกเก่าของตนม่นมีแววตื่นเต้นใดๆทั้งสิ้น แงซ า, ายแกจะใช้ปืนกระบอกนั้นหรือครับแน่ใจหรือว่ากลไกของมันกระสุนของมันอยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีในขณะที่เราต้องแข่งกับเวลาที่สุดแงซ า, ายยิ้มยิงฟันไม่ตอบแต่ก้มลงพิจารณาดูปืนเก่าๆในมือของตนเองพรานใหญ่ถามเรือปืนต่อมาแล้วกระสุนขนาดนี้ของแกมีกี่นัดสิบห้าเขาสั่นหน้าจุปากรั้น โยนจสนย์ศูนส่วนตัวไปให้พร้อมทั้งกล่องกระสุนเก็บเจ้าลูกกระสุนพลาสตานทั้ง15นัดของแกไว้เข้าพิษพิธภัณฑ์ต่อไปเถอะอ้าวเอ า, เอานี่แทนเราไม่ต้องการให้กระสุนนัดไหนของพวกเราด้านแม้แต่นัดเดียวในภาวะฉุกเฉินที่สุดเช่นนี้แง่ท า, ายไม่ตอบว่าอะไรเหวี่ยงปูนโบราณสมบัติส่วนตัวขึ้นไปในเกวียนรับไาเฟิ่อของพรานใหญ่พร้อมกระสุนมือถือไว้พวกลูกหาบทั้ง13คนนอกจากลูกซองเดียวประจําตัวแล้ว ทุกคนล้วนมีดาบหรือมิฉะนั้นก็มีดเดินป่าติดตัวกันทุกคนน่าจะเป็นอาวุธสั้นขั้นประจัญบานเมื่อถูกโจมตีประชิดตัวชนิดที่บรรจุกระสุนไม่ทันรปินสั่งงานรอบตัวนัดแนกำหนดหน้าที่ซักซ้อมความเข้าใจของแต่ละคนจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงหันมาทางคณะนายจ้างเหตุการณ์ที่ราเราอยู่เบื้องหน้าในระยะใกล้นี่มันไม่ใช่การราตว์แล้วหรอครับแต่เป็นสงคราม ระหว่างพวกเราทั้งหมด21คนกับพวกมันประมาณ 500-600 ตัวเราจะใช้อาวุธปืนทุกกระบอกที่มีมาต่อต้านประท่ามันไว้โดยในระยะแรกนี้จะใช้กระสุนลูกซองเป็นหลักพวกลูกหาบทั้ง13คนนั่นผมอธิบายให้เข้าใจดีแล้วว่าความปลอดภัยของพวกเราทุกคนขึ้นอยู่กับการระดมยิงอย่างรวดเร็วที่สุดโดยไม่เปิดโอกาสให้มันบุกเข้ามาถึงตัวได้ ซึ่งผมเชื่อว่าปืนลูกสองร่วมยี่สิบกระบอกพอจะต้านมันไว้ได้อยู่และไล่มันให้กระจัดกระจายไปได้เขาพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงเรียบราบและยิ้มให้กับคณะนายจ้างเพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่สถานการณ์ร้ายแรงที่หน้าวิตกนักที่พูดมานี่ผมหมายถึงว่าถ้ามันโจมตีเราแต่ปัญหาข้อที่ว่ามันจะเล่นงานเราหรือไม่นั้นไม่มีอะไรมารับประกันได้มันอาจโจมตีหรือไม่อาจไม่ทาอะไรเลยก็ได้ แผนของเราก็คือทุกคนเตรียมพร้อมและเคลื่อนกระบวนเดินไปตามทางของเราโดยปกติอีกสักรู้ใหญ่กระบวนของเราจะผ่านเข้าไปในโดงที่มันรวมฝูงชุมนุมกันอยู่ขั้นแรกนี้ก็เห็นจะต้องเล่นจิตวิทยาก่อนคือเราทำเป็นไม่สนใจกับพวกมันเดินของเราไปตามธรรมดาที่สุดอย่าส่งเสียงอย่าแสดงหวาดกลัวไม่ว่ามันจะทำท่าขู่ตะคอกหรือแสดงอาการอะไร บางทีเราอาจเดินผ่านฝูงของมันที่ดักอยู่เบื้องหน้านี่ไปได้โดยไม่เกิดปะทะกันขึ้นเลยก็ได้สำคัญที่สุดก็คือพรานใหญ่เว้นระยะจุดบุรีสูบอัดควันหนักหน่วงสีหน้ายิ้มๆเช่นเดิมกระสุนนัดแรกที่จะระเบิดนั่นแหละครับที่จะชี้ชะตาตัดสินถ้าเราเปิดฉากยิงพวกมันตายแม้เพียงตัวเดียวเจ้าห้าหร้อยตัวนั้นก็จะกลัว ก, กันเข้าเล่น ง, งานเราพร้อมกันหมดทันที เพราะฉะนั้นในครั้งแรกนี่พวกมันจะหลอกจะขู่หรือเข้ามาป้วนเปี้ยนรุมล้อมหน้าล้อมหลังอย่างไรแข็งใจทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียก่อนยกเว้นแต่ในกรณีที่เห็นว่ามันเอาเราแน่ก็สันโวเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่มันจะลงมือเล่นงานเราก่อนชนิดแน่ๆมันทายใจกันยากหรือเกินนี่สมมุติพวกเราเดินผ่านไปตามปกติอย่างคุณว่าแล้วพวกมันก็ป้วนเปี้ยนเข้ามาล้อมทําเป็นคุ้มเชิงดักหน้าดักหลัง จังหวะ น, นี้แหละเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่ามันจะเอาเราแน่หรือเปล่ากว่าจะรู้แน่มันไม่กัดพวกเราคนใดคนหนึ่งเข้าไว้ก่อนแล้วหรือประเดี๋ยวก็เห็นครับตอนที่เราผ่านฝูงของมันเข้าไปพวกมันส่วนใหญ่จะกระจายร้อมเราห่างๆคอยจ้องดูอยู่แล้วก็จะมีกลุ่มหัวโจกร้ายๆสักสิบยี่สิบตัวโดยเจ้าธมูลจ่าฝูงจะลงมาป้วนเปียนอยู่กับพื้น คอยดักหน้าดักหลังขู่ตะข้อแสดงความอาหังการกับเราสังเกตได้จากฝูงในกลุ่มอย่างว่านี่ครับตัวมันจะเคืองกว่าทุกตัวตัวอื่นไม่ต้องสนใจมันจะไม่กล้าลงมือทําอะไรพวกเราก่อนเลยนอกจากจะคอยดูหัวหน้าของมันถ้าไอ้ธโมนหัวโจกลงมือเมื่อไหร่พวกมันก็ช่วยการลุนเราเมื่อ น, นั้นลิงพวกนี้มันมีสัญชาตญาณประหลาดมากนอกจากดุร้ายแล้วยังฉลาดแกมโกงรักพวกรักพ้อง และมีนิสัยร่วมหมู่สามัคคีกันอย่างดีเลิศมันจะทําสงครามจิตวิทยากับเราก่อนจู่ๆจะยกพวกเข้าโจมตีเลยนั้นไม่เคยปรากฏมันจะดักหน้าดักหลังคอยยกฝูงห้อยโหนตามกิ่งไม้ตามดูเราไปเช่นนี้แหละไอ้พวกที่ลงมาเดินอยู่กับพื้นก็คอยแวดร้อมเราไปทุกฝีก้าวในระหว่างที่มันร้อมเราอยู่นี่เองถ้าเรายังไม่แน่ใจว่ามันจะเอาเราจริงหรือเปล่าเกิดมีใครยิงพวกมันเข้าสักโป้งเดียวก็แปลว่า เป็นสัญญาณเร่งให้มันตัดสินใจจู่โจมเราในทันทีนั้นเลยในขณะเดียวกันถ้าในระหว่างนี้พวกเราแสดงท่าหวาดกลัวพรั่นพรึงหรือส่งเสียงร้องเอะอะขึ้นมันก็ฮือเข้าใส่เหมือนกันแต่เท่าที่ปรากฏมาแล้วบางคนสามารถเดินผ่านฝูงของมันไปได้โดยมันไม่ทำอะไรเลยหลังจากมาดักขู่ตะข้ออยู่ภาคหนึ่งแล้วก็หลีกทางโดยดีมันอยู่ที่กาลังใจครับแล้วก็อยู่ที่อารมณ์ของเจ้าตัวจากฝูงด้วย หัวหน้ามันไม่กล้าเสีย ต, ตัวเดียวรู้ฝูงก็เจอไม่ลงมืออย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นในกรณีนี้จึงของให้สังเกตตัวจ่าฝูงอย่างที่บอกไว้แล้วถ้ามันยังไม่สแสดงว่าจะจู่โจมเราก็ส ง, งบจิตส ง, งบใจเฉยก่อนเดินกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าไอ้จ่าฝูงพูดเขาใส่เราแน่ก็ยิงไม่สนุกค่ะพี่ใหญ่คราวนี้เห็นจะไม่สนุกแน่เสียงหมอง่อมราชวิงหญิงดาเรียนคลางออกมาอย่างเสียวใส่ เราจะเชื่อแน่ได้สักเท่าไหร่ระหว่างการประทะหรือไม่ปะทะห้าสิบห้าสิบครับครึ่งต่อครึ่งแต่ผมภาวนาขอให้เราผ่านมันไปได้โดยไม่มีการยิงเกิดขึ้นเลยมันเป็นลิงชนิดไหนนะแล้วตัวสักแค่ไหนก็ลิงหางสั้นแบบที่ปากใต้เรียกว่ากังเลี้ยงไว้สำหรับขึ้นมะพร้าวนั่นแหละครับเว้นไว้แต่ตัวใหญ่กว่าสักเท่าหนึ่งเวลายืนสูงขนาดเจ็ดเด็กเจ็ดปดขวบ ผมเคยเห็นมันจับเก้งเป็นๆฉีกขาหลังขาดควากออกเหมือนฉีกขาไก่ยากแต่ถ้าลำพังตัวสองตัวมันไม่เคยทํากําแหงกับคนเลยอย่างดีก็ทําขู่ตะคอกหลอกเล่นอยู่บนกิ่งไม้สูงที่กัดคนตายอยู่บ่อยๆก็เพราะรวมกลุ่มกันมากและคนยิงไม่ทันชายยานยกมือรูปคอหอยแล้วผิวปากบือออกมาเอาละไหนๆเราก็เดินทำไมมาถึงนี่แล้วปืนก็พร้อมเรื่องที่จะหยุดรอหรือถอยหลังหนีลิงมันก็ผิดไป เอาว่าหน้าที่ในการตัดสินใจยิงหรือไม่ขออยู่ที่คุณก็แล้วกันทางเราจะคอยเสียงปืนจากคุณถ้าตูเมื่อไหร่ก็สงครามเมื่อ น, นั้นว่าแต่ลูกหาบทุกคนเข้าใจดีแล้วหรือว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเชิฐาเอ่ยเคร่งขึมหันไปกว่าสายตาดูขบวนลูกหาบที่ยืนขนาประจำหน้าอยู่กับเกวียนตลอดคันเข้าใจดีแล้วครับพวกนั้นจะเริ่มระดมยิงก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงปืนจากผมหรือทางพวกคุณชาย อะไรก็ช่างเถอะหัวหน้าคณะเดินทางเอ่ยต่อมาอย่างรอบคอบสมกับที่เป็นอดีตนายทหารตอนประจันบานชุนมุลผมกลัวว่าพวกลูกหาดจะยิงถูกกันเองเสียเท่านั้นคุณต้องกำชับให้ดีนรารพินเสี่ยงเหลือเกินโปรดอย่าวิตกเลยครับผมกำหนดหน้าที่ของแต่ละคนไว้ดีแล้วเขาจะไม่ยิงสุ่ม 4, สี่สุมห้าเข้ามาในรัศมีขบวนเกวียนของเราเลยแต่จะยิงทางออกด้านนอก ผมสั่งให้เกิดกับจันทำหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชาไว้แล้วทางคณะของคุณชายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงโปรดจะได้โงจักเกวียนเป็นอันขาดยิงจากบนเกวียนปลอดภัยที่สุดทั้งสามพยักหน้ารับทราบแล้วพินหันไปกำชับสั่งแงซรายอีกครั้งให้คอยระวังและยิงคุ้มกันเฉพาะเกวียนของนายจ้างอย่างเดียวโดยไม่ต้องคานึงถึงด้านอื่นแล้วก็ถอยังออกไปยืนอยู่หน้าเกวียน พยักหน้าเรียกบุญคำออกไปเกียงข้างสำรวจดูความเรียบร้อยของขอบวนตะโกนสั่งกับเสยจันและเกิดซึ่งเป็นกองระวังหลังอีกสองสามประโยคครั้นแล้วก็โบกมือเป็นสัญญาณให้เริ่มเคลื่อนขอบวนออกเดินทางต่อในทิศทางโดยมีเขากับบุญคำเนินเดินนำไปเบื้องหน้าเช่นเคยแต่ในครั้งนี้เว้นระยะห่างจากเกวียนขันหน้าของคณะนายจ้างเพียง19เเท่านั้นทุกคนเดินเกาะหมู่กันไปเป็นกลุ่ม สองฝ้าของเกวียนที่บดออดไปตรงกลางแทบจะไม่มีเสียงพูดจาคำใดกันอีกเลยนอกจากเสียงควายที่สะบัดข่าและเสียงล้อที่บดไปกับพื้นทุกคนสอดสายสายตาไปยังยอดไม้และพงเถาวันอันหนาทึบเบื้องหน้าใจเต้นระทึกผาชะง่อนผาที่สลับซับซ้อนไปด้วยโขดหินก้อนใหญ่ๆอ้อมไปตามทางด่านซึ่งเวียนชิดกับเชิงเขาอีกรูปหนึ่งพอขึ้นสุดยอดโค้งสูงสุดตอนหนึ่ง ขบวนเกวียนทั้งหมดก็เริ่มลงจากเนินฟากหนึ่งเป็นโตรกเหวที่เห็นยอดไม้อยู่ในระดับต่ำลงไปส่วนอีกฟากหนึ่งเป็นตีนเขาใหญ่เบื้องหน้าออกไปไม้ดึกดำบันอายุอย่างน้อยก็สามสีร้อยปีขึ้นไปชูรำต้นและกิ่งใบราวกับชัดยักษ์และเห็นเป็นทิวทะยานเยี่ยมเมฆระอองหมอกลอยต่ำกว่าระดับยอดไม้ใหญ่เหล่านั้นลดกานลงมา แลเห็นเขียวทึบหนาแน่นไปด้วยไม้เบญจพรรณปะหนึ่งหลังคาชั้นสองขณะนั้นนาฬิกาข้อมือแบบเข็มทิดของหม่อมราชวงเชษฐาชี้บอกเวลาเที่ยงตรงพอดีแต่ความทะมึนของภูมิประเทศแวดล้อมและอากาศอันมืดครึ้มทําให้มองดูเหมือน6กโมงเย็นพอขบวนเกวียนเคลื่อนพ้ลบริเวณโตเขวด้านซ้ายมือเข้าสู่หุบอีกครั้งก็มีเสียงของอะไรชนิดหนึ่งแว่วมาจากความเงียบสงัดได้ยินอย่างถนัด มันเป็นเสียงคล้ายพายุใหญ่พัดกิ่งไม้สู้ซาเครืนคลานอยู่เบื้องหน้าทั้งๆ ท, ที่ไม่มีร่องรอยของพายุเลยเสียงนั้นดังอยู่ชั่วระยะอึดใจเต็มๆแล้วมันก็สงบเงียบกริบลงอย่างกระทันหันเงียบชนิดที่ไม่ปรากฏขึ้นอีกเลยแม้แต่นิดเดียวเหมือนผีหรอกมองฝาออกไปยังยอดไม้ริบหรี่เบื้องหน้าก็ไม่เห็นมีการเคลื่อนไหวผิดปกติใดๆขึ้นทั้งสิน้นพรานใหญ่ยังคงเดินนํารุดหน้าไปตามปกติ เพียงแต่หันมายิ้มให้กับคณะในจ้างของเขาซึ่งบัดนี้ทุกคนเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดพุ่งสายตาขมิงไปเฉพาะภูมิประเทศเบื้องหน้าผ่อนอารมณ์ตามสบายเถิดครับจะสู่บุรีก็ได้เราหวังที่จะขอทางผ่านมันไปโดยสันติวิธีขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะชายยันปุ่นพ ร, รมออกมาจากอาการที่หายใจไม่ทั่วท้องแต่ดาลินยิ้มแค่นๆร้องถามลงเบามาบาว่า คุณคงจะพูดภาษาลิงกับมันได้รู้เรื่องสินนะถ้ามันไม่อันธพานจนเกินไปนะักผมก็คิดว่าผมพอจะพูดกับมันรู้เรื่องเป็นคำตอบอย่างอารมณ์ขันของพรานใหญ่แล้วก็หันไปทางเบื้องหน้าเสียเชษถาควักบุหรี่ออกมาจุดสูบอย่างเยือกเย็นชายยานเปิดกระติกที่บรรจุบาลันดีแทนน้ำขึ้นมาเทกรอกใส่ปากดับความกวนกวายส่วนดารินค่อยๆขยับลูกเลื่อนของบราวนิ่งแง้มดูกระสุนที่ร่อนขึ้นลากล้องไว แล้วเหมือนจะให้บังเกิดความแน่ใจอีกครั้งว่าลูกปืนมันไม่หนีหายไปไหนแล้วกัดลิมนฝีปากถอนใจเฮือกใกล้หุบทึบเบื้องหน้าเข้าไปเป็นลําดับความรู้สึกของทุกคนทวีความข้นหนักอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกหนทางนั้นราดต่ําและต่ําลงจนกระทั่งเห็นดงไหวายอยู่เบื้องหน้าห่างไม่เกินร้อยห้าสิบลากิ่งไม้เริ่มเคลื่อนไหวโยบยากอย่างเช่มช้าโดยที่มองไม่เห็นอะไรประเดี๋ยวที่ยอดด้านนี้แล้วก็หยุด แล้วก็ไปไหวที่ยอดด้านนูน้นนัน้นนู้นไปเป็นลําดับจนกระทั่งมองดูเหมือนระรอกคลื่นเราพินผ่อนฟเท้าลงอีกจนกระทั่งมาเดินอยู่เบื้องหน้าของเกวียนห่างไม่กี่ก้าวเปลี่ยนปืนลกซองคู่มือไปถือไว้ในมือซ้ายอีกมือหนึ่งชักดาบออกมากรุมกระชับไว้เตรียมพร้อมครับเรากําลังจะผ่านเข้าไปกลางฝูงของมันแล้วและมันก็เห็นเราแล้วเสียงก็ร้องเตือนมาเบาๆโดยไม่หันหน้ากลับมา เชื่อถากับชายยานเงยกระ บ, บอกปืนขึ้นสูงอีกมือหนึ่งกุมกระชับอยู่ที่กระโจมมือส่วนดาเรียนผักเซฟเสียงดังคลิกพยายามสํารวจสติไว้มั่นบังคับมือไม่ให้สัน่นทั้งสา ม, มีลูกปืนสํารองที่กําไว้ในฝ่ามือซ้ายพร้อมที่จะบรรจุใหม่ได้โดยอย่างฉับพลันทันทีแต่ก็ถือกันไว้ได้คนละไม่เกินสองสำนักเท่านั้นเพราะความอวบใหญ่ของปลอกกระสุนเบอร์สิองด่านแรกของกลุ่มทหารพระราม ปรากฏให้เห็นชัดกับสายตาแล้วเงาสีน้ำตาลปนเทากลุ่มหนึ่งประมาณ30ตัวกระจายเกล ก, กะอยู่บนต้นไทรใหญ่ริมทางผ่านพวกมันพากันนิ่งเงียบกลิบจ้องตาขมิงเป็นเป้าเดียวลงมายังขบวนเกวียนและกลุ่มคนที่ผ่านมาเบื้องร่างแต่ละตัวไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยไม่สะทกสะเทือนไม่แตกตื่นหลายตัวที่เคี้ยวยาวโผลให้เห็นออกมานอกปากอันน่าเกลียด ความสงบเฉ ย, เ ง, ยเงียบกลิบของมันเป็นปริศนาที่ตีไม่แตกจริงตามที่ระพินบอกไว้ร่วงหน้ามันเป็นลิงประเภทหางสั้นตัวเขื่งกว่าลิงวอกธรรมดาถึงสามสี่เท่าน้องน้องอุรังอุตังทีเดียวแต่ลักษณะท่าทีดูจะประเปรียวร้ายกาจ ก, กว่ามากขณะที่เฉียดใกล้เข้าไปในดงนั้นกลิ่นสาบฉุนตลบไปหมดความรู้สึกของทุกคนในขณะนี้ไม่อาจบอกได้ถูก บังเกิดอาการตะคั้นตะคออสบัดร้อนสบัดหนาวอย่างไรพิกลพอขอบวนเกวียนคล้อยผ่านใส่ต้นนั้นก็มีเสียงครอกหนักๆในราคอดังมาจากเจ้าจ่าฝูงของกลุ่มนั้นขึ้นเบาๆครั้งหนึ่งแล้วมันก็ครอกคลากรับกันรอบด้านไปหมดกลิ่งใสเริ่มไหวเช่มช้ายบุบยาบอีกเพราะการขึ้นไหวของมันแล้วพินกวาดสายตาไปรอบด้านและเดินนําเป็นปกติไปเช่นนั้นอย่างเชื่อเย็น ผิดกับทุกคนซึ่งบัดนี้เหงื่อเริ่มผุดซึมทั่วใบหน้าลึกเข้าไปและลึกเข้าไปเป็นลำดับท่ามกลางฝูงทโมนไพรที่ขณะ น, นี้เริ่มจะมองเห็นปรากฏขึ้นที่โน่นที่นี่หนาตาขึ้นทุกขณะในที่สุดทั้งหมดก็รู้สึกตัวว่าได้เข้ามาอยู่ใจกลางวงล้อมเสียแล้วและเห็นลานตาไปหมดไม่สามารถจะประมาณถูกว่ามีจานวนสักเท่าไหร่ตามทุกสุมทุมพุ่มไม้และทุกกิ่งก้านสาขาอันเป็นดงทึบ ติดต่อกับป่าหวายพอแงนมองขึ้นไปพบตัวและสบตาพวกมันก็เริ่มมีปฏิกิยาในการเคลื่อนไหวเป็นลำดับอย่างมีเรศในผิดไปกว่าฝูงริงธรรมดาเสียงคู่คำรามคลอกคลากดังจากกลุ่มนี้ไปอย่างกลุ่มโน้นรับต่อกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งแทบไปหมดทั้งดงไม่ว่าจะหันไปทางด้านไหนครั้นแล้วันัยนั่นเองเราวกับจะนัดกันไว้กิ่งไม้รอบด้านก็ถูกขย่าโดยแรงพร้อมกันหมดเสียงครืนโครมสนัน ใบสดและกิ่งแห้งหักโรมโครมคลามลงมาปะหนึ่งเกิดกรียุกสะเทือนกล้องทั้งป่าเสียงขู่คำรามแซ่สนันกึกกล้องจักการค่อยๆเ ค, ค, คลื่อนไหวเปลี่ยนที่ของมันแต่ละตัวแต่แรกๆบาดนี้กลายมาเป็นกระโดดรอดเต้นอย่างรวดเร็วแกว่งไหวตัวห้อยโหนสับเปลี่ยนกันอยู่ไปมามืดมัวยุบยับเหมือนภาพฝันร้ายดวงหน้าอันดุร้ายหน้าเกลียดกงเขี้ยวยาวเสยะขาวออกมาพ้นปาก ลักษณะที่าอันแสดงการประสงค์ร้ายดูไม่ผิดอะไรกับฝูงสัตว์ ร, ร้ายในคุมนรกที่คุกครามกริ้วกราดหมายจะเอาชีวิตบีบความรู้สึกทำลายขวัญแทบจะทำให้หมดสติสัมปชัญญะไปในบัดนั้นเสียงจ่าฝูงร้องแหลมกึกก้องถี่กระชั้นชิดเหมือนจะส่งสัญญาณสั่งการใดๆกับพวกมันเงาร่ำสันใหญ่โตเป็นสีเทาจัดจนแทบจะดูดำสนิทเพ่นโผลโครมครามมาตามยอดไม้อย่างรวดเร็ว เห็นถนัดว่าพ่วงพีกัมยาเติบใหญ่กว่าบริเวณทุกตัวกิ่งไม้ที่มันกระโจนห้อยโหนไกไหวยตัวมาราวกับพายุนั้นยวกยาบรูละเนินเป็นทางมันกระโจนตามยอดไม้ไล่มาจากท้ายขบวนเกลียนและปัดนี้เลยไปดักสกัดอยู่เบื้องหน้ายืนต่างานสองขาอยู่บนกิ่งมะค่าสองมือจับกิ่งบนไว้แผดเสียงขู่คำรามและเขย่ากิ่งอยู่โครมโคลแยกเขี้ยวยิงฟันหลอกมองเห็นกงเคี้ยวอันน่ากลัวอย่างถนัด พวกบริวาร น, นับร้อยของมันก็กระทาในลักษณะเดียวกันหกเมนตีรังกาขูตข่ตะคอกขยาวกิ่งไม้อื้ออึงใบไม้และกิ่งแห้งหักพลูยังกับฟ้าถล่มดินทลายคาคล่ำพลุกพ้านและโอลมาลไปทั่วควายเทียมเกวียนทุกตัวได้รับการฝึกและเคยชินดีเยี่ยมมาแล้วสำหรับการเดินป่าแต่และตัวเหล่านั้นมีอาการตื่นบ้าเล็กน้อยแต่ภายหลังจากที่ลูกหาผู้ควบคุมบังคับไว มันก็รวมกลุ่มกันได้อย่างมั่นคงไม่แตกตื่นวิ่งเตลิดไปตางแงนเบิงสะบัดเขาส่งเสียงร้องคำรามกล้องพร้อมที่จะสู้ทุกขณะตามสัญชาติทรพีแล้วผินร้องสั่งพวกลูกหาเบาๆให้ช่วยกันควบคุมควายไว้ให้มัน่นเขาไม่ได้หยุดแต่เดินรุดไปเบื้องหน้าโดยไม่สะตกสะเทือนมือขวากำดาบแน่นเชื่อถากับชยยันหัวใจเต้นแรงจ้องมองดูภาพอันกรอกกลิ้งรอบด้านเหล่านั้นตาไม่กระพิ นิ้วแตะพร้อมอยู่ที่ไกปืนและสังเกตดูอาการของพลานใหญ่ผู้คงเดินเป็นปกติไปเบื้องหน้าเหมือนจะไม่สนใจกับกองทัพธมโมลที่แวดล้อมขูดข้อแสดงอาการน่ากลัวอยู่ในขณะนี้ดารินรับตาพร้อมกระเดือกน้ําลายลงลำคออันแห้งผาหลอนโล่งรู้สึกวินเวียนเหมือนจะเป็นลมมือที่กำปืนทั้งสองข้างเย็นชืดเหงื่อออกชุ่มไปหมดยอมรับกับตัวเองเป็นครั้งแรกว่า ล่อไม่เคยมีความรู้สึกที่หวาดเสียวอกสั่นขวัญแขวนเท่าครั้งนี้มาก่อนเหมือนถูกกดดิ่งจมดิ่งลงไปในขุมนรกอันสุดทรมานอันไม่เคยประสบมันยิ่งเสียกว่าคราวไอ้กุดเสือกินคนยิ่งเสียกว่าไอ้แหว่งช้างเกเรที่ผ่านมาแล้วเจ้าฝูงริงร้ายเหล่านี้มันเขย่าวขวัญสั่นคลอนประสาทของหล่อนยังบอกไม่ถูกอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้สุดที่จะทํานายได้ ขบวนเกวียนคณะเดินทางทั้งหมดของหลอนจะผ่านพวกมันไปได้หรือไม่มันจะลงมือโจมตีเมื่อไหร่และถ้าเหตุการณ์ชนิดนั้นเกิดขึ้นทุกคนจะช่วยกันสกัดยับยั้งมันได้ทันหรือไม่และถ้าไม่ขุณพระช่วยหญิงสาวแทบจะไม่สามารถทนทานต่อความรู้สึกทรมานนั้นได้อีกต่อไปหลอนอยากจะกรีดร้องออกมาให้สุดเสียงอยากจะลั่นไกปืนออกไปให้สนั่นลั่นดงแล้วก็ให้เหตุการณ์ตัดสินโชคชะตาลงเสียโดยเร็ว ดีกว่าที่จะทนหวาดเสียวกวนกวายอยู่เช่นขณะนี้หล่อนลดปากกระ บ, บอกเบาหนิ่งที่ชูขึ้นมุ่งลงมาจับเป้าหมายที่เจ้าชมโที่เจ้าทโมนจ่าฝูงในทันทีนั้นระวังน้อยอย่าเพิ่งยิงจนกว่ารพินจะลงมือเสียงพี่ชายกระซิบประชีบขาดน้อยทนไม่ไหวแล้วคับพี่ใหญ่น้อยทนไม่ไหวหล่อนคลางออกมาสีหน้าเหมือนจะร้องไห้หลับตาลงอีก เช่าถาเอื้อมือไปโอบไหล่น้องสาวไว้กอดเบาๆปลอบใจประสาทของคนทุกคนในขณะนี้เขม็งเกรียวเครียดปะหนึ่งจะขาดสะบ้านไปแต่ราวินาทีที่กระดิกพานมันช่างเชื่องช้ายาวนานราวกับร้อยปีก็ไม่ปานคณะนายจ้างทั้งสามอดที่จะโงนเสียไม่ได้ในกรณีที่พรานใหญ่ระพินตนต อ, นอภาวะการนี้ได้อย่างไรดูเขาไม่ได้สะดุ้งสะเทือนอะไรกับเจ้าเขี้ยวยาวๆหลายร้อยคู่ ที่เสแสร้แวดล้อมรอบด้านยามนี้เลยทําทีเหมือนจะเดินผ่านเข้าไปกลางฝูงกระต่ายฉะนั้นตลอดทั้งแนวกองเกวียนพรานพื้นเมืองและลูกหาบทุกคนเดินในลักษณะหันหลังให้เกวียนหันหน้าออกมือกระชับปืนนิ้วแตะไกเตรียมพร้อมแง่ท า, ายระวังคุมเชิงอยู่ทางด้านซ้ายของเกวียนคณะไหนจ้างส่วนเกิดเดินคุมอยู่ทางด้านขวาอันเป็นคําสั่งของพรานใหญ่ในจํานวนร้อยร้อยตัวเหล่านั้น จะเห็นเจ้าตัวที่เคลื่องผิดปกติคล้ายๆจะเป็นหัวหน้าหมู่ประปนแทรกซึมอยู่ทั่วๆไปการเคลื่อนไหวหรือปฏิกิยาต่างๆของมันทั้งหลายขึ้นอยู่กับเจ้าหัวหน้าเหล่านี้ราวกับจะหัดวินัยกันไว้อย่างดีเยี่ยมหลายตัวเริ่มกระโดดลงมาโลดเต้นอยู่ตามพื้นดินบ้างแล้วมันเรียบเคียงเดินวนเวียนตามขบวนเกวียนล้อมหน้าล้อมหลังเป็นพวนแต่ก็ไม่เข้าใกล้นะักส่วนพวกที่อยู่ข้างบนก็ห้อยโหนไต่ยอดไม้ตามมาอย่างจุรมุน ส่งเสียงขูตงข่ตะคอเปรี้ยวกราดอยู่เช่นนั้นฟังไม่ได้สับให้ตายหาเถอะมันเอาเราจริงหรือเปล่าชายยันระเบิดออกมายัางเหลืออดสวรรค์เท่านั้นที่จะรู้ได้อย่าลืมคำสั่งของระพินหัวหน้าคณะเดินทางร้องเตือนเพื่อนของเขามาไอตัวใหญ่ที่สุดกระโจนตูตมลงมาบนพุ่มหวายแล้วก็ไกวตัวต่อมาบนโขดหินที่เกาะเขียวไปได้วยตะไคร้และเฟิร์นก้อนหนึ่ง ยืนสี่ขากระโดดโครมโครมพร้อมกับเสียงกึกก้องจากการขู่คำรามสกัดหน้าทิศทางที่ระพินกำลังนำกระบวนเกวียนก้าวรุดไปห่างประมาณยี่สิบก้าอีกหลายตัวในกลุ่มเบื้องหน้าก็พากันตายจากต้นไม้ลงมาเป็นแถววิ่งพรานพรานใหญ่ตาจับนิ่งอยู่ที่จ่าฝูงตัวนั้นก้าวเนอปรีเข้าไปที่มันโดยไม่หลีกอีกสามสี่ตัวก้าวจะถึงตัว มันสายโครงตัวอย่างรวดเร็วหลอกล่อจะแยะเคี้ยวอ้าปากแล้วก็เพ่นแผลลงไปวิ่งวนอยู่กับพื้นใบไม้แห้งปลิวกระจายหกเมนตีรังกาคอยเวียนดักอยู่เบื้องหน้าของเขาพร้อมกับเสียงร้องคำรามสำทับขวัญอยู่เช่นนั้นและพินจ้องตามไม่กระพริบก้าวรุดเข้าใส่โดยไม่หยุดเจ้าพวกบริวารก็แห่กันก็ห้ อ, อมล้อมรอบด้านเขาและบุญคาซึ่งในขณะส่องปากกระบอกปืนเตรียมอยู่ ทุกฝีก้าวที่พานใหญ่กับบุญคำเดินไปมันก็คอยตามดักหน้าดักหลังอยู่เช่นนั้นพอใกล้จะประชิด ต, ตัวก็เพ่นห่างพนรัศมีไปดักทำท่าแย่เกี้ยวยิงฟันอยู่อีกครั้งแล้วครั้งเล่าพวกที่อยู่บนกิ่งไม้ก็ช่วยกันขยีอมกิ่งโครมครามยิ่งขึ้นบรรยากาศค้นแน่นลงทุกขณะเอทายใจพานใหญ่ของเราไม่ถูกเลยแฮะปืนมีอยู่ในมือแต่กลับถือดาบนั่นเขาจะเล่นจิตวิต ต่วิทยาอะไรกับไอหนุมานนั่นชา ย, ยันพึมพำรรแหบๆเฉยไว้ดูเข้าไปหน้าที่ของพวกเราก็คือปฏิบัติตามคำสั่งของเขาอย่างเคร่งครัดเท่านั้นระพินรู้จักพวกมันดีกว่าเราสิ่งที่เขาบอกไว้ก็คือทําไมจจำเป็นจริงๆเขาไม่ต้องการให้เกิดปัญหา ข, ขึ้นเชิดฐาพูดเบาที่สุดจ้องภาพอันเดินตรุยไปเบื้องหน้าของระพินและกลุ่มธโมลไรที่แวดล้อมอยู่ รอบกายโดยไม่กระพิบดาลินในขณะนี้แทบจะไม่ยอมหายใจเลยตาของหล่อนลืมโพงหน้าขาวซีดพอเ ข, เขาเขตป่าหวายสลับไปกับป่าร่วกเจ้าจ่าฝูงก็เพ่นพรวดเข้าใส่รถพินอย่างรวดเร็วจอมพลานสปริงตัวถอยฉากขาเ ก, เกงเดินป่าของเขาตรงบริเวณหัวเขา่าขาดคว้างออกด้เคี้ยวอันคมกริบที่ขยํากระชากและทันทันกันกับที่มันเพ่นเข้าใส่เขานั่นเอง เท้าขวาที่หุ้มด้วยคอมแบตของพรานใหญ่ก็เหวี่ยงโครมเข้าไปที่สีข้างของมันเสียงพักสนัน่นเจ้าธมลร้ายกระโจนพระออกนอกทางไปแยกเคี่ยวร้องคำรามลั่นอย่างดุร้ายโกรธแค้นอยู่ริมพงครกเศษผ้าจะขาเกงเกงของเขายังติดอยู่ที่ปากของมันระวังนายมันเอาแน่เสียงบุญคําร้องรั่นประทับตืนแต่ระพินยกมือโบกไว้โดยไม่หันกลับมาเป็นสัญญาณให้ทุกคนอย่าเพิ่งยิง ขบวนเกวียนทั้งหมดชะลอหยุดลงในทันทีนั้นจาฝูงตัวเดิมคลานสีขาจังก้ายืนหน้าเลิกคิ้วค่อยๆ ย, ย่างสามขุมเข้ามาหาเขาอีกแล้วพินแกว่งปลายดาบอันแหลมคมวนล่อหลอกมันอยู่เบื้องหน้ามาเดินเลี่ยงสายโครงไปมามองที่ปลายดาบและเขม่นมองหน้าเขาสลับกับทําเสียงครอกๆ อ, อยู่ในลาคอเจ้าลูกฝูงใจกล้าอีกตัวหนึ่งพุ่มเขาใส่บุญคําซึ่งยืนคุมเชิงอยู่เบื้องหลังพรานใหญ่ไปเล็กน้อย พรานพื้นเมืองอวุโสสะบดออกมาพร้อมกับเวียงพ่านท้ายปืนลูกซองเต็มเวียงกระทบตัวมาดังอักกระเด็นหวือออกไปพร้อมกับเสียงร้องเจี๊ยกไอ้ตัวอื่นๆฮกห้าเข้ามาใกล้แต่ก็ยังไม่กล้าบุกเข้าถึงตัวได้แต่วิ่งพรานวนเวียงอยู่เช่นนั้นเจ้าทุมนหัวหน้าบัดนี้ยืนขึ้นสองขาส่วนหัวของมันสูงขนาดอกของระพินแผงอกวกว้างใหญ่กล้ามเป็นมัดขนลุงลังไปหมด แขนยาวแข็งแรงของมันควายคว้วาพยายามจะจับปลายดาบของพรานใหญ่มันจะฉราดเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมอย่างไรก็ตามทีมันก็ยังขาวกว่าคนอยู่ดีเพราะสมองของเดรฉานจอมพรานทําเป็นวนปลายดาบหลบหลีกการจับของมันยั่วให้จับพริบตานั้นเองเจ้าหนุมานจ่าฝูงก็ช่วยกลับเข้าให้ที่คมดาบพร้อมกับกระชากสุดแรงริงของมันอันเป็นเวลาเดียวกับที่ระพินก็กระชากดาบของเขากลับคืน เสียงร้องเชียกด้วยความเจ็บปวดดังก้องไปทั้งป่าแทบว่าจะกรบเสียงขู่คำรามค่อกคลางอันดังอยู่ทั่วไปในขณะนี้ใบาดาบอันคมกริบเฉือนอุ้ง ม, มือของมันเข้าให้แล้วอย่างถนัดถนีเพราะการจับกระช้าของมันเองเลือดทลักจ้าออกมาแดงฉานมันร้องอกรบก้องอยู่เช่นนั้นกระโดดเพื่อพลาดถอยออกห่างแบและกำมือข้างนั้นสลับกันอย่างรวดเร็วแล้วก้มลงมองวิ่งขยกสามขา อีกมือหนึ่งชูห้อยไปยืนขู่คํารามว่าคนไปกับเสียงร้องด้วยความเ ก, กลี้ยกล่าดโกรธแค้นอยู่ที่จอมปลวกใหญ่ไม่ห่างออกไปจากเบื้องหน้าเท่าไหร่นะและพินเดินตามเข้าไปอีกโบกมือทําสัญญาณให้ขบวนเกวียนเคลื่อนที่ตามเขาพอทั้งหมดเริ่มคืบหน้ามันก็กระโจนต่ายขึ้นไปยืนจังก้าอยู่บนยอดจอมปลวกอันปกคลุมด้วยชุม่มคุมซุ้มคอย เส่งเสียงกู่ร้องฝั่งคล้ายจะเป็นสัญญาณบอกความหมายอะไรกับพวกพร้อมสักอย่างหนึ่งการเคลื่อนไหวของพวกมันในครั้งนี้เริ่มรุนแรงรวดเร็วขึ้นอีกนับเป็นร้อยๆอยตัวกระโจนโครมครามตามหลังมาอย่างกระชั้นชิดแล้วยอยกันลงมาเพ่นพ่านกาดเกลื่อนตามพื้นดินแลดูดดำพืชไปหมดท่ามกลางความคลืมสลัวของดงทึบรบพินคงเดินต่อไปทิศทางที่เขาจะบ่ายหน้าไปทางไหน ไอ้ตัวใหญ่ที่สุดตัวนั้นเนพ่นโผล่ไปคอยสกัดรออยู่อย่างไม่ลดละและในครั้งนี้แทนที่มันจะดักอยู่บนพื้นดินกลับไปทำตัวโกงสยให่เขี้ยวอยู่บนกิ่งตะเคราะห์ระดับสูงกว่าศรีรษะของเขาเล็กน้อยและพินขยับดาบย่างเข้าไปอย่างมั่นคงอีกห้าก้าจะถึงตัวมันก็กระโจนวูบลงมาใส่ในพริบตานั้นเร็วจนแทบดูไม่ทันจอมพรานกระนาฟันสวนสุดแรงเกิด คมดาบจะกระทบกับส่วนไหนของมันเขาไม่อาจบอกได้แต่บตดนี้น้ำหนักตัวอันมากมายของมันประทะเขาหงายหลังคลืนลงกับพื้นแต่ปืนมือซ้ายกับดาบมือขวายังคงกระชับมั่นไม่ได้หลุดไปร่างของมันกลิ้งไปทางหนึ่งและเขากลิ้งไปอีกทางหนึ่งแต่มันกระโจนขึ้นมาได้ก่อนเขาอาแข็อาเขียวพุ่งเข้ามาอีกคราวนี้หมายเขาใส่ส่วนศรีรษะ กำปนาตกึ่งก้องของเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นเป็นปฐมมาเลิกในบัตรนั้นมันคำรามมาจากเครมิงตันในมือของหม่อมราชวงศ์เชษฐาเวราลิตผู้ซึ่งไม่สามารถจะสะกดใจทนดูเหตุการณ์อันน่าหวาดเสียวต่อหน้าต่อตานั้นอีกต่อไปได้พรานใหญ่ของเขาจะใจเย็นสักเพียงใดก็ตามแต่บัตรนี้เขาเย็นต่อไปไม่ได้อีกแล้วเพราะเลือดในกายกำลังจะจับกันเป็นก้อนพร้อมกับเสียงปืนนั้น เจ้าทมวนใหญ่จ่าฝูงซึ่งกำลังถัดหลันจะเข้าใส่รถปินร้องแหลมออกมาสุดเสียงกระเด็นตีรังกา3าสี่ทอดไปฟุบไม่กระดิกอยู่กลางพื้นเลือดทะลักฟูมยิงฆ่ามันให้หมดก่อนที่มันจะฆ่าเราหัวหน้าคณะเดินทางตะโกนสั่งการสุดเสียงพร้อมกับระเบิดกระสุนนำขึ้นหนึ่งนัดเจ้าตัวที่กระโชกเข้าใส่บุญคําใกล้ที่สุดม้วนกลิ่งไม่เป็นท่าไปอีกตัวหนึ่งฝุ่นและใบไม้กระจายเพราะอำนาจลูก ป, ปรายของโอโอบัก บัตรนั่นเองเสียงปืนกระแ่สนั่นกึกก้องขึ้นพร้อมกันจำแน่ไม่ถูกว่าของใครเป็นของใครดงทึบทั้งดงที่เต็มไปด้วยฝูงลิงร้ายปานว่าจะถล่มทลายลงกลิ่นดินปืนฉุนตรบอบอวนไปทั่วไม่สามารถจะสังเกตกำหนดอะไรได้แน่ชัดเพียงแต่เห็นสายตาวูบวาบท่ามกลางเปลวแสงที่แลบออกจากปากกระบอกว่ากิ่งไม้ใบร่ายด้ภาพของเจ้าลิงป่าที่ยั่วเยืออยู่บนเบื้องบนและเบื้องล่างนั้น พลิกผงะวายปานหล่นลงมากระทบพื้นอยู่โครงครามพร้อมกับเสียงแผดร้องประสานเสียงกึกก้องของพวกมันระพินทิ้งดาบชั่วคราวสายป่ากกระบอกแฝดเข้าใส่เป้าหมายที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ปล่อยออกไปทีระนัดเป้าหมายมันบอบบางเกินไปสําหรับกระสุนลูกซองในระยะขนาดนั้นตูมเป็นกระเด็นไม่เหลือหรอมันอยู่แต่เพียงว่าเขาจะบรรจุกระสุนทันต่อการบุกเข้าถึงตัวของมันหรือไม่เท่านั้น เพราะนะ้ำบัตรนั้นพวกมันทั้งหมดพร้อมใจกันเฮโรเข้าใส่ดาหน้าก็มาอย่างดุร้ายกระหายเลือดโดยไม่ชะงักหรือหวาดหวั่นต่อความวายปรานหรือเสียงกึกก้องของปืนเลยที่ตายก็ตายไปที่เหลือก็แย่เขี้ยวกะโจรเข้ามามันเป็นการสัพะยุ์แบบตรุมบอลที่หม่อมและช่วงเชษฐายอมรับว่าน่าสยดสยองกว่าการสงครามนองเลือดทั้งใดๆทั้งสิ้นระหว่างมนุษย์กับสัตว์ ซึ่งไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าจะได้พบหรือเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในครั้งนี้หม่อมราชวงหญิงดาลินผู้แต่ไหนแต่ไรมาเคยเป็นคนซึ่งมักจดลั่นกระสุนเร็วกว่าทุกคนกลับกลายเป็นคนสุดท้ายไปหล่อนยืนถือปืนตะลึงตัวสั่นอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งชายยานกับเชษฐาร้องเตือนสุดเสียงในระหว่างที่ทั้งสองตะลีตะเหลือกยัดกระสุนชุดใหม่อยู่หล่อนจึงเหนี่ยวไกออกไปทียิบแทบจะเรียกว่าไม่ได้เลงเลย เป้าหมายการยิงของหล่อนมุ่งไปทางด้านหน้าอย่างเดียวคือพวกที่ลงมาอยู่กับพื้นได้รายร้อมรอบตัวระพินกับบุลคําในขณะนั้นบุลคามีเดียวส่วนระพินมีเพียงแฝดการบรรจุ ก, กระสุนของทั้งสองแม้จะรวดเร็วชํานาญสักขนาดไหนมันก็ยังช้าอยู่ดีสําหรับปริมาณอันหนุนเนื่องเข้ามาอย่างไม่มีหยุดยั้งของพวกธรรมน์พรายบ้าเลือดเหล่านั้นกระสุนรูปปายของหล่อนหลายนัดที่กระหน่ำมายัางตื่นเต้นนั้น ไม่เพียงจะถูกลิงกระเด็นดิ้นวายปรานไปเท่านั้นบางเม็ดของมันยังปลิวเฉียดบุญคำกับรถพินไปอย่างบุดวิดคุณหญิงอย่ายิงตามมาทางผมพรานใหญ่ตะโกนบอกมาเสียงหลงเมื่อล่อนสายปากกระบอกปืนซ้ำมาอีกเชษฐาก็ตบปากกระบอกปืนของน้องสาวให้เงยสูงขึ้นในบัดนั้นพร้อมกับรั่นเปียงล่อนตั้งใจงจะยิงเจ้าูดที่โกรกันอยู่ข้างร่างแต่อันนึ่งมาจากพี่ชายปัสเสียก่อน กระสุนจึงแล่นขึ้นสูงกระทบเจ้าจ่าฝูงอีกตัวหนึ่งที่กำลังกระโจนลงมาใส่ม้วนงอก่องอขิงหล่นตูมลงมาบนหลังควายเสียงดังสนัน่นควายเทียมเกวียนตื่นกระโจนพวดลากเกวียนไปเบื้องหน้าแง่ท า, ายเพ่นเข้ากระชากสายสนตพายไว้ตัวหล่อนเองเสียหลักล้มก้นกระแทกลงกับพื้นเกวียนเพราะเกวียนเคลื่อนที่อย่างกระชากเชื้อถากับชายยานกระสุนเสียหลักไปเหมือนกัน แต่ก็าสามารถส่งตัวไว้ได้อย่างรวดเร็วและกระน a ยิงต่อไปโดยมิสีจังหวะทุกนัดดูเหมือนจะไม่มีการพลาดเป้าหมายเลยรพีนถอยมารวมอยู่หน้าเกียรนี่ชายันร้องบอกกระหุดกระหอบหักสาวเออแฝดกระแทกปลอกกระสุนกระเด็นออกแล้วหยัดใส่เข้าไปเริ่มยิงต่อด้วยอย่างดุดเดือดรว ด, ดเร็วพรานใหญ่กับบุญคาผลัดกันยิงคุ้มกันคนละชุดแล้วเพ่นถอยมารวมหมู่กันอยู่หน้าเกียน ปากากหันหลังเข้าหากันระดมยิงออกไปอย่างฉับไวราวกับเครื่องจักรทั้งสองเลือกยิงเจ้าตัวที่บุกลั้งหน้าเข้ามาใกล้ที่สุดและมีวิธีบรรจุกระสุนได้คล่องแคล่วรวดเร็วเสียยิ่งกว่าคณะนายจ้างซึ่งมีปืนที่สามารถบรรจุกระสุนได้ดีกว่าเสียอีกหลายตัวที่ใช้วิธีจู่โจมลงมาจากเบื้องบนกระโจนจากกิ่งไม้ลงใส่เกียนแง่ทายเกิดแจานช่วยกันระดมยิงสกัดพลิกพะงะไปอย่างน่าดู หล่นอยู่ตุบตับทั้งบนทางเดินและบนเกวียนสัมภาละบางตัวหล่นลงมาเสียบเขาควายที่เสยขึ้นรับพอดีแล้วก็ถูกสลัดลงไปกลิ้งถูกควายเหยียบย่ำอยู่กับพื้นล้มตายเป็นเบือแต่จะยุติความดุร้ายกระหายเลือดของมันก็หาไม่พวกมันคงทุ่มเทกำลังการพลเข้าใส่รอบด้านอยู่เช่นนั้นเสียงขู่ตะคอกเสียงกิ่งไม้หักเสียงอื้ออึงของปืนเสียงตะโกนสั่งการ ฟังสับสนปนเปกันไปหมดมีเสียงลูกหาดทางด้านหลังร้องโวยวายเอตโรกันลั่นบ้างแล้วแสดงว่าไม่สามารถจะควบคุมสกัดกั้นสถานการณ์ไว้ได้ปล่อยให้ฝูงลิงเหล่านั้นบุกเข้าได้ถึงตัวไม่มีปัญหาเคียวเล็บของมันกำลังแลกกับลูกปืนอย่างบ้าดีเดือดเช่ฐาตะโกนสั่งเร็วปือให้แง่าสายถอนกลับไปคุมและช่วยเหลือทางด้านหลังแล้พินเองถอยร่นเข้ามาที่แงาสาย เจ้าตัวหนึ่งกระโจนพรวดลงมาทางเบื้องหลังของหม่อมและชวงหญิงดาลินพอดีมืออันเหนียวแน่นของมันขยุ้มหมักที่ไหล่ของหญิงสาวกระชากแต่พลาดไปถูกเสื้อฉีขาดควากออกในพริบตามองเห็นแผ่นหลังเปลือยโล่งขาวโปรนดาลินร้องออกมาสุดเสียงชายยันหันขวับมาพอดีตวัดฟ้าด้วยพานท้ายนาเข้าหน้าแงของมันอย่างจังเสียงกลัสนั่นพิกผงะหลุดไปจากเกวียน แต่แล้วตัวเขาเองก็ถูกไออีกตัวหนึ่งเพ่นเข้ามลงมาที่ต้นคอฝังเขี้ยวลงไปกลางศาีรษะชายยันร้องร่นกระชากมันฟาดลงกับพื้นเกวียนแล้วกัดฟันเตะเต็มเหนียวอัดหัวของมันโครมสนั่นเข้าไปกับผนังเกวียนพร้อมกับกระทืบ อ, อย่างไม่ยัง้งก็เดินหลุดพ้นเกวียนออกไปทั้งสามคนของคณะนายจ้างบนเกวียนไม่สามารถจะบรรจุ ก, กระสุนลูกสองเข้าปืนได้ทันเสียแล้วเพราะการจู่โจมตารุมบอลเข้าถึงตัวอย่างรวดเร็วของมัน ต่างทิ้งลูกสองคว้าไรเฟิลที่วางเรียงเตรียมพร้อมอยู่ขึ้นมาชายันโยนจุดสจดสไปให้ดารินตัวเองชฉวยจุด3030ขึ้นมาในขณะที่เชิดถาก็คว้าจุด3 0มศูมันดิเกอร์ต่างปล่อยกระสุนออกไปเท่าที่จะจับเป้าหมายตัวใดได้ก่อนโอนลามานละสัมรถสายไปทั้งขบวนเกวียนรอพินร้องบอกให้หนายจ้างของข อ, งของระวังการจู่โจมทางเบื้องสูงไว ตนเองโยนแฝดในมือไปให้บุญคำแล้ววิ่งเข้ามาคว้าบราวนิ่งอัตโนมัติของดาฮลินที่ทิ้งตกอยู่กับพื้นยัดใส่กระสุนไปพรางยิงไปพรางตัวแล้วตัวเล่าที่กระเด็นหล่นลงมาแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะยอมล่าถอยตรงข้ามกับประดมกันแห่เข้ามาทวีกำลังหนาแน่นขึ้นทุกขณะทุกคนยิงและยิงยิงอย่างไม่ยัง้งยิงโดยไม่คิดชีวิต และมิคิดฝันว่าในชีวิตของแต่ละคนจะยิงปืนในลักษณะหายใจหายคอไม่ทันเช่นนี้แม้แต่สงครามระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันทำไมเราไม่เอาปืนกลมาทำไมเราไม่เอาปืนกลมือมาสักสิบกระบอกชายยันตะโกนกล้องขึ้นอย่างสุดที่จะทนทานได้คำรามสะบดผษสวาสดไปพรางกระหน่ำยิงไปพรางพี่ใหญ่น้อยหายใจไม่ออกแล้วเสียงระรำระรักเหมือนสำลักน้ำของดาดิน แผดรั่นมาอีกคนตาหลอนลายไปหมดสติแทบจะไม่อยู่กับตัวจุดสองเจ็ดศของหล่อนกร็ซึมหมดลองอีกแล้วและหลายนัดที่หล่อนยิงพลาดเป้าหมายเพราะกุมสติไว้ไม่ได้บัดนี้หล่อนกําลังยืนตาเบื่อค้างจ้องไปบนกิ่งไม้เหนือศีรษะที่เจ้าตัวมหึกมาตัวหนึ่งกําลังไกวตัววู้วูบลงมาจากปลายยอดต่ําลงมายังหล่อนทุกขณะอย่างรวดเร็วช น, นิดที่ทําอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนตัวสัน่นระพินหันขวับไปเห็นพอดี เขาสะบัดปากกระบอกปืนไปยังเป้าหมายนั้นแต่อา น, นิจจากระสุนมันหมดลงพอดีเชษฐากับชายยันในขณะนี้กําลังสารวนกับการกระ น, นํายิงปะทะอยู่ด้านหน้าปืนสั้นคุณหญิงปืนสั้นที่เอวพรานใหญ่ร้องเตือนลั่นแต่ลักษณะของหล่อนเหมือนจะหมดแรงและไม่ได้ยินเสียงร้องบอกของเขาเส้นแล้วได้แต่งแงหน้าจ้องตะลึงอยู่เช่นนั้นเจ้าธมโญ่ก็ทิ้งตัวระลิ้วตรงดิ่งเข้าที่หล่อนในพริบตานั้น เสียงไรเฟิล น, นัดหนึ่งแผดแหลมลั่นมาจากท้ายขบวนเปรี้ยงเดียวร่างของเจ้าลิงใหญ่ตัวนั้นก็พงะดิ่นกลางอากาศส่งเสียงร้องแหลมยาวฟาดอมากองอยู่บนพื้นเกวียนตรงหน้าของหญิงสาวพอดีรบินหันขวับก็เห็นแง่ท า, ายกำลังเปลี่ยนที่หมายการเล็งยิงต่อไปยังตัวอื่นๆอย่างรวดเร็วฉับไวจนแทบไม่น่าเชื่อว่าหนุ่มกระเรียงพเนจรจะใช้ไรเฟิลราสัตว์ของเขาก็บอกนั้นได้อย่างช่ำชองถึงเพียงนั้น ทุกนัดของแง่สายคือการปิดปรงของฝูงลิงเหล่านั้นมันเพียงแต่ว่าแงสายจะทำสถิติในการปล่อยกระสุนออกไปได้มากเท่าใดเท่านั้นเสียงร้องอยู่เอ็ดอึงของพวกลูกหาบดังแท้ขึ้นทั่วไปพวกนั้นหมดโอกาสที่จะยิงได้อีกแล้วแต่ละคนควงดาบหรือไม่ก็มีดยาวที่ติดตัวก็นำฟันต่อสู้อยู่รอบด้านกลางฝูงลิงที่ดามืดไปหมดเสียงตะโกนให้ช่วย เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดฟังไม่ได้สับลูกหาบของเราระพินเชิดหาร้องแล้วก็หมุนตัวกลับลั่นกระสุนทียิปไปทางท้ายขบวนเบื้องหลังซึ่งบตดนี้กองทัพปลิงกำลังบุกทะลวงโจมตีด้านหลังเข้ามาหมายฉีกพวกลูกหาบให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชายยันได้สติหันไปช่วยระดมยิงอีกคนหนึ่งบุญคาเกิดระจันก็ย้ายที่มั่นบุกเข้าไปช่วยใครทันตืนก็ปืน ใครทันดาบก็ดาบล่อกระนัวดงแถบนั้นกลายเป็นสมองรบูมเลือดไปอย่างน่าสยดสยองและพินร้องตะโกนสั่งให้ทุกคนหนีขึ้นเกวียนมือก็บรรจุกระสุนปล่อยออกไปด้วยความเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถดาลินได้สติอีกครั้งก้มหลงคว้ากระสุนไร่เฟิ่องจดสองสขึ้นมาบรรจุมือไม้สันหล่อนบรรจุจนเต็มแล้วก็หันไปบรรจุปืนทุกกระบอกที่หมดกระสุนหล่นอยู่กับพื้นเกวีย น, นจนครบ เพืเตรียมไว้ให้พี่ชายกับชัยยันร้องบอกให้ทั้งสองรู้แล้วร่วมวงในการประหารปะหารต่อสู้ต่อไปแต่ในคราวนี้หล่อนเลงยิงอย่างปราณีตกว่าครั้งแร ก, แรกทุกเปรียงที่รั่นออกไปล้วนได้ชีวิตทั้งสิน้นหล่อนเลือกยิงเจ้าตัวเขื่องเขืองลักษณะจ่าฝูงโดยเฉพาะและเจาะยิงไปยังบนกิ่งไม้โดยปล่อยหน้าที่การระดมยิงบริเวณพื้นดินให้แก่เชษฐาและชัยยันพวกลูกหาบนนั้นพอตะกายหนีขึ้นมาบนเกวียนได้ โอกาสของการยิงก็มีขึ้นได้อีกครั้งคนไหนปืนยังติดมืออยู่ก็ยิงต่อไปคนไหนปืนหลุดมือไปแล้วก็ถือดาบกวัดแกว่งคอยฟาดฟันเจ้าตัวที่จะโผล่ขึ้นมาบนเกวียนพอเชษฐาและชายยานเปลี่ยนมาใช้ลูกซองได้อีกครั้งสถานการณ์อันเลว ร, ร้ายก็ดูจะดีขึ้นอย่างมากเพราะในครั้งนี้ความรีบร้อนไม่ทันดูของดารินทำให้ห่อนปรรจุ ก, กระสุนรูปปลายเบอร์นหนึ่งสำหรับยิงนกใหญ่เข้าไปแทนกระสุนโอโอบัก ซึ่งมา่านกระสุนลูกปลายเบอร์หนึ่งแผ่รัศมีกว้างขวางโปรยปลายได้มากกว่าแม้จะได้ในอนุภาพประหัตประหารก็สร้างบาดเจ็บได้อย่างทั่วถึงคราวนี้แทนที่จะเป็นนัดระตัวดิ้นอยู่กับที่ก็กลายเป็นนัดละเจ็ดแปตัวร้องเจี๊ยบช้กกระจายกันออกไปไม่เป็นซํำเลือดสาดโชกถึงไม่ตายก็วิ่งร้องป่าลาบไปสามารถจะกวาดหรือสกัดกั้นได้ทั้งย่อมหรือทั้งหมู่ ไอ้ที่ถูกเข้าจางๆก็ชักดินชักงอหมดริบไปเหมือนกันเชษฐาลืมตาโผล่นึกขึ้นมาได้น้อยเปิดกล่องลูกเบอร์หนึ่งออกแล้วส่งมาเร็วลูกปลายเก้าเม็ดไม่ต้องแล้วล่อมันด้วยลูกปลายยิงนกนี่แหละเด็ดนะักหญิงสาวก้มลงหยิบลูกเบอร์หนึ่งมาเต็มกำส่งแจกจ่ายให้เชษฐากับชายยันทั้งสองบรรจุเพิ่มเติมและยิงติดต่อไปอีกอย่างดุเดือดโดยไม่เสียจังหวะสะติและกำลังใจเริ่มดีขึ้น และพินเองในขณะนี้ก็วิ่งกลับมาที่เวียนคันหน้าขอกระสุนเพิ่มเติมซึ่งหญิงสาวก็โ ย, ยนลูกเบอร์หนึ่งไปให้สามสี่กล่องพานใหญ่นําวิ่งไปโยนแจกจ่ายให้แก่คนของเขาและลูกหามครั้งแล้วม่านกระสุนลูกปลายอันทียิบก็สาดเป็นสายฝนออกไปรอบด้านกลุ่มไหนหนานแน่นก็กระเจิงเลือสาดไปทั้งกลุ่มไอ้ที่ไหนเดียวโทนห่างไกลจากตัวอื่นๆก็ม้วนความดิ้นทุรนทุรายสุมทุ่มพุ่มไม้ราบไป พวกมันเริ่มจะชนะกการโจมตีรงแล้วพากันแตกกระจัดกระจายออกไปคนละทางแต่ก็ยังส่งเสียงขูข่ตะคอกขย่าวกิ่งไม้อยู่รอบด้านและจังหวะ น, นี้เองเปืนลูกซองทั้งหมด20กระบอกและไหลเฟือของแงาซายอีกกระบอกหนึ่งก็ทำหน้าที่ปรยกระสุนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะทางฝ่ายคนเริ่มจะตั้งตัวติดกิ่งไม้ใบไม้ปลิวกระจายด้วยอนุภาพของม่านกระสุน เสียงร้องของพวกมันเสียงพัดด่วนลงมากระแทกพื้นหรือกระแทกพวกไม้ดังอยู่ไม่ขาดสายทุกคนยิงอย่างช้ำมือยิงอย่างเดือดดาลโกรธแค้นครึ่งนาทีต่อมาหลังจากนั้นป่ารอบทิศก็เขยา่าคลืนโครมแตกออกไปเหมือนพายุพัดอีกครั้งเจ้าพวกหนุมานทั้งหลายเพ่นทยานห้อยโหนโดนตัวแตกหนีออกไปอย่างไม่คิดชีวิตพร้อมกับส่งเสียงร้องร่นไม่มีตัวไหนที่จะเมืองอาจลงมาแยกเขี้ยวยิงฟันอยู่บนพื้นดินใกล้ๆ หรือว่าเกาะขยาวอยู่บนกิ่งไม้เหนือศีรษะอีกกองทัพของมันพ่ายต่อหารูปปืนเสียแล้วอาจเข็ดไปอีกนานหรือมิะนั้นก็อาจผูกพยาบาทเตรียมซุ่มบวมพลเพื่อหมายแก้ลาต่อไปเบื้องหน้ายากที่ใครจะทำนายถูกทุกคนระดมยิงตามหลังพวกมันไปอย่างไม่ลดละอีกหลายสิบตัวพลิกล่องลงมาจากยอดไม้ในขณะตะกายหนีบางตัวดิ้นตะเกียบตะกายซุกหนีไปตามพงรกเพราะขึ้นต้นไม้ไม่ได้ หลายตัวนอนเงาะกองอ้าปากร้องกระพริบตาอยู่ปลิดปลิบซึ่งพวกรูกหาบใช้ดาบกระนำฟันซ้ำมันอย่างไม่มีการปราณีสำหรับชายยันร้องด่าไปพางยิงไปพางเขายิงตามหลังมันไปแม้กระทั่งปืนขนาดจุดสี่ห้าแปดที่หยิบฉวยขึ้นมาได้ภายหลังจะปืนอื่นๆหมดกระสุนลงและบรรจุไม่ทันอึดใจใหญ่ต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างก็สงบเงียบลงตามเดิมทุกคนหันมากระพริบตาปลิปิมองกัน รู้สึกเหมือนผ่านนรกมาได้อย่างวุดวิตจากนั้นทุกคนก็ร้องถามกันแซดค้นหาและสำรวจความเป็นไปของแต่ละคนดาลนคว้าเสื้อแจ็กเก็ตของหล่อนมาสวมทับไว้อย่างรวดเร็วปิดแผ่นหลังอันเปล่าโล่งเพราะเสื้อล่าสัตว์ของหล่อนถูกกระชากขาดวิ่นไปแล้วซุดตัวลงนั่งกุมขมับกับพื้นเกวียนเหมือนจะเป็นลมชายยานคงสบดดาอยู่เช่นนั้นกุมศรีรษะป้อย เขาถูกเขี้ยวของเจ้าลิงร้ายขย่ำทะลุหมวกสกสาราตรงไปถึงหนังศีรษะเป็นบาดแผลเล็กน้อยแต่เลือดไหลออกมาเหมือนลักษณะหัวแตกธรรมดาสำหรับคณะนายจ้างดูเหมือนจะมีหม่อมราชวงศ์เชี่ยาคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้รับรอยขีดข่วนใดๆเลยควายหลายตัวที่ถูกกัดเป็นแผลเวอร์เลือดไหลโซมตามขาและบนหลังสำรวจพวกเราทุกคนซีคายบาดเจ็บยังไงเอามารวมกันที่นี่ หัวหน้าคณะเดินทางสั่งแล้วินตะโกนเรียกพวกลูกหาบและผานของเขาทั้งหมดเข้ามารวมกลุ่มภายหลังจากสอบถามปรากฏว่าลูกหาบทุกคนถูกกัดมีแผลต่างๆกันคนละแห่งสองแห่งโชคดีที่ไม่มีใครถึงกับสาหาัสจนักันักนอกนั้นก็มีแผล ก, กันบ้างคนละนิดหน่อยไม่ถึงกับต้องใช้ยาดาเรนดุกขึ้นอีกครั้งภายหลังจากนั่งสงบสติอารมณ์อยู่อึดใจใหญ่ หล่อนจัดการฉีดยาและตกแต่งบาดแผลให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกคนโดยมีแง่ายเป็นคนคอยช่วยเหลือเช่นเดิมเพียง15นาทีหลังจากนั้นผู้ที่บาดเจ็บก็ได้รับการเยียวยาเรียบร้อยคุณเองละ่ะพ่อพรานใหญ่นักดาบเอาแผลมาอวดให้ดูหน่อยสิขาขาดไปหรือเปล่าภายหลังจัดแต่งบาดแผลให้แกลูกหาบคนสุดท้ายเรียบร้อยหล่อนลุกขึ้นยืนหันมาทางจอมพรานและพินสั่นศีษะ มันกัดไม่ถูกเนื้อผมหรอกครับถูกแต่ขากเก่งขาดไปเออลงอกไปทีเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ฉันนึกว่าไอ้ตัวใหญ่ตัวแรกนั่นถูกงับถูกสะบ้าคนหลุดไปอีกแล้วแล้วมันเรื่องอะไรที่ปืนมีอยู่ในมือไม่ยิงเสียแต่แรกไปล้ำด่าเป็นสมุนไลอยู่ได้พรานใหญ่หัวเราระบรรยากาศอันเคร่งเครียดเริ่มคลี่คลายไปแล้วความคลื่นเคร่ ง, ครงขบขันก็เข้ามาแทนที่ ผมไม่ได้คิดจะเป็นพวกสมุไรหรอกครับคิดแต่เพียงว่าถ้าจะให้พวกเราทุกคนปลอดภัยเรียบร้อยที่สุดถ้าผมสามารถฆ่าเจ้าจ่าฝูงตัวแรกได้เงียบๆโดยใช้ดาบพวกมันก็อาจถอยไปเองโดยไม่บุกเข้าจู่โจมเราแต่ถ้าเสียงปืนระเบิดขึ้นนัดเดียวมันก็แห่เข้ามาในทันทีพวกนี้ได้ยินเสียงปืนไม่ได้เลยเท่ากับเป็นสัญญาณเตือนมันอย่างที่เคยบอกแล้วว่าแต่ตอนนั้นมันสับสนชุนลมุนไปหมดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมก็ยังไม่ทราบเลยว่า ใครเป็นคนยิงนัดแรกขึ้นก่อนผมเองแหละเชื่อถาตอบตำตามสีหน้าไม่สบายนักกว่าสายตามองดูซาของทโมลป่าที่นอนกลิ้งอยู่กราดเกลื่อนนับไม่ท้่วนรอบด้านนั้นแล้วโครงศีรษะถอนใจหันกลับมาจ้องตาพรานใหญ่อีกครั้งขอโทษที่ละเมิดคำสั่งของคุณไปผมทนไม่ไหวจริงๆอีตอนที่มันกระโจนประทาคุณกลิ้งไปพอมันจะเพนเข้าซ้ำก็เลยตัดสินใจยิง เพราะเชื่อว่ายัางไงยังไงเสียเรื่องที่เราจะผ่านมันไปได้โดยมิหยิงนั้นคงไม่ต้องหวังมันเอาเราแน่ให้ตายสิยิ่งกว่าศึกซูรเสียอีกขนหัวลุกเลยชายันร้องพร้อมกับพ่อไหลลงอย่างสยดสยองแล้วก็หันมาทางเพื่อนสาวว่าแต่เราเถอะศึกใหญ่รบกะลิงครั้งนี้เราใช้ไม่ได้เลยมัวจะยืนตะลึงไม่เป็นท่าหัวขโมงของฉันเกิดบจริญไปแล้ว เท่าๆกับที่เธอเองก็แทบจะถูกมันหักคอเขายินกันหูดับตับไหมตัวเองยืนดูเฉยๆงั้นแหละฉันยอมรับมันตกใจเกินไปมือตีนเย็นหมดเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่หายเลยไม่มีครั้งไหนในชีวิตที่อกสันขวัญหายเท่าครั้งนี้มีอย่างที่ไหนมืดฟ้ามือดินไปหมดแต่ละตัวแยกเขี้ยวยิงฟันขู่ตะคอกมันทาลายประสาทเราก่อนตั้งนานก่อนที่จะโจมตีฉันคิดว่าฉันตายแล้วเสียอีก นี่เรารอดกันมาได้ยังไงก็ไม่รู้ลูกปืนนะสิแล้วพีนแง่ทายเกิดจันทร์เสยบุญคาแล้วก็พวกลูกหาบทุกคนถ้าพวกนี้มัวแต่ยืนตัวสั่นอยู่เหมือนเธอป่านนี้ก็เป็นผุยผงชิ้นเล็กชิ้นน้อยกันไปนหมดแล้วตัวเธอนะ่ะเกือบจะถูกมันขย่ำเสียหลายครั้งถ้าไม่ได้รพินกับแง่ทายยิงสกัดกั้นไว้อ้าวก็เป็นพรานนาทางผ่านคุ้มกันไม่คุ้มครองนายจ้างแล้วจะไปคุ้มครองใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายจ้างคนนั้นก็เป็นผู้หญิงด้วยหล่อนลอยหน้าบอกก็เราเองล่ะเสื้อแสงขาดวิ่นเจ็บอะไรบ้างหรือเปล่าพี่ชายถามเคร่งครึมมองดูน้องสาวคนสวย อ, อย่างเป็นห่วงดาดินสั่นศีรษะเคราะดีที่มันกระชากติดเสื้อสิก่อนค่ะถูกแค่รอยเล็บข่วนเสียบแสบบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเชีฐาถอนใจยาวหันมาทางรถพินตบไหล ถ้าเราจะเจออีกคราวหน้าเนาะก็หาทางเลี่ยงดีกว่านะนะพินผมว่าไม่ได้เรื่องแน่ไอ้ลิงพวกนี้ร้ายกาจเกินคาดมีโชคดีที่พวกเราไม่มีใครบาดเจ็บสาหัสสักกันหรือว่าล้มตายกันเลยและช่วยกันยิงมันแตกกระเจิงไปได้ถ้าจํานวนมันมากกว่านี้เราเห็นจะป่นกันหมดดีว่าพวกลูกหาบทุกคนล้วนมีปืนลูกซองส่วนตัวมาด้วยทุกคนแล้วเราก็มีกระสุนมาเหลือเฟือพอจะแจกจ่ายกันได้ทั่วถึง ลำพังไลเฟิร์นก็ ม, มีมีทางปะทะไว้อยู่เอาละ่ะเราจะเพิ่งออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้ก่อนเลยหยุดพักจิตใจหะาาหารกลางวันกินกันก่อนเถอะเที่ยงกว่าแล้วทั้งหมดหยุดพักชั่วคราวที่บริเวณแห่งนั้นเองเพื่อหุงหาอาหารปลอกกระสุนนานาชนิดร่นหยุกกราดเกลื่อนเต็มไปหมดไม่ต่ำกว่า200อยนัดกลิ่นไอของดินปืนรอยกลุ่นตรบอบอวนไปหมดเพราะการยิงอย่างมโหรานครบทีมชนิดไม่เคยปรากฏมาก่อน นับตั้งแต่เริ่มต้นออกเดินทางซากลิงมหาการทั้งหมดที่นอนตายอยู่ทั่วบริเวณรอบด้านคเนดูแล้วประมาณร้อยเศษนั่นเป็นจำนวนหนึ่งในหหรือหนึ่งใน6ของฝูงใหญ่ของมันทั้งหมดทุกคนกินอาหารที่ยงมื้อนั้นพอให้หนักหนักท้องผะ อ, อืดผะ อ, อมพอดูสําหรับเหตุการณ์สยองที่เพิ่งจะผ่านไปยกยกเพิ่งจะมาเห็นประโยชน์ของปืนลูกซองชัดๆเอาครั้งนี้เอง เชิดขาป ร, รบขึ้นหลังจากรับประทานอาหารเสร็จคณะสุบุรี่เดินตรวจดูซากลิงอันเกลือดกาดเหล่านั้นอย่างพินิษพิจารณาพร้อมกับพานใหญ่ทีแรกนึกว่าจะเป็นปืนที่มีโอกาสใช้น้อยที่สุดเอากระสุนเผื่อๆมางั้นเองอีตอนลบปลิงคราวนี้เห็นผลเลยกลายเป็นปืนที่ใช้มากที่สุดเหนือกว่าปืนอย่างอื่นมันตื่นเต้นแข่งกับเวลาและชีวิตเสียยิ่งกว่าคราวไอ้กุดหรือไอ้แหวงเสียอีก คุณชายขวัญดีหรือเกินครับอีตอนชุลมูลผมเองก็ชักจะสับสนสั่งการอะไรไม่ถูกไม่ได้คุณชายกับคุณชายยันช่วยควบคุมพวกเราคงจะเสียชีวิตลงบ้างแนๆ่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกลูกหาบเพราะผมมัวแต่พวงอยู่แต่จะให้ความปลอดภัยแก่คุณชายและคณะเป็นเป้าหมายแรกผมเห็นฝีมือและน้ำใจของพวกเราทุกผมเห็นฝีมือและน้ำใจพวกเราทุกคนเอาคราวนี้เองสาหรับคุณไม่ต้องพูดถึง พรานของคุณสี่คนใช้การได้ดีทั้งนั้นแง่าสายก็เยี่ยมยอดส่วนผู้ลูกหาบก็ไม่เลวนักถ้าจะมีคนนำและควบคุมให้ดีพอจะใช้เป็นกำลังใจในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทั้งนั้นพระผาสิจะว่าไปมันก็สนุกถึงใจเหลือเกินคงจะไม่มีครั้งไหนที่พวกเรายิงกันอุดตลุดเป็นบ้าเป็นหลังเหมือนคราวนี้อีกแล้วปืนทุกกระบอกถูกงัดออกมาใช้งานครบถ้วนไม่มีกระบอกไหนร้ายประโยชน์เลย ผมน่ายิงสืจอนไหลชาดิกไปหมดกล่าวจบเชิดาก็หัวเราะออกมาเป็นครั้งแรกทัานใดนั้นเองพรานใหญ่ผู้กว่าสายตาผ่านผ่านไปตามยอดไม้ทึบเหนือศีรษะก็จ้องนิ่งไปอย่างยอดทรายอันหนาแน่นยอดหนึ่งแล้วยิ้มออกมาเครียดเครียดเชษดาชายยันและดารินสงสัยในอาการของเขาแงนขึ้นมองตามก็เห็นแต่ใบไม้เป็นเงาสลัวคลึ้มอยู่ทั่วไปไม่เข้าใจว่าเขากาลังเจ้ามองอะไร เอ๊ะมีอะไรเหรอเพลินคุณมองอะไรชัยยันถามพรานใหญ่ไม่ได้ตอบคาถามชัยยันแต่พูดกับดาลินยิ้มยิ้มโดยยังจับจ้องอยู่ที่เป้าหมายเดิมว่าคุณหญิงครับทําไมตอนที่ตะลุงบอลกับพวกหนุมานอยู่นั่นนะ่ะผมร้องเตือนให้คุณหญิงนึกถึงปืนสั้นที่ติดเอวอยู่เพราะไร้เฟื้นในมือของคุณหญิงลูกหมดแล้วก็ไอตัวหนุ่มมันกำลังทะยานลงมาใส่คุณหญิง แต่คุณหญิงมัวแต่ตะลึงไม่ได้ยินเสียงของผมโชคดีที่แง่าสายยิงสกัดมันไว้ทันอย่างงั้นเหรอฉันไม่ได้ยินเสียงคุณเลยได้ยินแต่เสียงลิงคราวนี้คุณหญิงจะลองใช้ปืนสั้นให้เป็นประโยชน์สมกับที่อุตส่าห์ใส่ซองห้อยติดเอวหนักมาตลอดเวลาดูไหมละครับแต่ว่าอันที่จริงฝีมือปืนสั้นคุณของคุณหญิงก็เลิอยกเว้นแต่พอเกิดฉุกเฉินเข้าจริงๆลืมนึกถึงมันเสียได้ ฉันไม่เข้าใจคำพูดของคุณดอนกระช่าเสียงว้่นวนตาเขียวเข้าใจว่ากำลังจะถูกหาเรื่องโยอะไรสักอย่างแล้วินหัวเราะเบาๆพยักหน้าบอกว่ามานี่สิครับมายืนใกล้ๆผมแล้วก็มองไปที่ยอดใสตรงตำแหน่งที่ผมจะชี้ให้ดูนี่หญิงสาวขามวดคิ้วงงงเชืถาและชายยันหน้าตื่นไม่รู้เรื่องดารีนก้าวเข้ายืนกระทบไหล่จอมผานแล้วเงยตามเขาชี้ให้บอกปนหัวเราะเบาๆต่อมาว่า เห็นไหมครับอะไรน่ะ <MON> ท <mon> Out <mon> <mon> <med> ี่อยู่บนยอดไม้นั่นอีกสองชายพากันก้าวเข้ามายืนเคียงข้างอยู่ด้วยและแหนมองตามสำหรับดารินพยายามจ้องซอยปลูกตาทีๆีและจ้องอีที่สุดก็สั่นศีษะไหนอะไรกันฉันมองไม่เห็นอะไรสักนิดนอกจากยอดไม้ดูให้ดีสิครับก็ยอดไม้น่ะสิบ้าจริงหลอนร้องเฉีวๆฉีวหันไปทางพี่ชายกับชายยัน ผู้ยืนช่วยมองอยู่ใกล้ๆพี่ใหญ่กับชายยานเห็นอะไรอย่างที่นายพรานของเราบอกหรือเปล่าทั้งสองสัส่นศีรษะหล่อนหันไปจ้องหน้าเขาเหมือนจะถามอีกครั้งเอาละครับไม่เห็นก็ไม่เป็นไรว่าแต่เห็นยอดแต่คู่มีเงาโปรองอยู่ตรงกลางนั่นไหมเบนจากด้านซ้ายของยอดสูงสุดนั่นนะ่ะเห็นชักปืนออกมาสิครับแล้วก็เล็งยิงไปที่ตรงนั้นแหละนี่คุณจะให้ฉันยิงใบไม้เล่นงั้นหรือ ทำตามผมบอกก็แล้วกันเดี๋ยวคุณหญิงก็จะรู้เองว่ามันเป็นอะไรถ้าคุณหญิงยิงถูกตรงที่หมายที่ผมบอกนี่ดารินเม้มริมฝีปากจ้องหน้าเขายัง ง, งงงงเหมือนจะค้นหาอะไรอยู่เช่นนั้นพอถูกเตือนอีกครั้งก็ชักจุด3า57สิงเกิลแอคชั่นที่อยู่ในซองข้างเอวออกมาง้างนกและยกขึ้นเหยียดแขนออกไปสุดในลักษณะยิงเป้าถามย้ำอีกทีหนึ่งยิงไปที่นั่นนะลือ ครับหล่อนยักหลหัวเราะหึ่หึแล้วเลงอย่างดาวสุ่มตามตำแหน่งที่เขาชี้บอกแต่กายเปรี้ยงออกไปสถานดงมีแต่กิ่งไทอันขนาดนิ้วชี้ขาดร่วงพอยลงมานั่นยังไงคือสิ่งที่คุณนิชันยิงสติยังดีอยู่หรือเปล่าจอมพรานสันสีษะสูงไปครับย้ายที่ไหมต่ำกว่านี้สักสี่นิ้วอา้าวยิงอีกที หลอนบนอะไร พ, พึมพำอย่างไม่ศรัท ธ, ธาแต่ก็อยากจะรองดียกปืนขึ้นเรงอีกครั้งอึดใจเดียวก็สุนแรงสูงจากปืนสั้นก็แผดกึกก้องขึ้นอีกไม่ทันจะสิ้นกังวานเสียงของมันมีเสียงร้องแหลมยาวดังลั่นเสียงกิ่งใส ย, ยอดนั้นหักรูดแล้วเงาสีเทาอันใหญ่โตของอะไรเช่นนิดหนึ่งก็รอ ย, ะ ร, ยระลิ้วปะทะอากาศอู้ออกมากระทบกิ่งต่าอื่นๆดังคลึกโครมฟาดลงกับพื้น เสียงพรากดังสนั่นได้ยินไปไกลท่ามกลางความตะลึงพึงเพลิดของคนยิงเองและทุกคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งลูกหาบซึ่งบัดนี้นั่งพักลวมกันเป็นกลุ่มหม่อมเมชวงดาดินร้องอุทานออกมาคำหนึ่งยกมืออีกข้างหนึ่งปิดปากอย่าลืมตัวส่วนเชษฐากับชายยันก็วิ่งพรวดตรงเข้าไปยังสิ่งที่หนร่วงลงมานั้นรับผินหันมายิ้มกระซิบกระปลนว่า ลองเข้าไปดูใกล้ๆสิครับว่ากิ่งไม้หรืออะไรแล้วเขาก็เดินเนิบๆตามหลังของเชี่ากับชายยันเข้าไปสมทบดาลินออกวิ่งตามเข้าไปด้วยอย่างตื่นเต้นอัศจรรย์ใจไปหมดภาพที่กองอยู่กับพื้นก็คือซ่าของลิงมโมนจ่าฝูงตัวหนึ่งใหญ่พอๆกับเจ้าตัวแรกที่เชี่ยถาญิงขณะที่เพนเขาใส่รพินบัดนี้มันนอนขาสันกระตุกอยู่ริกลิกดิ้นพวดพลาดอีกสองสามครั้งก็สงบเงียบเชียบ กระสุนปืนสั้นของดาลินเจาะเข้ากลางสวงอกพอดีคณะนายจ้างทั้งสามคนจ้องซ่ากริงธรรมนจ่าฝูงที่นอนตายอยู่ตรงหน้าแล้วหันไปมองดูพรานใหญ่ยัยงงงไปหมดอะไรกันนี่มันไปยังไงมายังไงฉันมองไม่เห็นอะไรเลยสักนิดนอกจากกิ่งไม้แล้วทําไมถึงไปถูกเจ้าวายร้ายนี่เข้าได้ดาลินร้องครางออกมาคุณหญิงมองไม่เห็นมันเองแตหาครับมันนั่งหลบอยู่ที่กิ่งใสซุส้มนั้น นั่งนิ่งเฉยเลยทีเดียวโอ้โหรพินอย่าว่าแต่น้อยเลยผมก็มองไม่เห็นตอนที่คุณชี้ให้น้อยยิงน่ะเชี่าอุทานผมก็ไม่เห็นเหมือนกันมันเป็นไปได้ยังไงกันนี่จอมพรานคงหัวร้อนเฉยเนมคออย่เช่นนั้นควักบุหรี่ออกมาจุดสุดาลินกล่าวถามต่อมาเร็วปือแล้วคุณมองเห็นได้ยังไงกันในเมื่อตั้งสามสายตาของพวกเรายังไม่เห็นสักนิด ตาพรานใหญ่ไม่เหมือนกับตาของชาวกรุงดอกครับคุณหญิงถ้ามองไม่เห็นสัตว์ก็หากินอยู่กับสัตว์ไม่ได้แต่ว่าอันที่จริงผมก็สังเกตเห็นเพียงนิดเดียวเท่านั้นคือเห็นเพียงลำตัวส่วนหนึ่งของมันโผล่จากกิ่งใบที่บังไว้อย่างหนาแน่นเท่านั้นอาศัยความเคยชินก็เลยเดาถูกว่าควรจะเป็นมันเพราะถึงอย่างไรใบไม้กับขนของมันก็ผิดกันอยู่แล้วตาธรรมดาทั่วๆไปอาจแยกออกไปไม่ถูก โดยเฉพาะถ้ามันมืดและทึบอย่างนี้ทั้งสามพากันจ้องหน้าเขาอย่างทึ่งๆอยู่เช่นนั้นอัศจรรย์ไปหมดหลายจริงชายยันร้องออกมาอย่างตื่นเต้นเรื่มใสพร้อมกับหัวเราะลั่นเข้ามาตบแขนโดยแรงอย่างนี้นี่เองเขาถึงได้เรียกว่าตาพรานจริงๆนะพวกเรามองไม่เห็นมันเลยสักนิดยอดไม้ออกสูงลิบแล้วก็กิ่งใบออกหนาทึบไปหมดอย่างนั้น ไม่สงสัยเสียด้วยว่ามันจะมีนั่งหลบอยู่บนนั้นได้ว่าแต่คุณอธิบายหน่อยสิทำไมมันถึงไปหลบเฉยอยู่อย่างนั้นไม่หนีไปเหมือนตัวอื่นๆจอมพลากน ก, าก้มลงพลิกซากลิ่งใหญ่ตัวนั้นให้นอนควา่าแล้วชี้ให้ดูรอยกระสุนลูกสองที่ฝังพรุ่นอยู่ที่ตะโพกด้านหลังของมันนี่ยังไงล่ะครับคำตอบไอ้ตัวนี้ถูกยิงบาดเจ็บมากอยู่ก่อนแล้วมันจะไปก็ไปไม่ได้มันจะไปก็ไปได้เหมือนกันแต่ช้ามาก ข้อขาหลังสัญชาตญาณของเจ้าสัตว์ชนิดนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าลิงหรือข้างหรือชนีลงถ้าเจ็บมากจะห น, นีไม่พ้นและโจรตัวเช่นนี้มันจะไม่เคลื่อนไหวไปไหนแต่จะหายอดไม้หรือคาคบหลบนิ่งกําบังตัวอัมพรางสายตาของเราไว้เพื่อเอาชีวิตรอดแปลกจริงและตอนที่ฉันยิงนัดแรกถึงจะผิดไม่ตรงเป้าหมายก็ต้องเฉียดมันไปนิดเดียวเสียงปืนก็ดีเสียงกระสุนที่เฉียดผ่านไปก็ดี ทำไมมันถึงไม่เคลื่อนไหวหลบนี้หรือกระดุกกระดิกให้สังเกตเห็นตามธรรมดาของสัตว์นั่นเป็นความฉล า, าดในการพยายามรักษาตัวรอดของมันครับต่อให้เราทำเสียงตึงๆโครมครามสักเพียงใดก็ตามมันจะไม่ตื่นหนีออกมาให้สังเกตเห็นในเวลาที่มันรู้ว่าจวนตัวเป็นอันขาดแต่จะหลบซ่อนนิ่งทําเงียบเฉยอยู่เช่นนั้นแล้วเขาก็หัวเราะอีกครั้งถึงคุณหญิงจะตามไม่ดีพอสาหรับการเห็นเป้า แต่คุณหญิงก็ยังตาดีสมหรับศูนย์ปืนและมือที่ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ครับในเวลาที่ไม่ตื่นเต้นตกใจเช่นนี้ขนาดไม่เห็นชัดยังยิงตัดคู่หัวใจถ้าเห็นถนัดไม่ถูกตาซ้ายทะลุออกตาขวาหรือครับไม่ต้องมาย่อฉันหล่อนตะวาดแวดเครื่องยิ้มเครื่องบึง้งยิงถูกตาซ้ายทะลุขวานะฉันจะยิงได้อย่างเดียวเท่านั้นคือมนุษย์กวนโทโอย่างอื่นก็ยิงไม่ได้หรอก ขนาดพี่ใหญ่ดิชายยานยังมองไม่เห็นเลยแล้วฉันจะเห็นได้ยังไงแลาะก็ไอเรื่องตื่นเต้นตกใจของฉันนะมันห้ามกันได้เมื่อไหร่ถึงยังไงฉันก็ไม่เก่งเหมือนคุณหรอกดวงดาบลบกับปลิงทะเลาะกันอีกแล้วเอคู่นี้นี่เป็นยังไงนะชายยานบ่นลัน่นแล้วพูดเป็นงานเป็นการต่อมาว่าเห็นในตัวนี้เป็นตัวอย่างผมสง ส, ยสัยเสร็จแล้วสิพวกมันถูกยิงเจ็บนับร้อยไอ้ที่หนีไปได้ก็เยอะ ไอ้ที่หนีไม่ทานไม่หลบหลบสั้นๆอนแอบอยู่บนยอดไม้เหมือนไอ้ตัวนี้เต็มไปหมดหรืออย่าปล่อยมันทิ้งไว้เลยสอยลงมาเสีย ห, หมดเถอะเจ็บใจนะักอ oh, yeah. ๋อแยะทีเดียวครับขอให้สังเกตดีๆเถอะสงสัยว่าตรงยอดโน้นก็จะมีอีกตัวหนึ่งถ้างั้นระดมคนของเราออกกวาดไอ้ที่หลงเหลืออยู่นี่ดีกว่าปล่อยไว้ก็ทรมานเปล่ลาๆราชนิกูลหนุ่มใหญ่หัวหน้าคณะเดินทางเห็นด้วยกับความคิดของสหายสนับสนุนมา พระพินจึงตะโกนเรียกพลานสี่คนพร้อมกับแงซายและลูกหาบทั้งหมดมาสั่งการให้รู้เรื่องพวกนั้นกระจายกันออกค้นหาตํายอดไม้ต่างๆในอนาบริเวณรอบด้านแล้วการยิงก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ในครั้งนี้เป็นการยิงอย่างปราณีตเสียงปืนแผดคํารามเป็นระยะระยะและเจ้าทมลพายรําบาวที่แอบซุ่มซ่อนตัวอยู่ตามคาคบไม้ต่างๆก็ถูกสอยร่วงลงมาเป็นลําดับ อีกเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิตัวบางตัวตกใจเสียงปืนกระโดดหนีไปตามกิ่งไม้อย่างจนตรอกแต่ก็ถูกยิงคว่มลงมาหมดอย่างไม่ปราณีสาสมกับความร้ายกาจของมันที่บางอาจคิดร้ายต่อมนุษย์สำหรับกลุ่มของนายจ้างและพินทำหน้าที่เป็นมักกุเทชี้ตำแหน่งให้เห็นเป็นตัวตัวไปซึ่งเชษฐาชา ย, ยานันและดารินผัดกันใช้ปืนสั้นซ้อมมือพลิกล่วงลงมาเป็นลาดับตามความสังเกตของเขา ถ้าจะพูดกันถึงฝีมือปืนสั้นกันแล้วทั้งเชษฐถาและชายยันแม้จะอยู่ในขั้นดีก็ยังแพ้หม่อมราชวงศ์หญิงดารินราบไม่มีทางเทียบติดถ้าสังเกตเห็นเป้าหมายได้ชัดดารินยิงยิงร่วงทุกตัวไปในวงกระสุนไม่เกินสองสานัดแต่ส่วนมากปังเดียวพลิกแต่สำหรับเชษฐถาหรือชายยานันบางทียิงกันจนหมดลูกหม้อก็ยังไม่ร่วงต้องใช้เลยเฟื่นอนใครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้น การกวาดร้างเจ้าพวกที่หลงเหลือก็สุดสิ้นลงเท่าที่สามารถจะทำกันได้รวมทั้งหมดเฉพาะที่ตามเก็บเอาบนยอดไม้ทีหลังนี้มีจำนวนถึง27ตัวทั้งใหญ่และเล็กพวกลูกหาบชายโยโหร้องกันลั่นอย่างยินดีและสาสมใจที่ได้ฆ่าลิงมหาการเหล่านั้นลงได้อีกในตอนหลังนี้พวกนั้นเห็นเป็นของสนุกไปเพราะเลือกยิงเอาได้โดยไม่มีการเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นทุกคนมีปืนแต่ขาดแคลนกระสุน พอมาได้เบิกกระสุนยอย่างไม่จำกัดเช่นนี้ก็ยิงกันอย่างช่ำมือไปเท่านั้นบรรยากาศเริ่มคลี่คลายไปในทางดีขึ้นต่างหายจากการขวัญเสียรงแล้วอันเนื่องมาจากได้มีโอกาสแก้แค้นเข่นฆ่ายัางสมใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ถูกกัดเวอะหวะมีบาดแผลไปเสือแถวนี้คงอิ่มไปนานชยันว่าท่านใดนั้นเชษฐาก็ก้มลงหยิบปลอกกระสุนลูกซองนัดหนึ่ง ที่ถูกสดัดทิ้งไว้กราดเกื่อนพื้นขึ้นมาพิจารณาดูอย่างปราศจากความหมายและเป่าลมออกจากปากเบาๆอย่างอ่อนใจพูดเหมือนจะบ่นกับตัวเองไม่อยากนึกว่าเราจะตกเป็นหนี้บุญคุณของเจ้ากระสุนพื้นบ้านชนิดนี้เป็นยังไงชายันตอนแรกแกทาเป็นดูถูกปืนกำ น, นันอีกคราวนี้ไม่ใช่หรือที่กระสุนของปืนกานานช่วยพวกเราทุกคนไว้จากไอฝูงนรกพวกนี้ เจอเอาการโจมตีแบบสายฟ้าแลบของพวกมันไลเฟิลแทบจะช่วยอะไรไม่ได้เลยนักเที่ยวป่าหัวสมัยใหม่ไม่ยอมเดียวแนและดูถูกปืนลูกซองถือเป็นปืนเกรดต่ำที่สุดแต่ที่ไหนได้มันให้คุณกว้างขวางเสียยิ่งกว่าไรเฟิลลูกโตโตเสียอีกตอนที่ปะทะกับจงอางก็ทีหนึ่งแล้วไม่ได้ลูกซองก็เสร็จเท่านั้นเหตุการณ์ที่เผชิญจริงมันจะสอนเราไม่งั้นจะรู้ได้ยังไง สหายของเขาตอบรับโดยดุษณีแล้วยากไหกล่าวต่อมาว่าแต่เราก็ไม่ลืมที่จะเอามันติดมาด้วยถึงสามกระบอกกระสุนก็ดูเหมือนจะมากกว่าปืนทุกชนิดที่เราขนมานั่นก็ย่อมหมายความชัดอยู่แล้วว่าเราไม่ได้มองผ่านคุณค่าของมันไปเสียแม้แต่แรกจะไม่รู้ซึ้งนะักก็ตามโชคดีเหลือเกินครับที่พวกคุณชายขนกระสุนลูกซองมาอย่างเหลือเฟือ ไม่งั้นคงลำบากทีเดียวตอนที่กองทัพหนุมานยกพลบุกเราตะกีและผิดพูดยิ้มยิ้มขณะนั้นพวกลูกหาบทั้งหมดกำลังแยกย้ายออกเก็บปลอกกระสุนเฉพาะลูกซองเท่าที่จะหาได้เป็นจ้าระวันเรากับจะชิงกันเก็บของมีค่าที่หล่นอยู่เชษฐากับชายยันมองดูพวกนั้นอย่างพอจะเข้าใจความหมายแต่ดารินสงสัยร้องออกมาเบาๆว่าเอ๊ นั่นพวกนั้นตั้งหน้าตั้งตาเก็บปลอกกระสุนลูกซองไปทําไมกันให้มันเ ก, กรระกะเปล่าๆดูสิแยกกันเก็บใหญ่ยังกระเด็กเดบชิงกันเก็บของเล่นงั้นแหละพรานใหญ่หัวเราะมองดูความไม่เดียงสาของร่อนอย่างขันขันเขาไม่ได้เก็บเอาไว้ดูเล่นหรือว่าเก็บเอาไปเล่นขายข้าวเขาขอ ง, ข อ, งอย่างที่คุณหญิงสงสัยหรอกครับกระสุนปืนลูกซองมีค่าที่สุดของชาวป่าทั่วๆไปแทบจะเรียกได้ว่าเป็นชีวิตจิตใจของเขาทีเดียว ตราบใดก็ตามที่เขายังดำรงชีพยอยู่ในป่าชีวิตของพวกเขาอยู่ได้ด้วยกระสุนชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านหาอาหารใส่ปากท้องการต่อสู้ป้องกันตัวหรืออาชีพกระสุนปืนลูกซองนัดหนึ่งในเมืองหลวงอาจราคาเพียง10สลึงสองบาทแต่เมื่อมาถึงมือพวกเขาที่นี่นัดหนึ่งราคาถึง8บาทถึง10บาทปะเหมาะขาดแคลนเข้าจริงราคาสูงขึ้นไปกว่านั้นก็มี มันเป็นสิ่งหายากและมีราคาที่สุดของพวกเขาถ้าเราจะกำนันอะไรเขาสักอย่างให้เขาพอใจที่สุดก็คือให้กระสุนปืนลูกซองเถิดครับเขาจะยินดีเสียกว่าได้เงินอีกเมื่อลูกปืนชนิดนี้มีค่าเท่ากับพวกเขาถึงเพียงนี้คุณหญิงพอจะนึกออกหรือยังว่าทำไมพวกเขาถึงแย่งกันเก็บปลอกกระสุนชนิดนี้ราวกับแย่งเก็บทองหญิงสาวขามวดคิ้วทาหน้างงก็มันปลอกยิงแล้วนี่นา นั่นแหละครับปลอกที่ยิงแล้วนั่นแหละมันมีค่าสําหรับเขาไม่น้อยเหมือนกันถึงจะไม่เหมือนลูกปืนแท้ๆค่าของมันก็เทียบได้ถึงครึ่งหนึ่งของกระสุนที่ยังไม่ได้ยิงยําขาดแคลนเข้าจริงๆพวกนี้กล้าที่จะซื้อปลอกลูกซองนัดละสามสบาทก็เอาแปลว่าเขาเอาไปอัดใหม่งั้นหรือหล่อนถามอย่างไม่แน่ใจพรานใหญ่ก้มศรีรษะลงครับเขาเอาไปอัดใหม่ตามวิธีการของพวกเขา ซึ่งแต่ละคนก็ชำนาญกันดีและทำเป็นทุกคนมันช่วยให้เขาไม่ต้องมาคอยซื้อกระสุนใหม่เอี่ยมราคาหน้าตาตั้ง8 0ดสิบบาทแล้วจะซื้อแต่ละครั้งก็หาซื้อได้ยากเย็นเหลือเกินวิธีอัดของเขาก็คือเคาท้ายกระสุนตรงตำแหน่งชนวนที่ถูกเข็มแทงะนวนเจาะให้เรียบเสมอออกมาเติมออกมาตามเดิมบรรจุแก๊เข้าไปอัดดินปืนที่ทาเองเอาหมอนรองไว้เฉพาะส่วนดินปืน แล้วก็หารูปปลายขนาดตามแต่จะต้องการบรรจุลงไปลูกปลายชนิดนี้หาซื้อได้ไม่ยากนักตามร้านขายของชำแถวบ้านป่ามีขายกันทุกร้านพออัดลูกปลายเสร็จแล้วก็เอาหมอนอัดไว้อีกทีหมอนที่เขาใช้รองก็คือสิ่งง่ายๆใยกระมังมะพร้าวแห้งนี่เองแล้วยิงได้หรือมันได้ผลสักแค่ไหนระหว่างที่ดารินงงช ย, ยันถามมาด้วยความสนใ จ, จอีกคนหนึ่งได้สิครับ แต่จะได้ผลสกแคนไหนมีคุณภาพเหมือนของนอกหรือไม่นั้นผมก็ไม่เคยทดสอบคำนวณดูยสักทีเห็นส่วนมากก็ยิงตั้งแต่นกขึ้นไปจนกระทั่งเก้งกวางอยู่เหมือนลูกปืนนอกเหมือนกันเว้นไว้แต่ว่าถ้าแก็บไม่ดีบางนัดก็อาจด้านไปบ้างถ้าเขาไม่ทำอย่างนี้พวกเขาก็ไม่มีปัญญาจะไปหาลูกใหม่ที่ไหนไมาใช้ได้สะดวกสะดวกเขาไม่เคยทิ้งปลอกกระสุนเลยยิงแล้วเก็บมาอัดใหม่ อัดซ้ำอัดซากจนกว่าโลหะท้ายกระสุนตรงชนวนจะถูกเข็มแทงชนวนเจาะซ้ำซ้กันหลายครั้งเสียจนทะลุใช้การไม่ได้นั่นแหละถึงจะยอมทิ้งตามปกติแล้วกระสุนปืนลูกซองนัดหนึ่งหนึ่งก็สามารถจะนํามาอัดใหม่ได้ถึงสี่ห้าครั้งถ้ายิงนกหรือไก่พวกนี้ก็เอารูปลายละเอียดหน่อยใส่เข้าไปยิงสัตว์ใหญ่ก็ลูกปลายใหญ่ขึ้นเป็นลําดับบางคนยัดรูปโดดล่อกระทิงหรือช้างเข้าให้ก็ยังเคยเสี่ยง หรือไม่เสียงขนาดไหนพวกเขาไม่เคยมาคํานึงอยู่คณะไหนจ้างทั้งสามพากันหัวเราะ อ, อืมพวกนี้เข้าใจนะหัวหน้าคณะเดินทางพยักหน้าช้าๆหันไปมองดูพวกลูกหาบอย่างเลื่อมใสจริงสิมันก็ไอหลักการอันเดียวกันนั่นแหละใส่แกป๊ปอัดดินปืนบรรจุลูกปายพอเข็มแทงชนวนสับลงไปกระแทกแกป๊ปเกิดเป็นประกายขึ้นไฟก็จะเผาไหม้ดินปืน แปรสภาพเป็นแกส๊สอัดลูกปลายให้กระเด็นออกไปมันสำคัญอยู่ที่ว่าแก๊ปก็ดีหรือดินปืนก็ดีพวกนี้จะทำได้เหมือนของฝรั่งหรือไม่เท่านั้นแต่ถึงอย่างไรมันก็คงพอจะอ่อมแอมไปกันได้อยู่ดีเพราะพวกนี้ก็วิวัฒนาการมาจากหลักของปืนค า, าบศิลาอันเป็นอาวุธดั้งเดิมของบรรพบุรุษจุดแล้วมันไม่ผิดอะไรกันหรอกเก่งแฮอัดดินปืนซีซัวเข้าไปเกินขนาด มันไม่ระเบิดลํากล้องพังไปหรือพวกนี้จะเชื่อได้ยังไงว่าลูกปืนที่เขาอัดเอาเองมันจะไม่ระเบิดหน้าตาเบลัยไปชายยันแสดงข้อวิตุกแรกๆสมัยที่ทำการใหม่ๆก็คงเอาเหมือนกันแหละครับแต่ผมคิดว่านานๆข้าวพวกนี้ก็ชำนาญไปเองรู้ว่าควรจะใช้ดินปืนแรงสักขนาดไหนมันอาจไม่ตรงกับทฤษฎีอัดดินขับของนอกแต่มันก็ใช้ได้ใกล้เคียงกัน พูดถึงการยิงเตืนลูกซองผมยังอดสงสัยไม่หายเชื่อถาเอ่ยขึ้นเหมือนเพิ่งจะนึกขึ้นได้ตาจ้องแจ่มใสมองดูจอมพรานรือว่างที่ประจันบานกับไอ้หนุมานฝูงนั้นผมสังเกตเห็นคุณกับพรานของคุณยิงได้ด้วยเร็วหรือเกินเลยจนไม่น่าเชื่อทั้งที่ปืนของคุณก็เป็นปืนแบบเดียวหรืออย่างดีก็แค่แฝดบรรจุได้ครั้งละแลไม่เกินนัดสองนัดเท่านั้น คุณมีวิธีบรรจุกระสุนได้ยังไงนะถึงได้ยิงเร็วขนานั้นคำว่าเร็วของปืนลูกซองชนิดเดียวหรือแฝดมันก็อยู่ที่การบรรจุกระสุนเข้าลำกล้องนั่นแหละครับถ้าเราบรรจุได้เร็วเราก็ยิงได้เร็วใช่ก็หมายถึงการบรรจุ น, นั่นแหละแล้วคุณทำยังไงล่ะถึงจะใส่กระสุนได้เร็วที่สุดพรานใหญ่ยิ้มระまいอดนึกชมเชยในใจเสียไม่ได้ในข้อที่ว่า อดีตในพันโททูตทหารบกเชื้อพระวง์ผู้นี้มีความสังเกตได้ละเอียดที่ท่วนมากและคมไวไม่ใช่น้อยแม้แต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆการจะบรรจุได้เร็วมันก็ไปขึ้นอยู่กับการที่เราสามารถจะถือกระสุนสำรองไว้ในมือได้มากเพียงใดพร้อมที่จะยัดใส่เข้าไปในรังเพลิงได้ทันทีโดยไม่สีเวลาต้องไปคว้ามาจากกระเป๋าหรือย่ามหรือหยิบมาจากที่อื่นอันจะทาให้ศีเวลาไป นี่มันเป็นเคล็ดลับหรือวิธียิงปืนลูกซองให้ได้รวดเดียวพิเศษออกไปครับถ้าสนใจจริงๆแนะกันนิดเดียวก็ทำได้เว้นไว้แต่ที่ไม่เคยหรือไม่รู้มาก่อนอาจมองค่ามปเสียเอาละครับให้ผมเรียนถามคุณชายบ้างในขณะที่ถือปืนลูกซองพร้อมที่จะยิงหรือกำลังยิงคุณชายสามารถจะถือกระสุนสารองเตรียมไว้ในมือได้กี่นัดครับเชี่าซอยปือกตาทีทพยายามคิด แล้วก็หันไปทดลองโดยกำลุปืนไว้เต็มกำเท่าที่จะสามารถในฝ่ามือซ้ายช่วยลูกซองแฝดขึ้นมาทดลองประทับกับบาโดยใช้มือซ้ายที่กำลุปืนโดยใช้มือซ้ายที่กำลูกประคองกระโจมมืออีกทีหนึ่งเออย่างมากก็เห็นจะไม่เกินสามนัดที่เห็นอยู่นี่แหละก็เห็นเห็นอยู่นี่ว่าลูกซองของมันมีปอกอวบใหญ่กินที่มากสาลูกก็เต็มกำมือแล้ว แล้วมือข้างนี้เรายังต้องใช้ประคองกระโจมมืออีกเขินถือไว้มากกว่านี้ก็จับปืนไม่ถนัดส่วนมือขวาถือไม่ได้เลยสักนัดเพราะใช้เป็นมือจับคอปืนและนิ้วที่กดิกไกนี่ยังไงล่ะครับคือคําตอบคุณชายเชื่อหรือเปล่าว่าเมื่อผมต้องการจะยิงปืนลูกซองแบบเร็วผมสามารถจะมีกระสุนอยู่ในมือขณะประทับยิงไม่น้อยกว่าสิบนัดขึ้นไปฮ่ชายยันและเชี่าลืมตาโตร้องออกมาพร้อมกัน แล้วพินหัวเราะจริงๆครับสิบนัดนาะธรรมดาเท่านั้นถ้าเต็มอัตราสึกจริงๆต้อง14นัดคุณถือรูกปืนตั้ง1ิบหรือ14ี่นัดเข้าไปได้ยังไงในขณะที่ยิงชายยานร้องเรียกปือแทนคำตอบแล้วพินดีดนิ้วเรียกบุญคำที่ยืนอยู่ไม่ห่างออกไปนักเข้ามาแล้วขอกล่องกระสุนของชายยานส่งไปให้พลานพื้นเมืองอาวุโสของเขาพร้อมกับสั่งเรียบๆว่าบุญคา แสดงการบรรจุเร็วปืนลูกซองให้เจ้านายท่านดูหน่อยสิเอาเต็มอัตาสึกเลยนะเอาแค่บรรจุเท่านั้นไม่ต้องยิงถือลูกปืนไว้ให้เต็มที่เท่าที่จะถือได้บรรจุแล้วก็หักกลำสลัดกระสุนออกสมมุติว่าเป็นปลอกที่ยิงแล้วแล้วก็บรรจุใหม่เหมือนตอนที่แกยิงกองทัพปริงเมื่อตะกี้นี้นะบุญคำยิ้มร่าจนเห็นเหงือกแดงครับรับกล่องลูกปืนมาเงียบๆคณะนายจ้างทั้งสามจ้องมองการเคลื่อนไหวของบุญคำเป็นตาเดียวอย่างสนเท่ พรานพื้นเมืองเปิดกล่องกระสุนออกขั้นแรกทีเดียวหักกลำปืนลูกซองเดียวออกยัดนัดหนึ่งเข้าไปในลำกล้องแล้วหักกลับเข้าที่จากนั้นก็เริ่มแสดงการถือลูกกระสุนสำหรับพร้อมที่จะบรรจุเริ่มด้วยมือซ้ายนัดแรกหนีบตอนท้ายกระสุนไว้ด้วยซอกระหว่างหัวแม่มือกับนิ้วชี้นัดที่สองที่สหนีบอยู่ในระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางในลักษณะที่เอาท้ายกระสุนหันเข้าหาฝ่ามือ และส่วนยาวของปลอกชี้ไปทางหลังมือซอกระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนางและนิ้วนางกับนิ้วก้อยอีกซอกละสองนัดแล้วชูแบให้คณะในจ้างเห็นนั่นแปลว่าในฝ่ามือด้านซ้ายสามารถคีปกระสุนอย่างเหนียวแน่นรัดกลุ่มไว้ได้ถึง7นัดท้ายกระสุนที่ใช้นิ้วทั้ง5้าขีบไว้นั้นอยู่ในระดับแบวนราบเสมอกับนิ้วไม่เป็นอุปสักอย่างใดตั้งสิ้นในการที่จะใช้ฝ่ามือด้านนั้นรองรับกระโจมมือ คณะในจ้างทุกคนพอมองเห็นชัดเช่นนั้นก็พากันครางออกมาเป็นเสียงเดียวอย่างอัศจรรย์ใจและไม่มีความรู้สึกในด้านค้านเลยในข้อที่ว่าเหตุใดมือข้างซ้ายนั้นจึงสามารถถือกระสุนได้มากถึงเพียงนั้นเข้าใจได้โดยไม่ต้องอธิบายอะไรอีกจากภาพที่เห็นชัดต่อไปบุญขามก็ใช้วิธีเดียวกันกับมือซ้ายอีกโดยเปลี่ยนมาเป็นมือขวา แต่สําหรับมือขวานี้จะขี่กระสุนเฉพาะช่องว่างของนิ้วระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วนางและนิ้วนางกับนิ้วกลางเท่านั้นได้อีกสนัดนิ้วชี้ปล่อยว่างไว้สําหรับเตรียมกระดิกไกส่วนนิ้วหัวแม่มือว่างไว้สําหรับคล่อมทับคอปืนในขณะที่ยิงต่อไปอีกก็คาบท้ายกระสุนไว้ในปากอีกสามนัดซึ่งรวมทั้งสิ้นแล้วเป็น14นัดคือมือซ้ายเจนัดมือขวาสี่นัด ในปากอีกสามนัดว้วเสียงคขคุณหนึ่งอุทานร่นออกมาดูเหมือนจะเป็นชายยนันเห็นไหมครับทั้งสิบสี่นัดของบุญคำ น, นี่พร้อมที่จะบรรจุลงรังเพลิงได้ทุกขณะโดยไม่ต้องเสียเวลาไปมัวควัวกกระเป๋าอยู่เลยเอาบุญคำคราวนี้สแสดงวิธีบรรจุสิบุญคำแสดงต่อไปแกยกปืนขึ้นประทับในลักษณะเตรียมยิงแล้วหักหางเหี่ยวอย่างรวดเร็ว สัดกระสุนในรังเพลิงที่สมมุติเป็นปลอกที่ยิงแล้วกระเด็นออกมาแล้วใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือของมือขวาหยิบรูปที่คาบไว้ในปากลูกหนึ่งยัดใส่เข้าไปอย่างรวดเร็วหักกรามกลับคืนทําทีเหมือนพร้อมที่จะยิงได้อีกแล้วก็หักการาสลัดกระสุนออกพรางหยิบนัดที่สองซึ่งคาบไว้ในปากบรรจุอีกต่อไปก็นัดที่สามพอหมดจากปากก็เริ่มหยิบจากที่คีบไว้ในมือซ้าย ทางซ่อมนิ้วก้อยกับนิ้วนางไล่เป็นลำดับไปจนกระทั่งหมดแล้วจึงถือรูปที่คีบไว้ทางมือขวาจนครบทั้ง14นัดตลอดการบรรจุและแสดงวิธียิงเต็มไปด้วยความคล่องแคล่วว่องไวอย่างยิง่งการบรรจุแต่ละนัดตามที่เช่ยาจับเวลามันกินเวลาเพียงสองวินาทีต่อหนึ่งนัดเท่านั้นไม่มีอะไรจะแสดงให้เห็นว่าเป็นอุปสรรคขัดข้องต่อการยิงเลย ทั้งทั้งที่เป็นปืนลูกซองเดี่ยวเสียได้ซ้ำไม่ใช่แฝดชัยยันกับดาลินตบมือกราวเชษฐถาเดินตรงเข้ามาส่งมือให้บุญคำจับเขย่าโดยแรงแล้วตรงเข้ามาจับมือพรานใหญ่บีบกระชับแน่นผมเพิ่งจะมานึกออกเอาเดี๋ยวนี้เองับพินพวกเรารอดตายกันมาได้เมื่อตะกี้นี้ก็เพราะวิธีการยิงปืนลูกซองอันมหาศย์ของคุณและผ่านของคุณอย่างนี้นี่เองถ้าไม่แสดงให้ดูชัดๆอย่างนี้ ก็ไม่มีทางจะเชื่อได้เลยตามที่ทำให้ดูนี่มันก็ง่ายดีหรอกแต่เห็นจะต้องฝึกฝนกันนานทีเดียวขอบคุณมากที่แนะนำให้เห็นคุณเป็นครูทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของป่าให้แก่พวกเราทุกคน 13.30 นขบวนเกวียนทั้งหมดก็พร้อมที่จะออกเดินทางต่อไปได้พรานใหญ่สั่งให้กรบกองไฟที่หุงหาอาหารจนดับสนิทแล้วก็เคลื่อนรุดหน้าทิ้งซากของไพรพล ทโมโณที่นอนตายอยู่กราดเกลื่อนนั้นไว้เบื้องหลังหนทางนั้นนำลาดต่ำลงสู่โตรกซึ่งเริ่มเห็นรอยเท้าช้างและกระถิงย่ำอยู่สับสนเปื้อไปหมดเพราะพื้นดินอันเปียกชื้นเป็นรอยใหม่ๆขณะที่เพิ่องจะผ่านไปเมื่อคือนนี้เองรับพินกับพรานของเขาเดินตรวจรอยเหล่านั้นไปอย่างใคร่ครวนระมัดระวังตลอดระยะทางที่ออกเดินผ่านไปอีกชั่วโมงเต็มๆป่าทั้งป่าเงียบสงัด ไม่มีวี่แววของสัตว์ชนิดใดผ่านไม้เห็นศักตัวแม้แต่จำพวกนกกำปนาดปืนที่ประทากตปริงนรกเมื่อชั่วโมงที่แล้วย่อมจะไล่สับพสัตว์ในละแวกใกล้เคียงให้สำเนียกภัยแล ะ, ะเตลิดออกนอกรัศมีหมดอย่างน้อยก็กินอนาบริเวณไม่น้อยกว่า5ตารางกิโลเมตรท้องฟ้าเริ่มจะสว่างขึ้นเล็กน้อยเมื่อผ่านโตรกออกสูปป่ป่าโปรงอีกครั้งฝนที่เป็นพยับปกคลุมอยู่บนไหลเขา บัด น, นี้คงย้ายไปตกหนักอยู่ในทิศทางเบื้องหน้าอันเป็นทิวขุนเขาใหญ่สลับซับซ้อนกั้นเป็นแนวทรมูนอยู่ทางด้านเหนือที่บ่ายหน้าไปเห็นริบริบผ่านทุ่งแฝกและทุ่งหญ้าที่กาลังแตกและบัดเป็นอาหารอย่างดีของพวกเก้งกวางตัดละเมอและป่าหนามพงดอไปอีกสองสามระยะแล้วก็ร่วงเข้าสู่ดงอีกครั้งระหว่างภูเขาเตี้ยๆที่แวดล้อมอยู่รอบด้าน คณะนายจ้างทั้งสามก็สังเกตเห็นพรานใหญ่ยืนดักรอขบวนเกวียนอยู่ริมทางจนกระทั่งเกวียนขันหน้าเคลื่อนเข้ามาถึงฉุกเฉินอะไรอีกหรือเปล่าผู้กองชั ย, ยันร้องถามลงไปอย่างยาวๆแล้วพินชี้มือลงไปที่พื้นดินบริเวณหนึ่งแทนคำตอบเช่วยวถากสหายของเขาเอกใจก็กระโดดผุ่งลงไปสมทบในบัตรนั้นพรานใหญ่คโบกมือให้ขบวนเกวียนทั้งหมดเดินรุดหน้าไปเป็นปกติ แต่ตนเองเดินแยกทางนำในจ้างทั้งสองตัดเข้าปากด่านตอนหนึ่งซึ่งมีรอยเท้าช้างหยิบย่ำหยุดกราดเกือนรอยเหล่านั้นนําขึ้นมาจากห้วยกว้างในระหว่างซอกขบเป็นรอยเก่าที่สายตาขนาดเชื่อถืหรือชัยยันก็พอจะ บ, บอกได้ว่าร่วงมาประมาณสองวันแล้วสังเกตจากมูลของมันที่ถ่ายทิ้ไงไว้เป็นหย่อมหย่อมพอเห็นกองมูลอันมีสีดําคล้ําผิดไปกว่ามูลช้างป่าธรรมดาทั่วไปเช่นนี้ นายจ้างทั้งสองก็หันมาจ้องตาพรานใหญ่มันเหรอเชิดถามเชิดถาถามแผ่วเชิดาถามแผ่วเบาระพินยิ้มเขาละครับไอตัวร้ายที่เรากำลังคิดถึงมันอยู่ผมนึกแล้วไม่ผิดว่าเราจะต้องได้ร่องรอยอะไรของมันบ้างในระหว่างเดินทางนี่เจกเข้าให้แล้วรู้สึกว่ามันจะล่วงหน้ามาก่อนเราสักสองสาวันแล้วหรื อ, อยังไง ชายันออกความเห็นพยายามสังเกตรอยเหล่านั้นอย่างละเอียดครับหลังจากลื้อแคมป์ฝรั่งพร้อมทั้งทลายหมู่บ้านกระเหลี่ยงที่ผาเยิงตามที่เราได้รับข่าววันซืนนี้แล้วไอ้ตัวการก็นำโคลงของมันบ่ายหน้าขึ้นเหนือผ่านทางนี้เราตามหลังมันสองวันสังเกตดูจากรอยเท้าเหล่านี้มีช้างลาบากรวมอยู่ในโครงของมันด้วยไม่น้อยกว่าสองสมตัว ถ้าไม่เกิดขึ้นจากตอนที่เรายิงพวกมันไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนก็คงจะเกิดจากมือฝรั่งเมื่อวานซื้ก่อนที่มันจะขยี้พวกเราพวกเขาเสียเรามีหวังจะตามทันมันเมื่อไหร่นี่คเนได้ยากหรือเกินครับจอมพรานตอบอย่างระมัดระวังแล้วหันไปสังเกตดูต้นไม้เล็กที่ถูกหักราบเป็นทางอย่างริมปากห้วยตอนหนึ่งร่องรอยแสดงให้เห็นชัดว่าโขงไอแวงมาหยุดพัก หากินอยู่ในบริเวณ น, นี้ก่อนที่จะออกเดินทางต่อมันผ่านที่นี่มาแล้วสองวันก็จริงแต่ก็ยังทายใจมันไม่ถูกว่ามันจะดักรอเราอยู่ที่ไหนอาจในละแวกใกล้เคียงข้างหน้านี่หรืออาจรุดหน้าไปไกลริฟแต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่ามันบ่ายหน้าขึ้นป่าหวายตามที่บอกไว้แล้วแต่แรกถ้าเราไม่ไปจันร์มันก่อนหน้านี้เราก็ต้องพบมันแถวแถวป่าหวายแน่นอน ตามปกตินิสัยของช้างป่าจะไม่ป้วนเปี้ยนอยู่ในถิ่นที่มันหากินผ่านไปแล้วนานนักไม่ใช่หรือนอกจากจะรุดหน้าไปเรื่อยตามเส้นทางของมันหัวหน้าคณะเดินทางเปลยขึ้นถ้าช้างป่าอื่นๆทั่วไปก็มักจะเป็นอย่างนั้นครับแต่สำหรับช้างเจ้าเร่แสนโกลนอย่างไอ้แหวงเอาแน่กับมันไม่ได้ผมคิดว่าทางที่ดีเราผินหยุดเว้นระยะ ลีตาอันคมกรีบลงขณะที่มองจับไปยังร่องรอยเหล่านั้นอีกมือหนึ่งยกมือขึ้นรูปคางเขียวครื้นไปด้วยคราวอาการของเขาเหมือนจะมีการรังเลใจอะไรสักอย่างหนึ่งเชษฐาก็ถามโดยเร็วว่าว่าไปซิคุณคิดยังไงหรือ <S <S ผมกับบุญคำอยากจะลองติดรอยมันเป็นการสํารวจร่วงหน้าดูก่อนครับจะช่วยให้เรารู้ได้แน่ชัดว่ามันบ่ายหน้าไปทางไหนแน่ หยุดพักอยู่ที่ไหนบ้างอ่านใจอ่านความคิดของมันไปด้วยแปลว่าคุณจะแยกทางกับขบวนเกวียนของเรางั้นหรือพรานใหญ่ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูขณะนั้นมันเป็นเวลาบ่ายสองโมงเศษครับแต่ก็ช่วยระยะเวลาไม่เกินสี่ห้าชั่วโมงเท่านั้นกองเกวียนทั้งหมดจะเดินไปในเส้นทางปกติส่วนผมกับบุญคจะแยกตามรอยมัน แต่ถึงอย่างไรผมกับบุญคาก็จะต้องไปดักสมทบยังตําแหน่งที่เราจะต้องตั้งแคมป์พักแรมคืนนี้ดีไม่ดีผมอาจไปดักหน้ารอคอยอยู่ก่อนแล้วก็ได้เพราะตัดทางได้เร็วกว่าเกวียนผมจะข้ามเขาใหญ่ที่เห็นอยู่โน่นติดรอยของมันขึ้นไปพอลงจากเขาก็จะถึงตําแหน่งที่หมายเราจะตั้งแคมป์พอดีเกวียนทั้งหมดตามขึ้นไปบนเขาไม่ได้ต้องอ้อมภายหลังจับมองดูตา ก, กันเองนิ่งคิดใคร้กวรอยู่อึดใจหนึ่ง ชายยันก็ถามขึ้นว่าคุณไม่คิดที่จะให้พวกเราร่วมทางไปกับคุณด้วยหรอกหรือโดยปล่อยให้เกวียนทั้งหมดเดินทางกันไปเองรอเราที่จุดนัดพบค่ำนี้แล้วพินยิ้มน้อยๆมองดูสองชายผู้อยู่ในฐานะนายจ้างด้วยประกายตาอ่อนโยนและคารวะผมคิดว่าอย่าดีกว่าครับมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกในการที่จะมาเดินกับผมเหนื่อยแรงเปล่าผมเรียนน้ ว, ว่าผมต้องการเพียงแค่สารวจ หรืออีกในหนึ่งอ่านทิศทางของมันไว้ก่อนเท่านั้นเชื่อว่าคงจะยังเข้าไม่ถึงตัวโอกาสข้างหน้ายังมีอยู่อีกมากนักบางทีเมื่อไปพบกันอีกครั้งในค่ำวันนี้ผมอาจบอกได้ทันทีว่าเราจะพบมันได้ที่ไหนเมื่อไหร่ระหว่างนี้คุณชายกับชายยานสงบอกสงบใจพักผ่อนไปกับขบวนเกวียนดีกว่าเพราะถึงออกตามกับผมในวันนี้ก็ไม่พบตัวหัวหน้าคณะเดินทางตบไหล่เพื่อนของเขาเบาๆ พยักหน้าบอกว่าเชื่อละพินดีกว่าฉันก็เห็นด้วยตามที่เขาว่ามานี่แล้วผานแล้วหันมาทางพรานใหญ่เป็นอันตกลงควรจะแยกสำรวจรอยไปตามลำพังก่อนก็เอาดีเหมือนกันพวกเราจะไปรอฟังข่าวข้ามนี้ละพินนำนายจ้างทั้งสองออกเดินเาะลัดตัดทางมาโผล่สกัดอยู่เบื้องหน้าของขบวนเกวียนที่ปล่อยให้เดินกันมาก่อน ซึ่งขณะ น, นี้หม่อมราชวงศ์หญิงดาลินนั่งกระสับกระส่ายเดี่ยวซ้ายแลขวากวาดตาหาพี่ชายกับเพื่อนหนุ่มอยู่เพราะเห็นแต่เพียงทั้งสองฉ่วยปืนกระโดดตามหลังพรานใหญ่หายเข้าป่าริมทางไปเฉยๆโดยไม่รู้สาเหตุแต่พอเหลือบไปเห็นทั้งสามโผล่ออกมายืนดักอยู่เบื้องหน้าก็ถอนใจโล่งอกจอมพรานทำสัญญาณให้หยุดเกวียนลงชั่วคราวอีกครั้งเรียกพรานของเขาเข้ามาประชุมสั่งการนัดแนะและแจ้งความประสงค์ให้ทราบ เพียงไม่กี่อึดใจพวกนั้นก็สามารถเข้าใจโดยตลอดจันท์เกิดและเสยจะทําหน้าที่ควบคุมขบวนเกวียนทั้งหมดแทนเขาในระหว่างที่เขาแยกทางไปและจันทรจะเป็นผู้นําทางไปยังตําแหน่งที่หมายนัดแนะส่วนทางด้านคณะนายจ้างเมื่อเชิดากับชายยันกลับมาถึงเกวียนดาลินก็ได้รับการบอกเล่าให้รู้เรื่องสั่งงานกับคนของเขาเสร็จและวพินก็เดินตรงเข้ามาที่คณะนายจ้างทั้งสามยังเกวียนคันหน้า เรียบร้อยครับเราจะแยกกันที่นี่เลยเดี๋ยวก่อนนายพานดาดินร้องท้วงมาเสียงต่ําๆสายตาจับนิ่งมาที่ใบหน้าพรานใหญ่ด้วยเปลืกกายตาอึดอัดกังวลอย่างประหลาดรู้สึกใจหายอย่างไรพิกลที่ขบวนเกวียนซึ่งจะเดินทางต่อไปนี้ขาดกระพินเสืคนหนึ่งทั้งๆที่ก็เป็นการแยกทางเพียงชั่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นตาสุบตาลิมฝีปากพายใต้หนวดคาวอันครึม ครึ่งเฮียมครึ่งอ่อนโยนนั้นก็ยิ้มให้น้อยๆพร้อมกับก้มศรีศรษะมีอะไรหรือครับคุณหญิงล่าจัสะกุลสาวสวยยิ้มเฉื่อยๆคุณยังไม่ได้บอกให้เรารู้เลยว่าจะไปพบกันที่ไหนตำแหน่งนั้นเรียกว่าโป่งน้ำร้อนครับพลานของผมทั้งสาคนชํานาญทางดีและได้รับคำสั่งจากผมเรียบร้อยแล้วเขาจะนาคณะของคุณหญิงไปถึงและตั้งแคมป์ที่น่านราวหกโมงเย็น แล้วคุณจะไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่บอกเวลาแน่นอนไม่ได้หรอกครับอาจไปคอยอยู่ก่อนแล้วก็ได้หรืออาจไปถึงทีหลังช้าหรือเร็วก็เห็นจะไม่เกินชั่วโมงมาแล้วแต่เหตุการณ์เอาเวลาตรงๆให้แน่นอนหน่อยไม่ได้เหรอหล่อนพูดอ่อยๆพรานใหญ่หัวเราะโท่การนัดพบในป่านะครับไม่ใช่ในเมืองถึงแม้ในเมืองเองก็ตามเถอะบางทีเวลามันยังอาจคาดเคลื่อนไปได้บ้าง เป็นต้นว่าการจราจรติดขัดเอาเป็นว่าผมจะพยายามไปให้ถึงที่นัดหมายโดยเร็วที่สุดก็แล้วกันขอคำชับหน่อยไม่ใช่ว่าคุณให้พวกเราคอยคุณเกอร์อยู่ตลอดทั้งคืนนี้โดยไม่โผลมาให้เห็นหน้าหญิงสาวคาดคั้นกลัวผมจะหนีไปเสียงั้นหรือครับไม่ใช่อย่างนั้นหรอกว่าได้หรอคุณนะคนป่าอยู่แล้วในป่าที่ไหนที่ไหนคุณก็นอนได้โดยไม่อาร ประเดี๋ยวเกิดติดรอยไอแหวงกับชั้นชิดเข้าไปไม่อยากจะทิ้งเสียตามรื้อเข้าไปเป็นลำดับเพราะกำลังเข้าได้เข้าเข็มคุณก็ข้ามวันข้ามคืนทิ้งให้พวกเราคอยเติ่นกันอยู่ที่โป่งน้ำร้อนนั่นเองโดยไม่รู้ข่าวาวบอกตรงๆว่าเราไม่ต้องการให้คุณทิ้งพวกเราไปนานนะักระเพียนก้มศีรษะให้หนายจ้างสาวอีกครั้งยิ้มพรายรับรองครับผมรักษาคามั่นสัญญาเสมอ ถ้าภายในคืนนี้ผมยังไปไม่ถึงแคมป์ที่โป่งน้ำร้อนก็แปลว่าไม่มีระพินภัยวันอยู่ในโรคนี้อีกต่อไปแล้วพอพรุ่งนี้เช้าก็เดินทางกลับหนองน้ำแห้งหาพรานนำทางคนใหม่ได้เลยถ้ายังต้องการจะไปให้ถึงเทือขาวพระศิวะตามเจตนาเดิมน้อยนี่มัวแต่วิตกวิจารอะไรอยู่ก็ไม่รู้ระพินไปถึงที่นัดพบเองแหละหน้ากังวลไม่เข้าเรื่องพี่ชายว่าต้องกังวลสิคะ เป็นธรรมดาหรือเกินอยู่ไม่อยู่ก็จะแยกทางไปเสีเงั้ยแหละทิ้งให้พวกเราไปกันเองตามลาพังทางนี้เกิดอะไรขึ้นใครจะรับผิดชอบการที่เราตกลงใจจ้างเขานำทางมาก็แปลอยู่ชา้าช้าเราว่าฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับเขาน้องสาวเถียงหันไปค้อนพี่ชายแล้วบ่นอะไรต่อไปอุบอิบในรำคอเช่ถาาไม่สนใจที่จะต่อร้อต่อเถียงอะไรอีก หยิบจ4 5 8แมกนัมกระบอกหนึ่งส่งไปให้พรานใหญ่ถ้าลงคิดจะสํารวจรอยอ้แหว่งแล้วก็เอาไอ้นี่ไปดีกว่าคุณพอจะใช้มันได้เชื่องดีไม่ใช่หรือเก็บจุด3 7 5ของคุณเสียเถอะเขาไม่อยากจะเป็นเศษความหวังดีของเชษฐาจึงรับไรเฟิลกระบอกนั้นมาพร้อมกับกระสุนสํารองอีก10นัดใส่กระเป๋าเสื้อไว้ส่วนจุด3 7 5คู่มือของตนเองส่งต่อไปให้บุญคํา แล้วถอยหลบเข้าดินมทางทำสัญญาณให้ขบวนเกวียนออกเดินทางพรางแตะปีกหมวกส่งคารวะกึ่งอัมรามายังคณะในจ้างของเขากรุณาอย่ายิงปืนโดยไม่จำเป็นนะครับไม่งั้นผมจะเกิดสับสนเดาไม่ถูกว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละครับพบกันใหม่ที่โป่งน้ำร้อนเช่ดฐานและชายยันโบกมือตอบเขาโชคดีนะพินเราจะไปรอฟังข่าวคุณอยู่ที่นั่น จันเดินนำขบวนเกวียนไปเบื้องหน้าโดยทำหน้าที่แทนพรานใหญ่และพินกับบุญคำยืนเบี่ยงหลบทางจนกระทั่งเกวียนคันสุดท้ายเคลื่อนผ่านพ้นไปเมื่อมองไปยังเกวียนคันหน้าอันเป็นเกวียนของคณะนายจ้างเชษฐาและชายยันเข้าไปนั่งอยู่ภายใต้หลังคาเกวียนหมดแล้วเห็นแต่เพียงหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินวราฤทธิ์ยืนอยู่บนแอกหน้าหันกลับมามองดูเขากับบุญคำคนเดียวเงียบ จอมพรานหัวเราะออกมาเบาๆกับตนเองถอดหมวกออกโบกให้แพทยสาวคนสวยคู่ปรับสําคัญของเขาไม่ได้โบกตอบแต่ยืนกอดอกส่งสายตาจับนิ่งมาที่เขาเช่นนั้นจูบกระทั่งเกวียนของหล่อนลับดงไปเมื่อขบวนเกวียนรับตาไปแล้วพรานใหญ่ก็หันมาพยักหน้ากับคนคู่ใจของเขาชวนกันแยกเข้าริมทางไปอย่างรวดเร็วย้อนไปที่ป่ากค้วยตรงตําแหน่งที่คนพบรอยของโครุ้ไอ้แหวง่ง แล้วก็เริ่มต้นเก็บรอยไปด้วยความชำนาญโดยไม่ต้องมามัวคอยกังวลถึงกันและกันอยู่เพราะรู้มือกันดีแล้วตะวันรับเหลี่ยมเขาตั้งแต่5้าโมงครึ่งพอ6โมงเศษเล็กน้อยก็แทบจะเรียกได้ว่ามืดสนิทขบวนเกวียนภายใต้การนำของจันท์ซึ่งทำหน้าที่แทนพรานใหญ่ชั่วคราวก็เดินทางมาถึงก้นกระทะตอนหนึ่งล้อมไปด้วยขารอบด้านและหยุดพักตั้งแคมป์ขึ้น เสียงนกว่าร้องโหยหวนดังแวววมาจากยอดไม้สูงโดยไม่เห็นตัวและฝูงข้างดำแตกตื่นกรูเกลียวอยู่บนปลายยอดกลางใหญ่ณที่นี้อากาศชื้นแฉะพื้นดินปนหินเปียกชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำแสดงว่าฝนตกหนักก่อนหน้าที่ขบวนเกวียนจะเดินมาถึงลำห้วยลึกมีน้ำขุ่นคลากสีแดงครัำเพราะชะดินภูเขาลงมาไหลเชี่ยวกราเดิมคงจะเป็นลาห้วยแห้ง เพิ่งจะเป็นทางน้ำไหลพระฝนเมื่อบ่ายนี้เองค่ายพักถูกปลูกสร้างกันขึ้นอย่างรวดเร็วเหนือรําห้วยนี้จันแน่ใจหรือว่าที่นี่เป็นที่ซึ่งผานใหญ่นัดไว้เชฐาถามในระหว่างที่พวกลูกหาบกำลังสารวนปลดเกลียนขึงกระโจมเพราะไม่เห็นวี่แววร่องรอยของรพินกับบุญคำโผล่มาให้เห็นตามที่เขาบอกไว้ไม่ผิดหรอกครับเจ้านายจันตอบเสียงเนอเนด้วยลิ้นบ้านป่า คณะในจ้างทั้งสามกว่าสายตาสำรวจดูชายภูมิรอบด้านมีความรู้สึกตรงกันหมดในข้อที่ว่าดงแถบนี้มันน่ากลิ่นเกรงและแวงภายเสียยิ่งกว่าโป่งกระทิงที่ถอนแคมมาเสียอีกตรงกับที่พรานใหญ่ได้บอกไว้ร่วงหน้าไม่มีผิดป่าจะยิ่งทึบและสูงขึ้นทุกขณะการเดินทางก็จะเริ่มลำบากธุร ก, ก, กันดารขึ้นเป็นเงาตามตัวระหว่างโพรเพเข้าได้เข้าไฟ นอกจากพวกจักจั่นเละลายที่ร้องแซ่อยู่ระงมดงแล้วสารพัดสำเนียงของสัตว์จำพวกนกและพวกเล้ยคานต่างๆดังมาให้ได้ยินในลักษณะแปลกๆซึ่งแต่ละคนไม่เคยได้ยินมาก่อนมันวังเวงสถานเยือกอย่างไรบอกไม่ถูกระหว่างการตั้งแคมป์พวกลูกหาบช่วยกันตีตะขาบได้สองตัวแต่ละตัวเมื่อเชิฐาดาลินและชายยันเห็นก็แทบจะขนหัวลุกมันใหญ่ขนาดสามนิ้ว ยาวเกืบสอกลุยออกมาจากโพรงหินตอนหนึ่งใกล้ๆกับบริเวณที่จะขึงเต็นท์พวกนั้นพอสำเร็จโทษได้แทนที่จะทิ้งกับตัดเขี้ยวออกและเตรียมก่อไฟย่างกินกันเป็นที่สนุกสนานดาลินเห็นข้าวก็แทบอาเจียนเดี๋ยว <"De ep. S 2> คอยดูสิพอถูกย่างไฟข้าวกลิ่นไม่ผิดอะไรกับกุ้งเผาเชษฐาผู้จะพอชนานาญป่าเนือกว่าทุกคนในคณะอธิบาย อย่างนี้ยังไงล่ะที่เขาเรียกว่ากุ้งบกกินเข้าไปได้ไม่เบื่อเมาหรอกเลอโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นสัตว์มีพิษน้องสาวถามทำหน้าขยะขยงพิษของตะขาบอยู่ที่เคี่ยวสองอันเท่านั้นเมื่อตัดเคี่ยวออกแล้วก็เท่ากับเอาพิษออกมันไม่มีฤทธิ์อะไรเหลืออยู่อีกส่วนเนื้อของมันก็เป็นเนื้อเหมือนกุ้งธรรมดานี่เองไม่เบื่อเมาอะไรเลย พวกชาวป่าก็าชอบกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ถือกันว่าเป็นยาแก้โรคตานขโมยของเด็กได้ชะงัดนักถ้าจะวินิจฉัยกันในแง่ของวิชาแพทย์ก็อาจเป็นได้ในข้อที่ว่าเนื้อของตะขาเป็นยาถ่ายปยาธิทุกชนิดได้อย่างดีกระมังพวกนี้นี่ ห, หือเกินกินกันไม่เลือกสักอย่างดารินบนถ้าเขาพิถีพิถันกันในการกินพวกเขาก็อยู่ในป่าไม่ได้ธรรมชาติสอนเขาไว้อย่างนั้น และ ว, ว่าอันที่จริงจะว่าพวกนี้โง่ก็ไม่ได้ตรงข้ามเสียอีกเขาฉลาดในการหาของกินที่สุดสิ่งไหนที่มันกินเข้าไปแล้วเป็นอันตรายเขาก็รู้และจะไม่แตะต้องเป็นอันขาดพวกเราชาวกรุงเสียอีกเวลาเดินป่าและอดอยากเขาตาจนจริงๆเราก็ยังไม่สามารถจะรู้ได้ว่าอะไรควรจะกินได้อะไรเป็นพิษเป็นภัยสว่าปามส่งเดชเข้าไปบางทีก็ถึงชีวิตเหมือนกันอะไรก็ช่างเถอะ ชายันห่อไหรลรงอย่างสยดสยองขณะที่จ้องดูซากตะขาบสองตัวนั่นซึ่งพวกรูปขาบกำลังเตรียมก่อไฟอย่างเห็นในสองตัวนี้แล้วทำให้ฉันอดคิดไปถึงตะขาบตัวเท่าฝากระดานเรือนที่แง่ายเล่าเสียไม่ได้ถ้ามันจะเข้าเขาเสร็จแล้วแฮะมากันเพียงแค่นี้ก็เห็นตะขาบตัวเบลอรถึงขนาดนี้แล้วเกิดมาไม่เคยเห็นตัวยาวต้องฟุตกว่าถ้าลึกเข้าไปกว่านั้น มันก็น่าจะโตขึ้นเรื่อยขนาดไอ้สองตัวนี้ถ้ากัดไข่ข้าก็สงสัยว่าชักดิ้นชักงอไปเลยอันเนื่องมาจากดงเปียกชุ่มไปหมดเพราะฝนการก่อไฟตามธรรมชาติย่อมจะขลุกขลักอยู่บ้างเช่ถ้ายขนเอาเตาน้ำมันก๊าซที่เตรียมมาขึ้นมาติดเพื่อหุงหาอาหารเกิดเกณฑ์พวกลูกหาไปหาไม้ขอนแห้งที่พอจะเป็นเชื้อติดไฟได้และ ตัดกิ่งไม้สดอันขนาดท่อนแขนมาสำรองไว้เพื่อติดเป็นไฟผิงสำหรับคืนนี้การก่อไฟโดยใช้ฟืนสดไม่เป็นอุปสรรคอะไรมากนะักตราบเท่าที่มีน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสื่อร่อความหนาวเย็นของที่นี่ไม่ต้องพูดถึงพอหมดแสงตะวันคณะในจ้างทุกคนก็ต้องอยู่ในชุดกันหนาวกันทันทีเพราะความสถานเยืกจับคู่หัวใจ จันกับเสยทำพิธีตามคติของพรานป่าอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นที่เต็นท์ของนายจ้างปักธูปสี่ดอกไว้ยังเสาขึงสายเต็นท์สี่ด้านแล้วก็งัดเอารากไม้ชนิดหนึ่งมาทุบโรยไว้รอบบริเวณเต็นท์ด้านนอกสำหรับรากไม้ที่ทุบโรยทุกคนพอจะเข้าใจได้ดีว่าเป็นการป้องกันพวกสัตว์เลือ้อยคานมีพิษทั้งหลายไม่ให้กล้ำกลายลุกล้าเข้ามาเพราะเคยเห็นตั้งแต่ตอนตั้งแคมป์อยู่ที่ป่าโป่งกระทิงแล้ว ทั้งเกิดจัน์และเสยแม้กระทั่งแงซายไม่มีใครแสดงอาการอนาทรร้อนใจอย่างใดที่ไม่เห็นระพินกับบุญคำโผมาทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นปกติผิดกับนายจ้างทั้งสามที่เริ่มจะ ก, กระซับกระสายขึ้นเป็นลำดับตามเวลาที่ผ่านไปสำหรับเชษฐากับชัยยันแม้จะรู้สึกกังวลเช่นไรก็เก็บไว้ภายในไม่แสดงอะไรออกมานอกจากตรวจเวลาอยู่บ่อยครั้ง ส่วนดาลินบ่นอยู่ตลอดเวลาพอทุ่มเศษพวกพรานและลูกหาบทั้งหมดก็กินอาหารกันเสร็จเรียบร้อยและเริ่มสุมไฟผิงเรียงรายรอบบริเวณแคมป์นายจ้างทั้งสามดื่มบรันดีสนทนากันอยู่ในเต็นต์ยังไม่มีใครรับประทานอาหารขําเพรารอคอยพรานใหญ่อยู่ด้วยความหวังว่าเขาคงจะมาถึงก่อนสองทุ่มสองทุ่มตรงยังไม่มีวี่แววว่าพรานใหญ่กับบุญคําจะโผล่มา พูดไม่เป็นพูดตะพานคนนี้ไปทลายอยู่เสียที่ไหนก็ไม่รู้ปล่อยพวกเราคอยอาหารเย็นอยู่นี้เองดาลินลุกขึ้นยืนบ่นออกมาดังๆขงมวดคิ้วไม่ต้องมัวพะวงอยู่หรอกหน้าเราหิวเราก็กินกันก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเขาก็มาเองแหละชายยันร้องออกมาดาลินเดินไปแแบบประตูกระจมพักมองออกไปข้างนอกแล้วให้แง่าสายไปตามพรานพื้นเมืองทั้งสเข้ามาพบในกระโจม เกิดจันและเสยเดินเรียงแถวกันเข้ามานั่งยองๆอยู่เบื้องหน้าของนายจ้างทั้งสามทำไมพรานใหญ่ยังไม่มาถึงอีกหญิงสาวตั้งคำถามทั้งสามหันมามองดูตากันแล้วหัวเราะแฮะๆเกิดเป็นคนตอบว่าพวกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคงตามรอยห่างออกไปไกลแล้วยังเดินมาไม่ถึงที่นี่ก็ได้ เขานัดที่หมายตั้งแคมป์ของเราไว้แน่นอนหรือว่าจะต้องมาพบกันที่นี่โดยไม่ต้องไปเสียเวลาค้นหาอยู่แน่ครับเหนือรำห้วยลิมผาใหญ่นี่ไม่ผิดที่ไปหรอกจันในฐานะเป็นคนสั่งตั้งแคมป์ช่วยตอบมาพร้อมกับหัวเราะพรานใหญ่เคยหลงบ้างหรือเปล่าคาถามของดารินอันสอถึงความคลางแคลงเต็มที่ไม่เพียงแต่พวกพรานทั้งสาจะพา ก, กันหัวเราะเท่านั้น แม้เชิดฐาและชายยานก็พลอยหัวเราะออกมาด้วยสำหรับแถบนี้ทั้งหมดต่อให้พ่านใหญ่ตาบอดหมดทั้งสองข้างก็ไม่มีวันหลงหรอกครับนายหญิงอย่าว่าแต่ที่นัดที่หมายไว้ที่แน่นอนแล้วเลยบ่เพียงตำแหน่งกว้างๆ ว, ว่าจะไปที่ใดเขาก็ตามพบวันอย่างข้าเรื่องหลงหรือตามผิดที่ไม่ต้องห่วงหรอกครับเสยพูดยิ้มๆถามโง่ๆไปได้น้อยก็ บอกแงาซายให้เอาข้าวมากินกันดีกว่าสองทุ่มกว่าแล้วแล้วพินอาจมาถึงตอนดึกก็ได้เขาก็บอกล่วงหน้าแล้วว่าอาจช้าไปบ้างแล้วแต่เหตุการณ์ชัยยันตัดบทมาในที่สุดทั้งสามเริ่มต้นรับประทานอาหารค่ําโดยเชิฐาสั่งให้พรานทั้งสานั่งอยู่ในกระโจมพักด้วยเพื่อสอบซักสนทนาในระหว่างรับประทานจันทร์รายงานให้ทราบถึงการจัดตั้งแคมป์ที่ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยทุกประการไม่มีอะไรบกพ่อง เพียงแต่ปารกให้คณะนายจ้างทราบว่าเกรงคืนนี้ฝนอาจเทนหนักและทุกคนจะลำบากซึ่งก็เตรียมการไว้แล้วโดยเอาผ้าพลาสติกมุงหลังคาเกลียนทุกเล่มสำหรับให้พวกลูกหาอาศัยขึ้นไปนอนแทนที่จะให้นอนกับพื้นเหมือนเช่นทุกคืนระวังสัมภาระข้าวของจำเป็นของเราด้วยอย่าให้เปียกฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกข้าวสารเกลือเห็นท่าไม่ดีเคลื่อนย้ายเข้ามาไว้ในเต็นท์นี้ก็ได้ ในนี้มีที่กว้างขวางพอเวลาฝนตกหนักเข้าจริงๆถ้านอนกันบนเกวียนไม่พอก็ขยับขยายเขามานอนรวมกันในเต้นนี่บ้างก็ได้หัวหน้าคณะเดินทางสั่งอะไรก็ช่างเถอะถ้าฝนตกหนักเรื่องก่อไฟจะว่าอย่างไรงมิดับหมดเหรอการก่อไฟก็ยากหน่อยครับถ้าฝนเทไม่หยุดจันบออย่างหนักใจแต่ก็คงไม่เหลือบา ก, กว่าแรงนะ เราจะไม่ก่อไฟเรียงรายล้อมรอบปางพักทุกด้านเหมือนเช่นทุกครั้งแต่จะก่อรวมกันเป็นกองไฟกองใหญ่อยู่ตรงกลางแบบที่เรียกกันว่าไฟสายฝนพวกผมเตรียมไว้แล้วถ้าฝนตกเป็นยังไงกันไฟสายฝนดาลินสงสัยเลิกคิ้วสูงไฟสายฝนก็คือกองไฟที่ก่อขึ้นในขณะที่มีฝนตกพื้นดินแฉะมากหรือมีน้ำเจิ่งครับเราจะใช้ผ้าใบขึงก้านเป็นหลังคากันฝนไว้ ใช้ขอนไม้ใหญ่ๆวางเรียงแทนพื้นให้พ้นจากระดับดินแฉะหรือที่มีน้ำเจิ่งสูงขึ้นมาแล้วก่อเป็นกองไฟอยู่บนพื้นขอนไม้นั้นพอจะใช้ผิงและให้ความสว่างได้บ้างดีกว่าจะไม่มีกองไฟเสียเลยผมกะไว้ว่าจะก่อไว้หน้ากระโจมของเจ้านายเพราะ อ, อยู่ใต้ต้ไม้ใหญ่แล้วก็ชิดหน้าผาเป็นกําบังลมดีไฟกองเดียวมันจะพอหรือสําหรับพวกเราทุกคนเช่นหมายถึงความปลอดภัยจากสัตว์ร้าย เกิดหัวเราะจุดบุหรีใบจางสูบนอนในป่าไฟกองเดียวก็พอถมฐานไปแล้วครับแต่ถ้าก่อได้สะดวกสะดวกในเวลาปกติที่ไม่เปียกฝนเราก็ก่อไว้มากๆให้อุ่นใจอย่างนั้นเองถึงอย่างไรพวกผมก็อยู่ยามระวังการเป็นพิเศษอยู่แล้วสำหรับทุกคืนต่อไปนี้ฝนเทใหญ่แน่หรือคืนนี้น่ากลัวครับพวกมดขนไข่กันเป็นทานเป็นการใหญ่ แมลงต่างๆวิ่งพร่านหาที่หลบบนต้นไม้กันหมดแถวนี้กับโป่งกระทิงที่เราย้ายกันมาเป็นยังไงบ้างอันตรายที่ไหนจะมากกว่ากันเชี่าชวนพวกนั้นคุยมาบ้างพวกพรานพื้นเมืองหันมองหน้ากันอีกครั้งแล้วยิ้มยิ้มจั์ผู้ขณะนี้อยู่ในฐานะหัวหน้าของทุกคนก็ตอบว่าเรายิ่งไปมันก็ยิ่งลึกขึ้นทุกทีนะครับเจ้านายป่าเมื่อยิ่งลึกมันก็ยิ่งมีสัตว์ใหญ่มากขึ้นไปเรื่อยๆ อันตรายอย่างอื่นอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับไอ้ผีขโมดดงไม่รู้มันจะมาอีกหรือเปล่าคืนนี้ไอ้ผีขโมดหรือผีอัปปีอะไรนั่นขอให้พวกเราอย่าหลับกันเสียหมดเท่านั้นและขอให้มันมาคืนนี้อีกเถอะเป็นได้เห็นการชัดออกไปแล้วว่ามันคืออะไรแน่ชายยันพูดพร้องออกมาด้วยเสียงเห่าๆพลางหัวเราะยังไม่หวัน่นว่าแต่แถวนี้มีอะไรชุมบ้าง ถ้าไม่นับสัตว์เล็กกับช้างแล้วแล้วก็หมีชุมที่สุดครับถ้ามากันน้อยคนมันชอบย่องเข้ามาเยี่ยมที่ปางพักเสมอ <ๆ S 1> เผลอๆก็ชอบขบขมองในเวลานอนหลับลากกอกไปลุงของผมมาตายเพราะหมีที่โป่งน้ำร้อนนี่เมื่อแปดปีมาแล้วก่อนที่คุณพระพินจะมาบุกเบิกแถวนี้คณะไหนจ้างทั้งสามฟังอยู่ด้วยความสนใจต่างซักมาโดยเร็วเลอลุงของนายจานเป็นพานหรือเปล่า พรานเก่าทีเดียวครับแล้วแกถูกหมีเล่นงานเอาถึงตายยังไงกันไหนลองเล่าให้ละเอียดสิแกมานอนอยู่แถวแถวนี้แหละครับมากับเพื่อนสองคนมีปืนแก๊ปคนล็อกกระบอกพอตกดึกไอ้หมีควายตัวใหญ่ตัวหนึ่งก็ย่องเข้ามาตรงที่แกนอนแกตื่นขึ้นพราได้ยินเสียงฉวยปืนไม่ทันเพราะมันเข้าถึงตัวเสร็จแล้วแกจึงเอาหอกที่อยู่ ใ, ใกล้ๆมือแทงสวนทะลุเข้าไปในหน้าอกแล้วยันไว้ ไอหมีวร้ายทั้งๆ ท, ท, ที่ถูกห อ, อกเสียบแน่นมันก็เดินรุดหน้าโดยไม่ยอมถอยสาวด้ามห อ, อกตรงเข้ามาห อ, อกก็เสียบทะลุมันจนเลยออกข้างหลังแต่มันก็เอื้อมถึงลุงผมที่กําลังถือห อ, อกยันอยู่พอดีตบแกหนังหัวเปิดล้มลงดิ้นพอดีกับเพื่อนที่มาด้วยได้สติเอาปืนยิงมันคว่ําลงแกมาตายที่หมู่บ้านเพราะพิชรสี่หลังจากนั้นอีกห้าวันโอ้โหชา ย, ยันคลางลัานออกมาลืมตาพง ขนาดแทงด้วยหอกเสียบอกมันยังสวนหอกเข้ามาตบเอาได้อีกหรือครับเล่นกับมันไม่ได้หรอกไอ้พวกหมีควายมันร้ายนักยิ่งเจ็บมันยิ่งดันจริงของนายจันเชษฐาหันไปบอกกับสหายของเขาขึ้มๆเป็นการสนับสนุนเรื่องที่เล่าฉันเคยได้ยินพานเก่าๆสอนมานักเกี่ยวกับเรื่องไอ้หมีควายนี่มันทั้งทระหดทั้งอมหิโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาเจ็บ แต่ขนาดถูกแทงทะลุอกแล้วยังสาวห่อเข้ามาตบคนแทงได้อีกมันก็เหลือเกินล้วค่ะพี่ใหญ่ดาลินพูดอย่างสยดสยองไม่อยากเชื่อพี่ชายพยักหน้ารับด้วยเสียงหนักแน่นว่าจริงๆน้อยมันเป็นไปได้ทีเดียวพี่ไม่ได้ยินจากนายจัน์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรอกแต่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องทํานองนี้มาหลายครั้งแล้วจันทไม่โกหกหรอกถ้างั้นคืนนี้ก็ต้องระวังกันเป็นพิเศษทีเดียว ไม่เพียงแต่เจ้าผีขโมดอะไรนั่นเท่านั้นยังให้พวกหมีอีกตรวจเวรยามกันให้ดีนะอย่าให้หลับเหมือนเมื่อคืนนี้เป็นอันขาดเราไม่ต้องการให้พวกเราคนใดนอนตัวแข็งทื่อเพราะถูกดูดเลือดซ้ำอีกเท่าเท่ากับที่ไม่ต้องการให้หมีปอกหนังกะโหลกหัวของใครแล้วเสือละ่ะชา ย, ยันถามมาอีกเสือมีอยู่ทั่วไปหนะครับนับตั้งแต่เราออกเดินทางมาจากหนองน้ําแหง้งเพียงแต่จะชุมหรือไม่ชุมเท่านั้น ที่นี่หมีมันเป็นเจ้าคลองอยู่เจ้าพวกเสือก็ถอยเหมือนกันแล้วทำไมดงแถบนี้ถึงกลายเป็นทิ่นหมีไปโดยเฉพาะละ่ะอาหารโปรดของมันมากครับนายหญิงดงแถวนี้เต็มไปด้วยหลุมพีทุเรียนป่าแล้วก็รังพึ่งมากกว่าแถบอื่นๆพวกมันมักจะชอบมารวมกันหากินอยู่ที่นี่เมื่อใกล้ข้ามตอนที่เรากำลังตั้งแคมป์กันอยู่ฉันรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงนกว่าร้องนะ ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้หัวหน้าคณะเดินทางถามขึ้นเปิดๆใช่แล้วครับนกว่าเจ้านายรู้จักนกว่าหรือครับก็เคยบ้างเหมือนกันเคยได้ยินเสียงมันร้องและเคยยิงได้ในป่าแถวภาคใต้ไม่ยักรู้ว่าในดงแถบนี้ก็มีเหมือนกันมันหายากมากคุณรพินดักส่งขายให้กับคุณอณัมพลเสียสิบกว่าตัวแล้วครับเวลามาดักก็มาคอยดักแถวนี้แหละ ดักมันลําบากหรือเกินแล้วมันก็ม like like like ีไม่ชุมเหมือนนกยูงบางทีเฝ้ากันอยู่ทั้งเดือนไม่ได้สักตัวเสยบอกเป็นยังไงคะนกว่าน้องสาวหันมาถามพี่ชายเพราะไม่เคยรู้มาก่อนก็เหมือนกับนกยูงนั่นแหละแต่ขนสีน้ําตาลไม่เขียวเหมือนนกยูงลําแพนได้สวยกว่านกยูงซสีอีกหายากกว่านกยูงมากถ้าป่าไหนมีนกว่าก็แปลว่าป่านั้นลึกมากทีเดียว ตั้งแต่ออกเดินทางมาเพิ่งจะมาได้ยินมันร้องเมื่อเย็นนี้เองสแสดงว่าป่าแถบนี้ลึกเอาการแล้วนกยูงก็เริ่มจะชุมแล้วครับนับตั้งแต่โป่งน้ำร้อนนี้ไปเจ้านายชอบหรือเปล่าผมจะยิงมาให้แกงเกิดเสนอชายยันตาเป็นประกายน้ำลายสอขึ้นมาเมื่อพูดถึงนกยูงแต่ดารินรีบบกมือห้ามโดยเร็วไม่ไม่เอาอย่ายิงมานนะเกิด เรามีเนื้อที่จะกินกันได้เหลือเฟือธุระอะไรที่จะไปยิงนกสวยๆพวกนั้นมากินให้มันประดับพรัยสวยๆยังจะดีเสีกว่าพวกไก่ฟ้านกยุงพญาล่อหรือนกว่าอะไรนี่บอกกล่าวพวกเราเสียทุกคนไม่ให้รังแกมันยังเด็ดขาดเอาแค่ไก่ป่ากับนกเขาเขียวหรือนกกระทาก็พอแล้วเอาไว้ให้ตายอดตายยากกันจริงริเสีย ก, ก่อนแล้วกันน้อยลืมอาหารชั้นวิเศษสุดที่ลิเวราเสร็จแล้วหรือ ย, ยังไง อะไรนกยุงอบอยังไงละ่ะพูดแล้วยังน้ำลายไหลหล่อนยกมือหงิกหิกให้เพื่อนหนุ่มมันต่างกันยากพวกคุณนั่นเขาทำไม้เราเรียบร้อยแล้วเราไม่รู้ไม่เห็นแต่นี่เราต้องยิงมันโดยเจตนาถามจริงๆเธอเธอใจร้ายพอที่จะฆ่านกยุงได้รงคอเทียวหรือก็อีเหตุผลเพียงแค่อยากกินเนื้อมันก็ถ้ามันเป็นเนื้อชั้นดีชายันบอกหน้าตาเฉย บ้าฉันสั่งพวกนี้ไว้แล้วไม่ให้ยิงและถ้าเธอลงมือยิงเองแล้วก็จะแช่งให้ลงท้องตายไปทีเดียวขาดเสียงของหมอมรชวงหญิงดาลินวราลิตทุกคนก็ต้องสะดุ้งพรวดขึ้นจากโต๊ะอาหารสนามที่กำลังร่วม ร, รับประทานกันอยู่อย่างกระทันหันเสียงรายเฟื่อ น, นัดหนึ่งระเบิดสนันวันไหวท่ามกลางความเงียบดังขึ้นใกล้ๆบริเวณแคมป์พร้อมๆกับเสียงร้องคำรามลั่นอย่างเกลียวกราดดุร้ายของสัตว์ชนิดหนึ่ง แผดประสานเสียงขึ้นก่อนที่ทุกคนจะรู้สึกตัวเช่นไรต่อไปก็มีเสียงตูมตูมขึ้นอีกสองนัดซ้อนสะเทือนไปทั้งลูกเขาจันเกิดเสยทลันพวดออกไปจากกระโจมของนายจ้างในพริบตานั้นอย่างรวดเร็วเป็นเวลาเดียวกับที่คณะนายจ้างทั้งสามละจากอาหารเพนเขาช่วยปืนคู่มือด้วยสัญชาตญาณและวิ่งแหว่ประตูกระโจมตามออกมาติดตบริเวณปางพัก ลูกหาบทุกคนแตกตื่นมือต่างถือปืนเตรียมพร้อมอยู่ในมือและกราดไฟฉายออกไปยังราวป่ามืดทะมึนที่แวดล้อมอยู่รอบด้านพูดกันจอแจจอกแจ๊กด้วยความตื่นเต้นตนกตกใจพ่านทั้งสามถือไฟฉายและไรเฟินวิ่งไปยังชายป่ารอบนอกของบริเวณแคมป์ที่ผูกควายเอาไว้สายไฟกราดอยู่ไปมาคงมีแต่งไงทายคนเดียวเท่านั้นที่นั่งเงียบๆอยู่ในอาการปกติที่ขอนไม้หน้าเต็นท์ไหนจ้าง ตืนพิงอยู่ที่หลักไม้งามใกล้ๆเพียงแต่กว่าสายตาเท่านั้นหนึ่งนาทีเต็มๆท่มามกลางความใจเต้นระทึกดาวอะไรไมิถูกของทุกคนเป็นความเงียบสงบเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยคงมีแต่เสียงพูดจาจากพวกในแคมป์และลำฟิชายนับสิบที่กลาดไปรอบด้านเท่านั้นเอ๊ะอะไรกันนี่เช่ถาอุทานออกมาเบาๆ พยายามเงีย่ยหูและจ้องมองตามลำไฟฉายของพวกลูกหาบเหล่านั้นออกไปมือกระชับจุด600 00. ในโตพร้อมถ้าฟังไม่ผิดเสียงจุด458แปแม็กนั่มแน่ๆชั ย, ยันกระซิบฉันก็ว่าอย่างนั้นตะพารนใหญ่ของเราแน่ๆเสียงดังอยู่ใกล้แค่นี้เองปะทะอะไรเข้าให้แล้วแต่ทำไมถึงเงียบหายไปอย่างนี้ดาดินพูดเร็วปือเสียงสั่นด้วยความตื่นเต้นกระวนกวาย หัวหน้าคณะเดินทางเริ่มกระสับกระส่ายในความเงียบอันนาคิดนั้นตะโกนสั่งพรานพื้นเมืองทั้งสามคนให้ออกไปตามดูในระแวกใกล้เคียงเกิดเสยและจันรับคำสั่งพอจะก้าวออกไปพ้นบริเวณแคมป์ทุกคนก็ได้ยินเสียงกูเป็นสัญญาณเรียกก็ามาพร้อมกับลำแสงของไฟฉายที่กลาดวอดแบแวบมาจากดงทึบฝั่งตรงข้ามกับลำห้วยพวกในแคมป์ช่วยกันกูรับออกไป อิตใจใหญ่ๆร่างของคนสองคนก็โผล่ขึ้นมาจากตะลึงของลำห้วยด้านนั้นภาพกลางกลุ่มไฟฉายที่สาดออกไปรวมจุดทุกคนถอนหายใจอย่างโล่งอกเพราะคนนำหน้าคือระพินและคนเดินตามหลังมาติดๆคือบุญคําทั้งสองเดินตรงเข้ามาในบริเวณแคมป์ด้วยอาการปกติพวกลูกหาและพรานพื้นเมืองทั้งสามกลักันออกไปรับพร้อมกับสอบถามแซดบุญคําพูดบอกอะไรแก่คนเหล่านั้น ส่วนพรานใหญ่ตรงเข้ามาที่คณะนายจ้างของเขาโดยเร็วตัวของเขาเปียกชื้นไปด้วยน้ำฝนและเลอะไปด้วยโคลนมอมแมมไปทั้งตัวเกิดอะไรขึ้นเชษฐาและชายยานร้องถามออกไปเร็วปือก่อนที่พรานใหญ่จะเดินเข้ามาถึงหมีแม่ลูกอ่อนครับมาจ่าเอกันกระทันหันเหลือเกินหลบไม่ทันบุญคำเกือบขมองเหลวไปแล้วเขาบอกเรียบเรียบเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต่อมาว่า ผมขออภัยที่มาถึงช้าไปตามรอยไปไกลเกินที่คิดไว้หน่อยแล้วทางน้นฝนก็ตกหนักหรือเกินว่าถึงหมีก่อนเถอะเป็นยังไงบ้างคุณกับบุญคาปลอดภัยเรียบร้อยดีเหรอพวกเราได้ยินเสียงปืนน้องก็เงียบหายไปกระวนกระวายใจกันแทบแย่นายจ้างพูดร้อนโดนมาโดยไม่สนใจกับประโยคหลังของเขาพรานใหญ่หัวรอเบา ào, ๆถอดหมวกสกดัดอันชุ่มไปด้วยน้ำฝนฟาดกับขากางเกงสลัดน้า ปลอดภัยครับพอลงจากเนินเกือบจะถึงลำห้วยนี่ก็สวนหน้ากับมันพอดีแม่ลูกอ่อนกับลูกสองตัวแล้วก็พ่อมันตัวหนึ่งยืนขึ้นแล้วสูงกว่าผมเสียอีกพอตะหวาดไล่ก็ปรีเขาใส่เลยเอาไว้ไม่ได้ห่างจากแคมนี่สักร้อยห้าสิบหลานี่เองอยู่หมดเหรอครับทั้งสองตัวผัวเมียแล้วลูกไันล่ะดาลินสอดถามมาเร็ ว, รวก็ด้วยครับอีกสองตัว ลูกคนโตสักขนาดไหนอา ย, ยุสักเดือนหนึ่งเห็นจะได้ขนาดลูกหมาอันเซเชียนตายลูกหมีตัวเล็กๆขนาดนั้นน่ารักออกทำไมไม่เอามาใจร้ายเหลือเกินร่อนร้องเสียงรั่นเต็มไปด้วยความสมเพชเสียดายพรานใหญ่หันไปมองหน้าทะยักอย่างไรเอามาทำไมให้เป็นภาระครับมันน่ารักก็จริงแต่ป่วยการเลี้ยงไม่มีวันเชื่องหรอก ไอ้พวกหมีควายนี่ตอนเล็กๆ ก, ก็น่ารักน่ า, นาเอ็นดูจริงพอโตขึ้นหน่อยรายไหนารายนั้นเป็นทลกหนังหัวคนเลี้ยงผมเลี้ยงมาเสียหลายตัวแล้วพวกลูกหมีนี่แต่พอเขืองหน่อยก็ต้องยิงทิ้งทุกทีสัตว์ป่าหน้าขนไว้ใจมันได้ไม่ไล่ไอ้คันจะปล่อยไปก็ทุเรศทรมานทรกรรมเปล่าๆมันยังไม่อดทนหากินเองไม่ได้ฆ่าแม่มันแล้วก็จะเป็นต้องฆ่าลูกมันด้วยโทน่าสงสารมันเหลือเกิน ทำไมคุณถึงเป็นคนใจดํำอามาหิทธ์อย่างนี้นะเลี้ยงมันแต่เล็กๆยังไม่อดนมอย่างนี้ทําไมถึงจะไม่เชื่องฉันอยากจะได้ลูกหมีอยู่ทีเดียวดารินครางทําหน้าเหมือนจะร้องไห้พรานใหญ่กระพริบตาปลิบๆแต่เชี่ยาหันมาจับไหล่น้องสาวพูดปอบว่าเชื่อแล้วเพียนเถินน้อยไม่มีประโยชน์หรอกลูกหมีควายไม่มีทางจะเชื่องได้หรอกตอนเล็กๆมันดูเชื่องก็จริงแต่พอโตขึ้นมันเล่นงานเราแน่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิตอนแตกเปี่ยวเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่มันไม่เลือกหน้าอินหน้าพรหมหรอกแล้วขืนเอามาก็เป็นภรรยอย่างว่าน้อยคิดจะเดินทางหรือจะเก็บลูกสัตว์ป่ามาเลี้ยงกันแน่เรานะ่ะชอบวุ่นวายหาเรื่องยุ่งเสมอแหละแล้วเชิดถาก็หันไปทางระพินพวกเรากําลังรอคุณอยู่ทีเดียวออกเป็นห่วงที่เห็นขําแล้วยังไม่โผล่มานี่ก็กําลังกินข้าวกันไปได้ครึ่งหนึ่งพอดีได้ยินเสียงปืนเลยออกมานี่แหละ ไปผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียไปแล้วมากินข้าวพร้อมกันค่อยคุยกันตอนนั้นก็ได้แล้วพินส่งไรเฟิลที่เปียกชื้นไปด้วยน้ำให้แง่ทรา ย, ายเพื่อให้ช่วยชำระล้าง ค, ความสะอาดตัวเองเดินกลับไปที่เกวียนสองสานาทีหลังจากนั้นเขาก็ร่วมวงอาหารข้ามกับคณะนายจ้างซึ่งยังกินค้างอยู่ก่อนที่เราจะได้ยินเสียงปืนจากคุณเล็กน้อยเกิดเซยไดจันเข้ามาคุยกับเราในนี้พูดกันถึงเรื่องหนีอยู่ทีเดียว พวกนั้นบอกว่าแถวนี้มีชุมและดุมากพูดกันหยกๆยกแทบว่าไม่ทันขาดคำคุณกับบุญคำก็ซัดกับมันเข้าให้แล้วชัยยันพูดบนหัวเราะขณะที่รินบรันดีส่งไปให้พรานใหญ่ครึ่งแก้วซึ่งเขารับไปดื่มรวดเดียวหมดดับความหนาวเย็นที่กำังฝนมาตลอดครับที่นี่ชุมหน่อยแต่ก็ไม่น่ากลัวอะไรนะักในกรณีที่เรามาตั้งแคมป์กันอยู่มากๆคนอย่างนี้มันไม่กล้าเข้ามารังควานจนถึงแคมป์หรอก ยกเว้นเดินไปไประจัญกันซึ่งๆึ่งหน้าเท่านั้นแต่ถ้ามานอนกันอยู่เพียงสองสาคนมันก็เคยย่องมางับขาไปเคิ้วเล่นบ่อยๆเหมือนกันนิสัยมันไม่ค่อยจะดีมันไม่ใช่สัตว์กินเนื้อไม่ใช่หรือทําไมมันถึงชอบย่องมาเล่นงานคนเหมือนเสือด้วยดาลินปุดฉาด้วยความไม่ดียงสาของหล่อนที่ไหนได้ครับใครว่าหมีไม่กินเนื้อเจ้าสัตว์ครึ่งลิงครึ่งเสือประเภทนี้กินสารพัดแหละครับ ผลไลม้รากไม้รังผึ้งมแมลงขึ้นมาจนกระทั่งเนื้อสัตว์ทุกชนิดเท่าที่มันจะหาได้ขอยมันหิวขึ้นมาเถอะคนส่วนมากยังเข้าใจผิดนึกว่าหมีกินแต่พวกพืชหรือผลไม้อย่างเดียวก่อนนี้ผมเคยเอามาเลี้ยงไว้ตั้งแต่ลูกเล็กๆตัวหนึ่งล่ามโซ่ไว้ที่ต้นไม้ใหญ่บ้านพักหนองน้ำแห้งอุตส่าห์อบรมไว้อย่างดีให้กินข้าวกินผลไม้เหมือนอนกับที่เราเลี้ยงลิงเชื่องแสนเชื่อง จะเล่นจะหัวอะไรก็ดูน่ารักไปหมดอีวันหนึ่งหมาเดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆมันนึกยังไงขึ้นมาก็ไม่รู้ตบทีเดียวคอหักฉีกอกขย่ำกินหน้าตาเฉยยิ่งเห็นเลือดทลักออกมามันยิ่งตะกลุมตะการใหญ่เห็นท่าจะไม่ได้เรื่องก็เลยตั้งญิงทิ้งนั่นคราวหนึ่งแล้วอีกคราวหนึ่งผมได้มาอีกตัวหนึ่งคุณอณัมพลขอเอาไปว่าจะเอาไปให้ลูกสาวเลี้ยงเล่นเพราะมันหน้าเอ็นดูดีผมก็ห้ามแล้วแกไม่ฟัง ตกลงก็ต้องให้ไปสามเดือนหลังจากนั้นคุณอำพลก็ต้องยิงทิ้งอีกเพราะโซ่ขาดไปเล่นงานเอาลูกแม่ครัวเกือบถึงตายตอนที่มันขยํำเด็กคนนั้นขนาดเอาไม้แต่พด ฟ, ฟาดมันยังไม่ยอมปล่อยต้งล่อ ด, ด้วยปืนเคราะดีนิดที่ไม่ถูกเอาลูกสาวของคุณอำพลเองเข้าซึ่งถ้าเลี้ยงต่อไปก็คงหนีไม่พ้นแน่ใครแต่ใครอีกหลายคนที่คิดจะเลี้ยงหมีควาให้เชื่องเพราะปกความล้มเหลวมาแล้วทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนรักสัตว์ขนาดไหนลูกเสือโคร่งหรือเสือดาวเสืออีกที่ว่าร้ายๆถ้าคิดจะเลี้ยงกันจริงๆก็ยังพอไหวแต่ก็หาความปลอดภัยร้อยน์ไม่ได้ถ้าจะคิดเลี้ยงสัตว์ป่าแล้วก็ต้องเลือกเอาไอ้ชนิดไม่ดุร้ายครับถึงจะปลอดภยัยพวกเสือหมีกระทิงแรดอย่าไปยุ่งกับมันเป็นอันขาดคืนเลี้ยงไปก็เท่ากับหาภัยใส่ตัวเองนอนตามไม่หลับนอกจากพอโตหน่อยก็ใส่กลง อย่าไปคุกคลีกับมันเท่านั้นสัญชาตญาณป่ามันไม่มีวันหายไปได้ไม่ว่าจะเลี้ยงอบรมดีกันซักขนาดไหนเชื่อผมเถอะเอถ้างั้นผู้ระครสัตว์เขาเลี้ยงมันเชื่องได้ยังไงดาดินเถียงยังไม่ยอมเชื่อพลานใ ห, หัวเราะหึ่ยคุณหญิงต้องดูเสียก่อนสิครับว่าผู้ระครสตร์เขาเลี้ยงมันโดยวิธีไหนเขาเลี้ยงด้วยการกำหลาบให้มันกลัวหงออยู่ตลอดเวลาแช่ไฟฟ้า อยู่ในมือทุกขณะยามที่เขาเป็นเล่นหรือฝึกหัดมันแต่งั้นก็ปรากฏเป็นข่าวกี่ลายมาบ้างแล้วที่เสือหมีหรือสิงโตขบผัวคนเลี้ยงคนฝึกของมันอีตอนที่เขาเผลอในบรรดาสัตว์อันตรายที่จะเลี้ยงได้เชื่องก็มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือช้างแต่ถึงงั้นเวลาตกมันขึ้นมาก็ยังกระทืบคนเลี้ยงเสียบ่อยๆผมคุกครีอยู่กับสัตว์ป่าพวกนี้รู้ธรรมชาติสัญชาตญาณของมัน เคยพยายามทดลองมาทุกอย่างเคยเลี้ยงแม้กระทั่งลูกเสือลูกกระทิงลูกหมีลูกหมาป่าพอโตขึ้นไม่เห็นมันเชื่องไว้ใจได้สักอย่างขนาดกวางที่ว่าไม่น่าจะมีอันตรายอะไรเลยเลี้ยงเสียเชื่องราวกับบัวบ้านพอแต่เปรี่ยวเต็มที่ถึงฤดูผสมพันธุ์มันยังไล่ขิดเอาเลยกระรอกตัวเล็กนิดเดียวดีดนิ้วเรียกให้ลงมาหาได้ทุกขณะเวลามันโกรธมันก็ตัดเรา แล้วเราจะไว้วางใจอะไรได้กับเจ้าพวกสัตว์หน้าขนชนิดนี้หญิงสาวเลิกคิ้วเอียงคอสีหน้ายังโงนคลางแคลงในคาพูดของเขาไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะสัตว์ ร, ร้ายอื่นๆอะไรก็ช่างเถอะพวกหมีนี่ฉันคิดเอาแต่ความรู้สึกที่เห็นว่ามันน่าจะเลี้ยงได้เชื่องที่สุดเคยเห็นเพื่อนแหม่มที่อังกฤษเลี้ยงไว้ดูมันเชื่องหน้าเอ็นดูออกจับให้นอนตกักดูดขวดนมเหมือนเด็กๆ มันจะเด่นจะหัวอะไรก็เหมือนเด็กโซนๆอยู่แล้วแล้วก็มีแววฉล า, าดเหมือนคนมันน่าจะทิ้งสัญชาตญาณเดิมได้ถ้าคุกคีใกล้ชิดกับคนมากๆจอมพรานจุ๊บปากเบาๆโครงศีรษะถ้าหมีพันุ์เล็กๆประเภทหมีคนหรือหมีหมาก็พอทํานาหรอกครับเพราะตัวมันเล็ก พ, พลาดทลั้งยังไงก็ยังไม่สามารถเล่นงานคนให้ถึงตายคะที่ในทันทีได้แต่ถ้าเป็นหมีพันธุ์ใหญ่ดุร้าย ประเภทหมีควายเป็นไม่ต้องหวังผมบอกแล้วยังไงว่าตอนที่มันยังเป็นลูกเล็กๆอยู่นั่นแหละมันน่ารักมากจริงแต่ถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นไว้ใจไม่ได้โดยเด็ดขาดเพื่อนแมมของคุณหญิงที่ว่าเลี้ยงมันจนเชื่องนั่นผมก็คิดว่าเป็นการเลี้ยงเล่นๆฉาบฉวยในขณะที่มันยังเป็นลูกหมีเล็กๆอยู่เท่านั้นถ้าอย่างเลี้ยงใกล้ชิดแบบนั้นไปจนมันใหญ่ต้องเคราะร้ายแน่ไอสัตว์ประเภทหมีนี่ก็ดูมันจะ ดูใจมันยากอยู่แล้วมันจะเล่นกับเราหรือเอาจริงดูไม่ออกเลยพระนิสัยของมันตามปกติก็ชอบตบกัดหรือแทะอยู่เป็นประจำแล้วอีตอนมันยังเล็กๆอยู่มันเข้ามาตบหยอกๆหรือแทะมือไม้เราเล่นเราก็นึกว่ามันเล่นกับเราแต่พอมันโตมันตบเราโครมเดียวแบบที่เล่นทีจริงเราก็คอหักหรือหนังหัวถลกแล้วและสัดานมันก็ชอบตบเป็นประจำ ถ้างั้นเราตัดเขี้ยวเล็บมันเสียไม่ได้หรือหล่อนถามอย่างเด็กๆพรานหญ่หัวเราะขำๆไม่ตอบว่าอะไรเพราะอ่อนใจเชี่ากับชายยันเองก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้นี่แม่คุณเพื่อนชายลากเสียงมาพร้อมกับหัวเราะเล็บหมีเล็บเสือนะ่ามันไม่เหมือนกับเล็บของสาวสำอางโฉมอย่างเธอหรอกนะจะได้เจียนตัดหรือแต่งให้เป็นรูปอะไรก็ได้ตามต้องการ รู้ไว้เสียด้วยเล็บของสัตว์พวกนี้ถึงแม้จะมีลักษณะเป็นเล็บก็จริงแต่มันมีเส้นประสาทติดอยู่ด้วยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเนื้อของมันทีเดียวตัดเล็บของมันก็เหมือนตัดนิ้วมันนั่นแหละเพราะมันจะต้องรู้สึกเจ็บปวดและมีเลือดออกมาด้วยเคี้ยวก็เหมือนกันถ้าตัดก็แปลว่าเธอจะต้องวางยาสลบมันซซ ก, ก่อนแล้วมันก็จะกลายเป็นสัตว์ทุพพลภาพพิการไปอาจตายเลยก็ได้โธเอ้ยแพทย์หญิงดาลินวราลิศ นักศึกษาผู้กำล like ังจะได้ปริญญาเอกทางมนุษยวิทยาอยู่รอมร่เด็กอมมือแท้ๆดารินตาเขียวตะหวาดแวดก็ฉันไม่รู้นี่ยะคนไม่รู้มันง่อทุกคนแหละแล้วใครจะไปตัดสรุอะไรไปเสิหมดทุกอย่างก็นึกเอาตามสามัญวินิจฉัยธรรมดานะสิเล็บคนยังตัดได้เล็บหมีเล็บเสือก็น่าจะตัดได้เหมือนกันไปรู้เมื่อไหร่ล่ะว่าเล็บมันมีเส้นเลือดเส้นประสาทเราเลี้ยงอยู่ด้วย เอาละเรื่องหมีเลี้ยงไม่เชื่องนี่เป็นอันว่าฉันยอมแพ้และไม่คิดที่จะดันทุรังเลี้ยงมันอีกต่อไปดีละสงสัยมานานแล้วเกี่ยวกับเรื่องหมีนี่ขอถือโอกาสนี้ถามในพรานใหญ่เสียให้รู้แจ้งเห็นจริงกันไปเสียทีช่วยวิสัชนาหน่อยได้ไหมล่ะรพินอมยิม้มพูดเบาๆโดยไม่มองหน้ามีอะไรที่คุณหญิงสงสัยก็เชิญเลยครับผมจะพยายามจะให้ความจริงเท่าที่ผมสามารถทีเดียว เขาว่ากันว่าหล่อนพูดช้าๆหัวเราะไปพางอย่างนึกขำตัวเองไอสัตว์ประเภทหมีนี่เวลาเราเดินไปพบมันในป่าเราแกล้งทําเป็นนอนตายนิ่งเฉยไม่กระดุกกระดิกมันจะมาเพียงแค่ดมๆแล้วมันก็เดินเลยไปโดยไม่ทําอะไรจริงหรือเปล่าตอนเด็กๆเคยได้ยินเขาเล่าเล่กันมานักว่าให้เอาผ้าผูกเป็นปมหัวท้ายเอาหัวกับเท้าใส่เข้าไปในผ้านั่นแล้วนอนเฉย มันจะเดินมาเอามือตบเบาๆที่หัวทีที่เท้าทีแล้วก็วิง่งหนีไปเออจริงฉันก็เคยได้ยินผู้ใหญ่เขาเล่าๆกันอย่างนี้ชายยันร้องออกมาอย่างคืน้นเครงอีกคนหนึ่งพรานใหญ่กัดริมฝีปากกั้นหัวเราะแล้วก็ปล่อยกากออกมาครับผมก็เคยถูกผู้ใหญ่หลอกมาเรื่องนี้เหมือนกันก็มันจริงหรือเปล่าล่ะถ้าคุณหญิงเจอหมีแล้วแกล้งทาเป็นนอนนิ่ง หรือเอาผ้าคลุมโปงอย่างว่านี่แล้ก็หมีมันเข้ามาดมๆแล้วก็ยิ้มแฉ่งเลยครับพอยิ้มอิ่มอกอิ่มใจดีแล้วมันก็จะเริ่มต้นลงมือแทะเนื้อคุณหญิงอย่างอร่อยอร่อยทีเดียวตายก็แปลว่าที่เขาเล่ามานั่นนะมันไม่จริงนะสิมีเรื่องจริงที่ผมจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับและผินพูดพยายามกลั้นหัวเราจะจนหน้าแดงขณะที่มองหน้าตื่นตื่นของนายจ้างสาวสวย สมัยที่ผมยังเป็นตำรวจตะเวนชายแดนอยู่แถวแม่เสลียงลูกน้องพลตำรวจในกองของผมสองคนเดินตรวจเข้าไปในป่าลึกเจอหมีควายเขาตัวหนึ่งพอดีเจ้าคนหนึ่งเพ่นหนีเพราะความตกใจอีกคนหนึ่งหนีไม่ทันจวนตัวเต็มทีชรอยหมอจะนึกถึงนิทานหลอกเด็กเรื่องเดียวกันนี้ขึ้นมาได้ก็เลยทำเป็นนอนตายไม่กระดุกกระดิกหมีเดินปีเข้ามาดมๆอย่างว่านั่นแหละ แต่แทนที่มันจะตบหัวตบท้ายเบาเบาหรือเดินผะไปมันกลับขย่ําเข้าให้ร้องโวยวายลั่นไปหมดเจ้าเพื่อนที่วิ่งหนีไปครั้งแรกได้ยินเสียงเพื่อนมันร้องก็ได้สติวิ่งหวนกลับมาเอาคาบายยิงมีพระหนีไปเพื่อนถูกขย้ำสาหัสจนถึงกับบอคอยต้องส่งเฮลิคอปเตอร์มารับตัวกลางป่าส่งโรงพยาบาลเรื่องนี้อกกเออเกลึกมากถึงกับหนังสือพิมพ์ลงทีเดียวเสี่ยถากับชายยานปล่อยก้ากมางอหาย ดาลินได้แต่กระพริบตาปริบๆยิ้มเจ่อนบ่นออกมาอ่อยๆว่าแล้วทำไมเขาถึงบอกกันไว้อย่างนั้นก็ไม่รู้ฉันเองก็ยังนึกว่าอย่างนั้นเลยดีที่ถามคุณสีก่อนไม่งั้นก็โง่อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเจะหมีอย่านอนครับคุณหญิงพยายามหาที่กำบังเป็นอันดับแรกถ้ามันยังปรีเข้ามาแล้วก็แสกหน้าสะบักไหลแล้วก็สวงอกคือเป้าหมายที่วางกระสุน ไรเฟื่ตั้งแต่ขนาดจุดสาหขึ้นไปจัดว่าปลอดภัยที่สุดยกเว้นแต่คุณหญิงจะเบื่อชีวิตเต็มทีแล้วก็อุดทิศตัวให้เป็นอาหารของมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งหม่อมราชวงสาวคนสวยไม่กล่าวอะไรอีกเชี่ยถากับชายยานยังคงหัวเราะคลื้นเครงแล้ววิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องหมีกับตำรวจชายแดนคนที่รับพินเล่าต่อไปอีกยังขบขันสนุกสนานจนกระทั่งต่างรับประทานอาหารเสร็จและแง่สา ย, ายเอากาแฟเข้ามาให้ ครั้นแล้วจังหวะที่ทุกคนพักผ่อนกันด้วยกาแฟนั่นเองเชษถาก็เอ่ยถามพรานใหญ่ถึงผลการสำรวจรอยแหว่งแววตาอันสนุกสนานร่าเริงจากเรื่องที่ได้สนทนาแบบผ่อนอารมณ์กันเมื่อครู่ของรพินมีประกายเครียดขึ้จริงจังลงในบัตรนั้นเขาดูดก้นบุหรี่จนแก้มตอบแล้วเป่าช้าช้าให้มันระบายออกจากปากและจมูกลงเบื้องต่ำเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองมันพากันไปกินดินโป่งที่โคกกระสัง เขาบอกด้วยเสียงห้าวต่ำแผ่วเบาตอนใกล้รุ่งพร้อมๆกับที่เราเริ่มออกเดินทางเคลื่อนย้ายจากโป่งกระทิงนั่นเองมันก็ข้ามสันขาวบ่ายหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือผมข้ามเขาตามมันไปอีกสองลูกถึงได้จับทิศทางแน่นอนว่ามันมุ่งไปโป่งผีสิงถ้าไม่เป็นห่วงที่นัดไว้ว่าจะต้องรีบกลับมาพบกับพวกเราที่นี่ก่อน ผมเชื่อว่าคงตามมันไปทันที่โป่งผีสียงภายในใกล้ๆรุ่งของคืนนี้แหละครับไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ร่องรอยของมันกระชั้นเข้าไปเกินคาดเลยทำให้มาช้าผิดเวลาไปฝนตกพรำทั่วไปทุกลูกเขาทางโคกกัะสังดินแฉะทำให้สังเกตรอยได้ถนัดหรือเกินเชษดฐานคอกล้องอยาเส้นลงกับขอบโตแล้วบรรจุอย่างช้าช้า น่าเสียดายเหลือเกินที่ทางฝ่ายพวกผมไม่รู้แผนที่ของบริเวณป่าแถบนี้มาก่อนเลยลืมนึกไปถนัดไม่งั้นก่อนออกเดินทางให้คุณช่วยเขียนคร่าวๆโดยสังเกตไว้ให้ศึกษาบ้างก็จะดีเพราะฉะนั้นตำแหน่งทิศ ท, ทางต่างๆที่คุณบอกเราจึงไม่มีโอกาสมองเห็นภาพเลยนอกจากจะคอยถามคุณทุกครั้งไปว่าที่นั่นที่โ น, น่นอยู่ทางด้านไหนทิศไหนห่างจากอะไรเท่าไหร่ระพินเดี๋ยวซ้ายแลขวา ดาดินรู้ทันไม่พูดอะไรเลยเดินเข้าไปลื้อหีบสัมภาระส่วนตัวของหล่อนอึดใจเดียวก็คว้ากระดาษกับดินสออันเป็นเครื่องเขียนวิทยานิพนธ์ของหล่อนที่ติดตัวมาด้วยนำมาส่งให้กับพรานใหญ่แล้วปินสเก็ตเป็นแผนที่คร่าวๆแสดงป่าทุ่งและขุนเขาทิศทางที่โขงไอแวงบ่ายหน้าไปให้ทุกคนดูโดยสังเกตรวมทั้งตาแหน่งที่ตั้งแคมป์ในขณะนี้ แผนที่นั้นเขียนโดยมือชำนาญของอดีตนายตำรวจตะเวนชายแดนและผู้อ่านแผนที่ก็ร้วนเป็นนายทหารและแพทย์เพราะฉะนั้นเพียงอธิบายประกอบอีกนิดเดียวคณะนายจ้างทั้งสก็กระจ่างแจ้งโดยตลอดจากการพบรอยในครั้งแรกและแยกทางกับขบวนเกวียนทั้งหมดเพื่อติดตามไปนั้นแผนที่แสดงให้เห็นว่าพรานใหญ่เก็บรอยไปทุกระยะตำแหน่งไหนที่มันหยุดหากินมีรอยการกรบาทไว้อย่างชัดเจน โขงไอแหวงข้ามไหลขาวลูกหนึ่งและยึดเส้นทางด่านบนสันเขาอันเต็มไปด้วยความธุระกันดานชนิดที่เกวียนไม่สามารถเดินทางตามขึ้นไปได้นั้นมุ่งเลิวไปทางทิศเหนือทำท่าเหมือนจะไปทางป่าหวายอันเป็นบริเวณทุ่งหญ้าราบสูงในระหว่างหุบกว้างใหญ่ paisan สลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาใหญ่น้อยแต่แล้วมันก็แยกทางผ่านลงหุบด้านตะวันออกตัดป่าโปรง่งป่าเต็งรังไปทะลุออกดงรว่ว ซึ่งมีบริเวณอันเป็นดินโป่งชั้นดีและบ่อน้ํำซับอยู่ใกล้ๆกันจากนั้นก็ทะลุออกทุ่งหญ้าคาที่กําลังแตกระบาดมุ่งเข้าดงลึกอีกตอนหนึ่งที่เรียกกันว่าโป่งผีสิงระยะระหว่างโป่งผีสิงกับป่าหวายมีเขาใหญ่กั้นอยู่สามรูปแต่และช่วงสลับไปด้วยทุ่งร่งและดงทึบเชี่ยวถาและชายหยันพิจารณาดูแผนที่แสดงภูมิประเทศและบริเวณต่างๆเหล่านั้นอย่างใคร้ควรและสอบถามโลพินอยู่ตลอดเวลา ลงแบบนี้ให้เวลาอย่างช้าอีกสามวันนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้มีหวังตามทันชยันพึมพำตามแผนที่ที่คุณเขียนมาให้ดูนี่รู้สึกว่าไอ้แหวงจะนำโขงของมันเดินวนเป็นรูปวงรีและไม่ได้ออกไปพ้นลัทมีการเดินทางของเราเลยคล้ายๆมันจะวนล่อเราอย่างนั้นแหละและเส้นทางเดินก็ล้อมเราอยู่ตลอดเวลาไม่ไปไหนครานใหญ่ก้มศรีรษะลง ตาคมผ่ายใต้ขนตายาวของเขาหลีขึ้มคุณคิดหนะักดูจะมีประกายกังวลเล่นลับผิดไปกว่าทุกครั้งครับคุณชายเข้าใจถูกแล้วมันกำลังเล่นเอาเธอเจ้าล่ อ, อ ก, กับเราขณะนี้มันอยู่ที่ว่าระหว่างเรากับมันใครจะเข้าถึงตัวใครก่อนเท่านั้นนี่ไม่ใช่ธรรมชาติสามันของสัตว์ป่าเสร็จแล้วสมองของมันไม่น่าจะมีได้ถึงขนาดนี้คล้ายๆจะมีอะไรสักอย่างคอยบงการมันอยู่ เป็นรายพิเศษที่ผมเองก็ยอมรับว่าเพิ่งจะพบคุณวางแผนไว้ยังไงภายหลังจากนิ่งไปอึดใจใหญ่จอมพรานก็พูดขึ้นอย่างนะมัดระวังพรุ่งนี้เราจะเดินกันต่อไปในเส้นทางปกติคือบ่ายหน้าทิศเหนือตามเดิมประมาณเที่ยงจะถึงหุบชมดพร้อมกับพูดเขาวนดินสอลงอย่างที่หมายแห่งหนึ่งในแผนที่เมื่อถึงที่นี่แล้ว กองเกวียนจะคงให้เดินทางต่อไปในเส้นทางเดิม ซ, ซึ่งจะถึงห้วยใหญ่ทองราวใกล้ข้าส่วนมาจะแยกทางที่หุบชมดนี่ออกสำรวจรอยมันอีกครั้งและพอข้าก็จะไปบรรจบกับขบวนเกวียนที่ห้วยใหญ่ทองเหมือนวันนี้แล้วก็เงยหน้ามองดูเชษฐาและชายยันเอ่ยต่อมาว่าสำหรับพรุ่งนี้ทางคุณชายจะแยกจากขบวนเกวียนออกเดินสำรวจกับผมก็ได้ครับถ้าต้องการ คณะไหนจ้างหันไปมองกันเองเหมือนจะหาลือแต่ถึงอย่างไรเราทั้งหมดก็ต้องไปบรรจบกับขบวนเกวียนที่ห้วยเยื่ทองในตอนข้าไม่ใช่หรือชายันถามก็สุดแล้วแต่สิครับสำหรับกองเกวียนจะเดินทางไปข้ามที่ห้วยเยื่ทองและต้องหยุดพักอยู่ที่นั่นแน่ๆถ้าผมแยกทางสารวจไปตามลำพังถึงอย่างไรเสียเพื่อไม่ให้ทางคุณเป็นห่วงผมก็ต้องกลับไปสมทบที่ห้วยเยื่ทองเพื่อบอกข่าว แต่ถ้าพวกคุณชายติดตามไปด้วยเราอาจกลับไปนอนที่ห้วยยญยทองหรืออาจตามรอยกระชั้นชิดมันต่อไปในระยะยาวโดยไม่จาเป็นต้องย้อนกลับไปที่ห้วยยาทองก็ได้สุดแต่จะตกลงกันและถ้าไม่กลับไปพบกับขบวนเกวียนที่ห้วยย่ทองอย่างว่านี่ก็แปลว่าพวกเราแยกจากขบวนเกวียนออกตามมันจริงจังกันเลยเริ่มต้นที่หุบชมดนี่แหละจะได้บอกพวกเกวียนให้เขาออกเดินทางล่วงหน้าไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องหยุดรอ เราค่อยไปดักพบที่ใดที่หนึ่งข้างหน้าแล้วแต่จะนัดกันอาจเป็นที่ป่าไหวก็ได้หมายความว่าเราจะต้องแยกกาลังแบ่งพวกกลายเป็นสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างเดินงั้นเลยพระผีนก้มศรีรษะเนิบลงก็ต้องเป็นทานองนั้นแหละครับพวกเวียนก็มุ่งหน้าตามเส้นทางเรื่อยๆไปส่วนพวกที่จะติดตามมันโดยเฉพาะก็แยกไปตหาโดยมีที่หมายพบกันเป็นแห่งๆไปแล้วแต่จะนัดแนะ เพราะเป็นไปไม่ได้ในกรณีที่เราจะตามล่ามันโดยมีคองเกวียนทั้งหมดร่วมทางไปด้วยอย่างที่ผมได้เคยเรียนไว้แล้วแต่แรกขบวนเกวียน ใ, นใหญ่จะมีฐานะเป็นค่ายพักเคลื่อนที่ของเราเรากําหนดเส้นทางเดินให้เขาที่พักค้างแรมแต่ละแห่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะติดตามโขงไอแหว่งไปทางไหนเราก็สามารถจะไปพบกับข บ, ขบวนเกวียนได้เสมอมันช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาเกี่ยวกับเส้นทางเดินใหญ่ของเรา และถ้าจาเป็นจริงๆเกี่ยวกับการตามร่าไอแหวงเนิ่นนานออกไปผู้เรียนอาจเดินทางล่วงหน้าไปรอเราอยู่ที่หล่มช้างอันเป็นสถานีปลายทางก่อนแล้วก็ได้ผมเข้าใจดีในข้อนี้เช่ถาว่าอยู่ในอาการไข้ครววอย่างรอบคอบถ้าเรายังเดินทางกันไปเรื่อยๆเป็นขบวนแบบนี้ก็ไม่มีวันที่เราจะตามไอแหวงพบนอกจากจะแยกกันออกเป็นสองฝ่าย แต่ทีนี้คุณเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าพวกเราเกิดแยกกันออกเป็นสองฝ่ายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้างพวกที่จะแยกออกตามล่านะไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกเพราะคุณซึ่งเป็นผู้นำสำคัญรวมทั้งพรานมือดีของคุณจะต้องมาทางฝ่ายพวกตามล่าส่วนทางพวกเกวียนอย่างเก่งก็จะมีพรานนำทางควบคุมอยู่เพียงคนเดียวเหตุร้ายที่เราคาดคิดไปไม่ถึงมันอาจจ้องคอยจังหวะ เล่นงานขบวนเกวียนขณะที่พวกเราแยกกันแล้วก็ได้ที่แรกผมก็ไม่เคยห่วงในข้อนี้มาก่อนเลยแต่เมื่อเหตุการณ์มันได้ปรากฏขึ้นให้เห็นเป็นตัวอย่างมันเตือนสังหรณ์อย่างไรบอกไม่ถูกลองคิดดูเถอะพอเราเริ่มติดตามไอ้แหวงกันจริงจังไอ้ผีขโมดก็ลงมาเล่นงานพวกเราถึงในแคมป์ในเวลากลางคืนยังไม่รู้ว่าคืนนี้หรือคือนต่อๆไปเมื่อไหร่มันจะมาอีก แล้วกองทัพของเจ้าพวกทหารพระรามที่เราไปเชิญมาเมื่อเที่ยงวันนี้อีกละ่ะลองคิดดูสิว่าถ้าเหตุร้ายในทํำนองนี้เกิดซ้ําขึ้นอีกในระหว่างที่ไม่มีคนร่วมอยู่ในกองเกวียนพวกเกวียนจะทํากันยังไงถึงไอแหว่งเองก็เหมือนกันใครจะรู้ได้ว่ามันวางแผนไว้ยังไงขณะที่คุณควบคุมอยู่กับกองเกวียนทั้งหมดมันก็อาจยังไม่กล้าที่จะเข้ามาจู่โจมพวกเราแต่ถ้าคุณและพูดที่จะตามล่ามันโดยเฉพาะแยกไปเสีย นั่นย่อมเป็นโอกาสอันดีเลิศของมันทีเดียวการที่เราทําให้พวกเราต้องแยกกันออกเป็นสองฝ่ายจะเป็นอุบายของมันหรือเปล่าก็ไม่มีใครทายถูกระหว่างที่พรานใหญ่นิ่งไปด้วยเหตุผลอันน่าคิดของหัวหน้าคณะเดินทางผู้ถี่ท่วนชายยานก็ร้องครางออกมาอืมจริงของแกเชษฐาถึงอย่างไรมันก็ต้องมีการเสี่ยงกันบ้างละ่ะเมื่อเราระแวงล่วงหน้าไว้อย่างนี้แล้ว วิธีแก้ก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือเราอย่าเอามือดีไปกับฝ่ายตามล่าเสียหมดคัดตัวแบ่งกำลังกันออกอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องเอามือเก่งๆทิ้งไว้คอยควบคุมกองเกวียนสักสองสาคนพอที่จะคุ้มครองขบวนเกวียนได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพานของลพินสี่คนไม่จะเป็นที่จะต้องให้ไปกับเราหมดให้ลพินคัดไปเพียงคนเดียวก็เห็นจะพอแต่ฉันขอเสนอว่าในพวกติดตามล่านี้ ควรจะมีแง่ายไปด้วยคนหนึ่งพรานใหญ่คนหนึ่งพรานพื้นเมืองอีกคนหนึ่งเป็นสามคนก็พอเพียงถมฐานไปแล้วที่เหลืออีกสามคนให้ทำหน้าที่ควบคุมกองเกวียนแบ่งกำลังได้เท่ากันพอดีหรื อ, อยังไงเชษฐาอย่างไม่ได้ตอบเช่นไรนอกจากจะนิ่งคิดความเงียบปกคลุมวงสนทนาอีกครั้งหนึ่งดาลินในขณะนี้ก็เงียบกริบดูเหมือนจะเป็นครั้งแรก ที่หม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยทำตัวเป็นผู้สงบฟังที่ดีโดยไม่แสดงความเห็นใดๆทั้งสิ้นในที่สุดกระพินก็เอ่ยขึ้นแผ่วต่ำผมเองก็เพิ่งจะมาเฉลียวใจเพราะได้ยินคุณชายพูดขึ้นนี่แหละครับเหตุผลของคุณชายน่าคิดมากทีเดียวตั้งแต่เราเริ่มตัดสินใจติดตามหมายร่าไอแหว่งกันอย่างจริงจังนี่มันคล้ายๆจะมีอาถันอะไรก็ไม่ทราบทาให้เราต้องเผชิญกับเหตร้ายต่างๆอย่างคิดไม่ถึงมาก่อน ดูยังกับว่าไอ้แหว่งโปรยพิษร้ายไว้เป็นกองแล้ววางหลังสําหรับมันนั่นแหละเรายิ่งตามมันไปมันก็ยิ่งนําเราไปสู่อันตรายแบบแปลกประหลาดประหลาดซึ่งเหมือนจะเป็นเกราะหรือกาแพงสกัดกั้นมันไว้จากพวกเราเริ่มต้นด้วยผีขโมดแล้วก็กองทัพวานนอนอย่างที่เราไปเจอมาแล้วอีกอย่างหนึ่งพวกเรายิ่งมีจํานวนมากเท่าไหรแแ่และยิ่งแบ่งแยกและยิ่งแบ่งแยกกันออกไปก็มีอันตรายเพิ่มขึ้นเพียงนั้น จริงตามที่คุณชายว่าแต่ในทำนองเดียวกันถ้าเราไม่แยกตัวออกจากกองเกลียนเราก็ไม่มีทางจะตามมันทันที่พูดกันมันนี่เท่าที่ฟังดูรู้สึกว่าทั้งพี่ใหญ่ก็ดีชายันก็ดีหรือแม้แต่ในพรานของเราก็ดีพยายามจะคิดว่าไอ้แหวงเป็นช้างผีหรือมิฉนั้นก็ช้างที่มีอิทธิปาริหารผิดธรรมชาติไปกว่าสัตว์เดรัจฉานธรรมดาสีเกินไปแล้วเหตุร้ายต่างๆที่เกิดขึ้น ทำไมเราถึงไม่คิดว่านั่นมันเป็นเรื่องบังเอิญประจวบเหมาะทำไมถึงคิดว่าเป็นกลอุบายของมันถึงอย่างไรมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานคงไม่มีสติปัญญาจนถึงกับวางเล่วางกลกับเราได้ถึงเพียงนั้นหรอกจริงละ่ะเมื่อเราเริ่มตัดสินใจที่จะมุ่งร่ามันพวกเราต้องเผชิญกับอุปสรรคและเสียงภยัชยชนิดที่เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแต่นั่นมันไม่เป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดมุ่งมานนะที่จะเอาตัวมันให้ได้หรอกหรือ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 มันก็จะเป็นด่านแรกที่พุ่งเข้าใส่เราร้ายกาจเสียยิ่งกว่าไอ้แหว่งเองนี่แปลว่าไอ้แหว่งมีเกราะกันตัวรอบด้านหล่อนมองไปทางจอมปรานพูดหน้าตาเฉยพระเอกแหว่งของเราไปเซ็นสัญญาจ้างเจ้าสมิงมะฮิงสานี่ให้มาคอยเป็นกองระวังหลังโขงของมันกันมังเมื่อเขาไม่ต่อร้อต่อถียงเช่นไรหล่อนก็พูดต่อมาว่า มันจะยากเย็นสักขนาดไหนก็ตามแต่วิธีที่จะตัดปัญหาเรื่องนี้มีอยู่ง่ายนิดเดียวล้มไอ้ธรพีตัวนั้นเสีก่อนหรือคุณมีหนทางอื่นยังไงก็ <shoulders> ต้องเป็นอย่างที่คุณหญิงว่านั่นแหละครับถ้ามายังไม่แยกทางกับไอแ้แหวนเสก่อนแต่ก็หมายความถึงว่าเราจะต้องใช้ความระมัดระวังและหนักใจเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวผมไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้ทราบเพื่อให้เห็นว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่หรือบ่าวกว่าแดงอะไรเลยเพียงแต่เรียนให้รู้ตัวร่วงหน้าเท่านั้น รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเหมือนควายป่าแอฟริกาไหมคล้ายๆ ค, ควายบ้านธรรมดานี่แหละแต่ใหญ่กว่าสองเท่าตัวตัวมันเป็นควายก็จริงแต่ปรับเปียวว่องไวพอๆกับเสือตามปกติแล้วหายากมากจนใครๆ ค, คิดว่าสูญพันธุ์ไปหมดแล้วไอ้ตัวนี้หลงมาจากไหนก็ไม่ทราบผมไม่มีเวลาพอที่จะสารวจรอยย้อนต้นมาที่มาของมันเพียงแต่เห็นมันย่ำซ้อนรอยโขงไอแห่งไปเท่านั้น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 ไอตัวนี้คงจะมโหราหน่าชมจินนะชา ย, ยันเปลยก็ขนาดดินตามไหลผ า, าแข็งๆเป็นรอยกรีบของมันเห็นได้ถนัดนั่นหละครับน้ำหนักพอๆกับแรดขนาดใหญ่เฉพาะรอยกรีบกว้างกว่าฝ่ามือของผมเสียอีกกระทิงที่ว่าขนาดใหญ่ที่สุดรอยตีนก็ยังไม่เท่ามันชา ย, ยันกระเดือกน้ำลายลงคองฝืดๆทำหน้าเบเชิาเอื้อมมือไปดินบรันดีสีหน้าขึมอยู่ในอาการเดิม โดยใจจริงเราต้องการล้มเฉพาะไอ้แหว่งมหาการเท่านั้นแต่ถ้ามันยังไปทําตัวเป็นหนึ่งเป็นพันธมิตรกับไอ้แหวง่งคอยเป็นกองระวังหลังให้อย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้จัดการเก็บไอ้ทธรพียักษตัวนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันถึงไอแหว่งเป็นลาดับต่อไปแม้จะต้องเสียเวลาไปอีกก็ตามให้ตายสิไอ้แหว่งนี่มันมีตบะแ ก, ะก่กล้าเอาจริงๆริงสิ่งร้ายๆต่างๆที่หยุดทยอยกันเข้ามาสกัดกั้นหรือเล่นงานเราเหล่านี้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 ผมกับบุญคำก็เจอฝนมาตลอดบรรยากาศไม่ค่อยจะดีเลยแถวนี้อากาศมันอับๆตะขั่นตะค อ, อยังไงพิกรยิ่งเสึกกว่าโป่งกระทิงอีกเราจะพักอยู่ที่นี่เพียงคืนเดียวเท่านั้นครับระหว่างเชษ่ากับชัยยานันยืนคุยกับพรานใหญ่อยู่อีกสองสาคำดาลินเดินถไลไปพูดอะไรกับแง่ทรายผู้นั่งอยู่บนตอไม้ริมเต็นแล้วก็หายเข้าไปในกระโจมพัก สองชายผู้เป็นนายจ้างก็กล่าวขอตัวไปนอนแยกเข้ากระโจมไปเสียงบ่างร้องแหลมยาวโหยหวนดังแววแซ่ความเงียบลงมาจากยอดไม้ด้านหลังกระโจมพักครั้งหนึ่งแล้วก็เงียบหายไปอีกอือใจใหญ่ๆก็ดังขึ้นอีกทางริมห้วยเกิดกับเสยที่เดินท่อมๆส่องหากบเทียนอยู่ในรำห้วยจำพรวดพลาดกลับเข้ามาโดยเร็วหิ้วกบติดมือมาด้วยคนะพวงใหญ่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 ที่กำลังพูดอะไรกันพึมพาและเดินส่องไฟตามยอดไม้ออกไปทางดงทึบด้านหลังกระโจมพักห่างออกไปทุกขณะเขาคว้าไหล่เฟิ้นผุดลุกขึ้นสาวเท้าตามเข้าไปโดยเร็วมาทันกันที่ใต้ต้นยางใหญ่หลังเต็นหล่อนหันมามองดูเขานิดหนึ่งแล้วก็ไม่สนใจหันไปแหงมองตามยอดไม้ที่แสงไฟของแง่ายส่องต่อไปในมือกระชับมารีนเตรียมพร้อม ส่วนแงาสายพอเห็นรพินตรงรีดเข้ามาก็ยิ้มยิงฟันมองดูเขาเกรงเกรงรีบดับไฟในมือลงแต่หญิงสาวหันไปออกคำสั่งแวดแงาสายใครใช้เธอดับไฟฮะส่องหายพบสิคุณหญิงจะส่องหายพบอะไรครับเสียงเห่าห้าวของรพินขัดขึ้นหล่อนหันมาจ้องเขาด้วยสายตาขุนเขียวตอบสะบัดสบัดก็ไอตัวเวรอะไรที่ร้องเหมือนผี น, นั่นสิ ฉันฟังมันมา น, นานแล้วจะนอนก็นอนไม่หลับทุกครั้งที่ได้ยินขนลุกเกลียวไปหมดครานใหญ่เป่าลมพูออกจากปากโครงศีรษะช้าๆโท่ใจหายใจคว่มหมดนึกว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็ส า, าลุกขึ้นมาประกาศสงครามกับบางอย่าพอพูดบ้าๆควรโทรศัพท์เหมือนไอ้บางผีนั่นอีกคนเลยฉันเกลียดเสียงของมันช่วยสองไฟเข้าบ้างสิคุณหญิงจะยิงมันเชียหรือครับ มันไม่รบกวนเป็นพิษเป็นภัยอะไรกับเราเลยมันก็แค่ร้องไปตามธรรมชาติของมันเท่านั้นก็บอกอยู่นี่ยังไงว่าฉันเกลียดไม่อยากฟังเสียงของมันทำไมมันไม่ไปร้องที่อื่นมาร้องโหยหวนกวนปศาสต์อยู่ได้แล้วมันเรื่องอะไรของคุณด้วยเมื่อไม่ช่วยส่องไฟให้ก็ไปเสียพ้นไปประเดี๋ยวฉันจะมองเห็นคุณเป็นตัวบางไปอีกคนหนึ่งเท่านั้นว่าแต่ว่าคุณหญิงรู้จักตัวของมันแล้วหรือยังครับไอ้บางน่ะ ไม่สำคัญตัวมันจะเป็นยังไงก็ช่างฉันได้ยินมันร้องอยู่บนยอดไม้นี่แหละพอตาสะท้อนไฟเป็นยิงละพานาันกันก็ได้ว่าคุณหญิงไม่มีวันด้วยตัวมันหลอกถึงยังไงมันก็ไม่ยอมให้คุณหญิงเห็นตัวง่ายๆไปนอนเสียดีกว่าพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางแต่เช้าหล่อนไม่ตอบคำใดอีกกะชักไฟไปจากมือแงซายอย่างขัดใจส่องขึ้นประกบกับ ก, บกระโจ ม, มือของรูปกดมารินกระบอกนั้น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 หล่อนคำรามระบผินหัวราะหือห้อในราคอพยักหน้ากับแง่ท า, ายออกคําสั่งไปแง่ทายไปเก็บมาให้ในายหญิงดูสิรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงแง่ท า, ายรับฝฟฉายเดินบุกเข้าไปในโพรงตรงตําแหน่งที่เจ้าสิงนั้นร่วงลงมาอืใจเดียวก็หิ้วอะไรอย่างหนึ่งร่องแรงมาด้วยวางไว้กับพื้นตรงหน้าของหญิงสาวรับผินส่องฝฟฉายให้ดูพอมองเห็นได้ถ น, นัดดารินก็อุทานออกมาเอ๊ะ e นี่มันนกตาหากล่ะนกอะไรกันนี่เหมือนนกคูกแต่ตัวบเบ้อเชียวนกถุกเธ อ, อยังไงละครับบ้าจริงฉันจะยิงบางร่อนร้องอย่างผิดหวังแล้วนฉุนผมบอกแล้วว่าอย่าเสียเวลานอนเลยครับเสียงร้องของมันรวงหูเรามากบางทีนึกว่าดังมาจากยอดไม้ใกล้ๆนี่เองแต่ความจริงมันร้องอยู่ในโรงลึกเห็นตัวมันยากมันไม่ร้องบ่อยนักหอกครับ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 จึงลดลงเลิกหงุดหงืดเสี้ทีเถิดครับคุณหญิงแล้วก็อย่าไปมัวพวงฟังเสียงบางมันร้องกลุ่มภาษาอยู่อีกเลยถ้ายัางไม่ง่วงหรือคิดว่ายัางหลับไม่ลงก็ามาทางนี้ดีกว่าครับมาดูเกยกับเซยถลกหนังกบพวกนั้นได้กบมาแย้ทีเดียวประเดี๋ยวเ ข, า, ข, า, ข, า, ขาต้มเขาต้มกบทานแก้หนาวกันอย่าเดินท่อมๆไปเลยมืดๆ ข, ข, ข้ามๆกลางป่าลึกมันไม่เหมาะอารมณ์ของหล่อนดูจะดีขึ้นเล็กน้อย ชำเรืองมองดูจอมพรานนิดนึ่งแล้วเดินตามต้อยๆมาโดยไม่ปิดปากคำใดอีกอย่างเด็กดือด้อๆที่เพิ่งจะถูกใจในคำพูดเพราะเพราะหูของพี่เลี้ยงพวกนั้นกินเล้าโรงกันไปพรางช่วยกันจัดการถรกหนังกบและคุยกันไปพรางพอเห็นนายจ้างสาวเดินตรงเข้ามาพร้อมกับพรานใหญ่ก็ยิ้มรับบุญคำสระม้าเล็กๆแบบที่พับได้ซึ่งตนเองกาลังนั่งอยู่ก่อนให้แก่หล่อนพรางเชื้อเชิญดารินวางปืนพิงเกวียนคันหนึง่ง ยืนกอดอกมองดูพวกนั้นช่วยกันเตรียมทํเข้าวต้มกบอยู่ครู่หนึ่งก็สุดตัวลงนั่งควักบุหรี่จากกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตออกมาจุดสูบนี่น้วเหลอกลบเทียนที่ไปส่องไฟหากันมิเตกี้หล่อนถามเปิยๆมองดูอย่างสนใจครับเกิดตอบอย่างนอบน้อมนายหญิงทานกบเป็นไหมครับฉันกินไก่ได้ยังไงก็กินกบได้ยางนั้นแหมได้กันมายะจริงกี่ตัวนะ่ะ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 พวกนั้นยิ้มแห่งๆ ห, หันไปมองนูด่ากันเองบุญคำก็ตอบแทนคณะมาว่าก็ทำกันง่ายๆแหละครับนายหญิงต้มข้าวเข้าพอเดือดก็ใส่กลบลงไปเอาเกลือหรือน้ำปลาใส่เท่านั้นก็กินกันได้แล้วหญิงสาวทำหน้าผอืดระอ์ยี่แล้วจะกินเข้าไปลงหรือทำอย่างนั้นนะ่ะเครื่องข่าวอะไรก็ไม่มีสักอย่างจันอ้าปากจะพูด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 ก็เห็นสั่งผมไว้ว่าให้ปลูกถ้าเขาต้มเสร็จตอนนี้เข้าไปนอนเอาแรงก่อนแปลว่าคุณจเกฑ์ห้่ฉันเป็นผู้ดำเนินการเขาต้มกบหม้อนี้เรียกว่าขอคำปรึกษาดีกว่าครับเพราะคุณหญิงก็คงยังไม่นอนในตอนนี้ช่วยพวกผมทำข้าต้มกบดีกว่าจะไปฟังเสียงบางแล้วก็ถือไฟเดินส่องจ้องยิงมันอยู่หม่อมละชวงหญิงดาลินตวาดหางตาผ่านไปหน้าเขาเหมือนจะค้อน ดีนี่เขาใจเราใช้มากนะถ้างั้นทุกคนต้องเป็นลูกมือของฉันรวมทั้งตัวคุณเองด้วยในพรานด้วยความเต็มใจทีเดียวครับใช่คุณ น, นั่นแหละเป็นคนแรกหล่อนบงการเดินไปถามแง่ทายว่าหีบเครื่องครัวอยู่ที่ไหนสิ่งที่ฉันต้องการก็คือน้ำมันหมูกระเทียมพริกไทยปน่นและตั้งชายคุณเลือกดูเถอะมีครบทุกอย่างที่สั่งนี่อ้ออย่าลืมน้าปลาดีแล้วก็ผงชูรส ด, ด้วยไปขนมาที่นี่เร็ว จันขยับจะลุกเพื่อไปทำตามคำสั่งของหลอนแทนพรานใหญ่แต่หญิงสาวกดไหลไว้ออกคำสั่งให้นั่งลงตามเดิมแล้วหันมาพยักหน้าเตือนเขาแล้วผีหนหัวรอบเบาๆลุกขึ้นเดินไปตามบัญชาโดยดีครู่เดียวก็หอบสิ่งที่หลอนต้องการพรุงพลางเดินกลับมาพร้อมกับแงสายผู้ช่วยหิ้วมาด้วยนำมากองเรียงไว้ตรงหน้าหลอนเป็นยังไงหาได้ครบไมครบหมดตามที่บัญชามาครับผม เขารายงานแบบทหารและหัวเราะผมไม่นึกเลยว่าครัวเบ็ดเสร็จฉบับกระเป๋าเคลื่อนที่ของคุณหญิงจะมีอุปกรณ์ครบถ้วนถึงเพียงนี้มีแม้กระทั่งตั้งชายถ้าจะขาดก็ขาดผักสดเท่านั้นจำไว้สิว่าผู้หญิงอยู่ที่ไหนครัวก็อยู่ที่นั่นครัวก็คือท้องและท้องก็คือพลังงานจำไม่ได้หรอกหรือนโปเลียนเคยพูดไว้ว่ากองทัพเดินด้วยท้อง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 จากนั้นก็ผัดรวนเนื้อกบใส่น้ำปลาและพริกไทยพร้อมผงชูรสเติมน้ำจนได้ที่กลิ่นตลบหอมฟุ้งชวนกินแล้วแยกใส่หม้อตะหะไว้อีกหม้อหนึ่งหล่อนรวนเนื้อกบเสร็จก่อนเข้าหม้อใหญ่จะทันเดือดด้วยซ้ําดูหม้อข้าวต้มให้ดีนะหล่อนหันไปร้องบอกบุญคํากะต้มพอให้สุกเท่านั้นอย่าให้เม็ดบานเกินไปนะักมันตักฟองที่ในเวลาเดือดและระวังอย่าให้น้ําแห้งพอได้ที่ก็รีบยกลง บนคำรับคำอย่างกวีกวาดแข็งขันดาลินลุกขึ้นยืนบอกให้เซยนําเอาเครื่องเข้าต้มที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วมาตั้งเรียงไว้รวมกลุ่มการบนตอไม้ใหญ่หน่าเรียบต่อหนึ่งคือกบที่รวนเรียบร้อยแล้วหมอ้อกระเทียมเจียวกระบอกพริกไทยตั้งชายก็เอาออกจากกระปุกใส่ชามไว้และถ้วยน้าําปลาแล้วหล่อนก็หันมาทางรพีนผู้ยืนรูปริมฟี ป, ป่าอยู่เบื้องหลังทีนี้ก็ร้อยข้าต้มสุกเท่านั้นจะต้องให้บอกอีกไม่ว่า ทำยังไงถึงจะให้มันกลายเป็นข้าวต้มกบขึ้นมาพอข้าวต้มสุกก็เททุกอย่างที่เตรียมเอาไว้ลงไปในหม้อมข้าวต้มกวนๆให้มันผสมกันฉลาดเตเลี่ยงราสัตว์แต่งาาแตงโง่มากสำหรับศิลปะในการกินหล่อนพูดเงียบๆสวนขึ้นเสียแรงทำแยกไว้ให้เห็นชัดอย่างนี้จะฉลาดสักนิดก็ไม่มีไออย่างที่คุณว่านะ่นะนะมันข้าวต้มป่าไม่ใช่ข้าวต้มของคนที่เจริญแล้วก็กินกัน มีอย่างหรือเอาไปใส่ปนกันหมดทั้งหม้ออย่างนั้นมันก็เซ็งหมดนะสิแล้วจะไปรู้ได้ยังไงว่าใครต้องการรสชาติแบบไหนตักข้าวต้มใส่ชามตามที่แต่ละคนจะต้องการอย่าแล้วก็ตักกบที่รวนเอาไว้ใส่ลงไปมากน้อยแค่ไหนก็สุดแล้วแต่ตั้งชายโรยลงไปกระเทียมเจียวใส่โรยพริกไทยน้ำปลาเหี่ยวตามรสที่ต้องการใครจะกินเมื่อไหร่ก็ปรุงเอาเองเมื่อ น, นั้นฉลาดขึ้นบ้างหรื อ, อยังหลัดทาซาน รัผินผิวปากหือเอามือตบหมวกสกาดบนศีรษะที่สวมอยู่ลงมาโปะปิดหน้าแล้วแงนขึ้นพวกพรานพื้นเมืองหัวรอกรันคลืนบรรยากาศเงียบเงาเยียบเจนเริ่มอบอุ่นคลืค้นคนขึ้นถ้ามีน้ำส้มพริกดองอีกหน่อยก็สวยเสียงพรานใหญ่พูดอ่อยๆอ อ, ออกมาจากใบหน้าที่ยังมีหมวกคุมปิดอยู่นั้นดาลินหัวราะหึหนี่แหละเขาว่า ความต้องการของนี่แหละเขาว่าความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดได้อย่างนี้แล้วก็คิดจะเอาอย่างงันอีกต่อไปสําหรับน้ําส้มวิกดองที่คุณว่านั่นนะ่ะมันจะไปยากอะไรน้ําส้มใสชูเราก็มีอยู่แล้วถึงพริกชิฟ้าจะไม่มี <S <S ก็เห็นพวกคุณเก็บพริกขี้หนูสดมาสต็อกกันไว้มากไม่ใช่หรือเอาพริกขี้หนูมาดองน้ําส้มกันสิแล้วจะต้องการเสียงดนตรีประกอบอีกไหมจะได้ขนเอาเครื่องสเตอริโอมาเปิดให้ ร่อนประชดจะวิเศษสุดๆวิเศษถ้าจานเสียงที่เปิดเป็นเพลงจ u n เก e f r u i ทที่ระบบอัดในสเตอริโอโฟนิกดารินอดหัวเราไม่ได้ร้องออกมาเบาๆว่าบ้าแล้วก็หันไปร้องบอกพวกนั้นว่าเอาละ่ะฉันจัดการให้พวกเราเรียบร้อยแล้วเขาต้มสุกใครหิวก็กินได้ก่อนเลยแล้วนายชายสองคนละครับ เกิดถามขขงบอกให้ปลูกเมื่อไหร่ล่ะที่ยังคืนและพินเป็นคนบอกหล่อนเลิกแขนเสื้อจะเกิดขึ้นดูนาฬิกาเขามีนี่เพิ่งจะสี่ทุ่มกว่าเท่านั้นเอาไว้ถึงเวลาค่อยปลูกพวกเราใครหิวก็ไม่จะเป็นต้องรอหรอกเสร็จแล้วเอาหม้อข้าต้มตั้งบนกองไฟรุมอ่อนๆไว้ระวังอย่าให้ถูกฝนแล้วเราจะมีข้าวต้มร้อนๆกินกันตลอดคืน ว่าแล้วก็หันไปคว้าปืนทุกกฎที่วางพิงเกียนอยู่เดินทอดน่องเอื่อยๆมีอาการเหมือนจะตรงไปยังกระโจมพักแต่แล้วก็หยุดยืนอยู่ที่โขดหินใหญ่รูปหนึ่งใกล้ต้นกระดาษอันขึ้นซุ้มทึบในระหว่างป่าเฟินรอบด้านใช้ิดฉชยที่ติดมืออยู่ส่องกลาดสำรวจดูในราวป่าอันมืดมิดรอบด้านทั้งระดับสุมทุม่มพุ่มพฤกและตามปลายยอดของกิ่งไม้ที่ปกคลุมหนาทึบ พรานใหญ่เดินตามเข้ามาหยุดใกล้ๆหล่อนก็ถามมาโดยไม่เดี๋ยวหน้าว่าจะตามมาเอาเครื่องเล่นจานเสียงสเตอริโอกะลังเขาหัวเราะปล่าหรอกเขาต้มสุกแล้วอยากจะมาเชิญแม่ครัวใหญ่ไปกระทาพิธีเปิดรายการเอาเลิกหน่อยพวกนั้นกำลังรอคุณหญิงทําไมเดินหนีมาซะก่อนละครับฉันยังไม่หิวหรอกก็บอกแลวว่าให้พวกคุณจัดการกันก่อนถ้าหิว หล่อนพูดเหนื่อยคงสองไฟกราดอยู่ไปมาเช่นนั้นแปลว่าคุณหญิงมิตรทานหรือเสียแรงช่วยทำให้ฉันอาจกินตอนดึกๆ ก, ก็ได้ถ้าหิวแล้วก็หันหน้ามาไปเชิญถามว่าคืนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างสบายดีแล้วหรือฉันหมายถึงบาดแผลที่เย็บไว้ชื่อว่าคงไม่กำเริบอีกครับเพราะตอนนี้ก็รู้สึกเฉยๆ ผมกินยาตามที่คุณหมอให้ไว้โดยเคร่งครัดขอบพระคุณเห็นถูกฝนเปียกน้ำหมอมแมมกลับมาเมื่อหัวข้ามนี่กลัวจะเป็นหนองแต่ถ้าคุณกินยาได้ครบถ้วนตามที่กำหนดให้ไว้ก็คงไม่เป็นไรกระมังระวังในเรื่องสุขภาพหน่อยคุณไม่สบายลงเสียคนเดียวการเดินทางของเราก็ชะงักพอพูดจบคนพูดเองก็เริ่มไอได้จามเพราะความชื้นและเย็นจัดของอากาศ ห่อไหล่สั้นลงและพินยิ้มโปรดอย่า ก, กังวลในเรื่องผมเลยครับว่าแต่คุณหมอเองเถอะทําท่าจะไม่ได้เรื่องแล้วอากาศคืนนี้ชื้นมากผมว่าเข้าไปนอนเสียไม่ดีกว่าหรือครับฉันไม่เป็นอะไรหรอกเป็นหมออยู่เองแล้วพอจะหาทางป้องกันตัวเองได้พรางก็ท่อสายตาออกไปยังพงทึบที่เป็นฉากดําสนิทรอบด้านอัดควันบุรีรึกพึมพํา ตั้งแต่มาถึงที่นี่ในตอนแรกแล้วฉันรู้สึกตะคั้นตะคออย่างไรพี่กรใจคอไม่สบายอย่าไรบอกไม่ถูกพี่ใหญ่กับชายยันก็มีความรู้สึกเหมือนๆกันที่นี่มันเป็นแอ่งกระทะในระหว่างเขาสูงรอบด้านอาจมีใบไม้เน่าๆหลายชนิดที่ร่นลงมาทับโถมกันและเหยเป็นกลิ่นแก๊สทำให้เราหายใจเข้าไปแล้วทาใหรู้สึกไม่สบายชวนใหตะคั้นตะคอและทาใหประสาทไม่ดี แต่เราจะพักอยู่ที่นี่เปลี่ยนแค่คืนนี้เท่านั้นพรุ่งนี้ก็ไปต่อแล้วต่างเงียบกันไปชั่วขณะเสียงกบเทียนยักรงร้องแซ่อยู่ในลำห้วยสลับไปกับจิ้งหรีดเตยไรและนกที่หากินกลางคืนที่ดังมาเป็นเสียงแปลกๆฟังแล้วชวนขนลุกนานๆก็มีเสียงเสือร้องคำรามเรียกหาคู่แววแซ่ยลมดึกและความสงัดของไพรชัดมาจากเชิงเขาต้นของลําห้วย แล้วก็ปรากฏเสียงกระหึ่มของคู่มันโต้อตอบมาจากดงฝั่งตรงข้ามได้ยินอย่างถนัดชัดเจนเหมือนมันจะร้องอยู่ใกล้ๆบริเวณแคมป์นี้เองทันทีที่ปรากฏเสียงคำรนของเจ้าป่าสัตว์ปมะแรงนกและแม้แต่กบในลำห้วยก็สงบเงียบกริบลงชัว่วขณะราวกับนัดกันไว้ครู่ใหญ่โดนตรีป่าก็เริ่มเลงต่อไปตามธรรมชาติของมันและจะเงียบลงในทุกครั้งเมื่อพยัค์ร้ายโกนจะนาบขึ้น หลอนเงี้ยหูสดับรับฟังเสียงเหรานั้นอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วมองสุตาพรานใหญ่นิ่งยิ้มจางๆแววตาเป็นประกายสอ่อแววครึ่งกล้าครึ่งหวาดแล้วก็ทำลายความเงียบขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบาขอสารภาพว่านี่เป็นป่าแท้จริงครั้งแรกที่ฉันเพิ่งเคยพบยกเว้นพวกป่าสงวนซึ่งฉันได้เคยผ่านเข้าไปแล้วในฐานะนักท่องเที่ยวและนักศึกษาฉันเคยนอนฟังเสียงสิงสาราสัตว์มาร้องคำรามในเวลากลางคืน ไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากความเพลาะของมันเพราะว่าในขณะนั้นนอนอยู่ในที่พักอันปลอดภัยแข็งแรงที่ทางอุทยานก็จัดไว้ให้ผิดกับที่เรานอนกันอยู่ที่นี่เป็นตรงข้ามถามจริงๆเถอะพวกคุณนอนหลับกันได้ดีอยู่หรอกหรือเมื่อได้ยินเสียงเสือมันมาร้องอยู่ใกล้ๆเสียงเสือหรือเสียงนกมันก็ไม่ผิดอะไรกันหรอกครับพลานใหญ่ตอบเรื่อยๆเราถือสีย ว, ว่ามันเป็นเสียงของป่า เมื่อเราเข้ามาอยู่ในป่าเราก็ต้องได้ยินเสียงมันอยู่วันยังคำ่ำความจริงมันมีอยู่แล้วว่ามันร้องไปตามธรรมชาติของมันเจ้าเสือตัวที่มันร้องคำรามให้เราได้ยินมันไม่ได้เจตนาให้เราได้ยินหรอกแต่ร้องเรียกคู่ถ้ามันเจตนาร้ายที่มาเป็นภัยต่อเราแล้วมันจะไม่ร้องหรือทำเสียงใดๆขึ้นเป็นอันขาดนอกจากจะย่องกลิบเข้ามาเสือเป็นสัก์สีของป่าป่าไหนไม่มีเสือป่านั้นก็ไม่น่าจะเรียกว่าป่า และขึ้นชื่อว่าเสือแล้วอย่าคิดว่ามันจะจ้องจะเป็นภัยต่อคนทุกตัวไปมันก็จะเหมือนสัตว์ป่าธรรมดาทั่วไปนี่แหละคือคิดหนีหรือคิดหลบปลีกมากกว่าที่จะอยากเผชิญหน้ายกเว้นเจ้าเสือประเภทที่เคยกินคนมาแล้วอย่างที่เคยบอกซึ่งนานๆจะเจอเข้าสักทีและการนอนป่าของเราทุกคนก็นอนกันอย่างพรานอยู่แล้วคือเราไม่เคยประมาทกันเลยประสา ต, ต้องไวอยู่ตลอดเวลา แล้วเขาก็กวาดสายตาไปรอบๆสูดอากาศเย็นเยือกเต็มปอดสำหรับคืนนี้สภาพของป่าไม่น่าจะมีอะไรกลียงเกรงเลยจุนิดเดียวเพราะป่าทั้งป่าคึกคักร่าเริงกันดีตามสภาพปกติผมกล้าพ น, นันได้เลยว่าไอ้ผีขโมย ท, ที่เราเกรงกันคงจะไม่มาในคืนนี้แน่ๆหล่อนขโมดคิ้วฉันไม่เข้าใจหมายความว่ายังไงถ้ยเสือลึกลับนั่นมันมาแล้วก็ อย่าว่าแต่สิงสาราสัตว์อะไรที่ออกหากินได้ร้องกันอยู่ตามธรรมชาติเช่นนี้เลยต่อให้จิ้งหลีหรือจั ก, กจั่นสักตัวก็จะไม่ทําเสียงขึ้นเป็นอันขาดสัญชาตญาณของสัตว์ต่อสัตว์ย่อมจะรู้กันได้ดีเมื่อมันกล้ามกายเข้ามาป่าทั้งป่าเงียบสงัดไปหมดสัตว์อื่นๆจะเะลดิดหนีไปไกลลิบไม่กระลบภัยเข้าที่ซ่อนซุกตัวนิ่งแต่คืนนี้สัตว์ป่าในละแวกนี้คลื้อคลื้นชุกชุมอยู่เป็นปกติ ดาลินด่มตากว้างครางออกมาคำหนึ่งมันมีอิทธิพลถึงขนาดนั้นทีเดียวหรือมันเป็นสรรทาจญยานหลีกภัยชนิดหนึ่งของบรรด า, าสัตว์ป่าทั้งหลายครับคุณหญิงไม่สังเกตหรือว่าเมื่อเสือร้องเมื่อตะกี้กบเขียดก็พากันหยุดเสียงพร้อมกันหมดไม่มีตัวไหนร้องอยู่อีกพอเสียงเสือหายไปนานแล้วมันก็ร้องกันขึ้นอีกสัตว์ที่ด้อยอำนาจกว่าจะเกรงสัตว์ใหญ่ผู้คอยแต่จะพิชิตมันเป็นธรรมดา และกฎนี้ย่อมเป็นจริงเสมอไปถ้าพวกมันสำเนีกภัยที่จะมาถึงตัวมันจะรีบเล้นหนีเอาตัวรอดไปโดยเร็วนั่นแปลว่าทำให้ป่าเงียบเชียบลงและในบรรดาสัตว์ต่อสัตว์ด้กันแล้วมันจะมีสัญชาตญาณรู้ได้ดีกว่ามนุษย์อย่าว่าแต่ไอผีขโมย ท, ที่กลิ่นของมันสามารถสะกดสัตว์ทั้งหลายให้ง่วงเงาสาวซบได้เลยครับขนาดเสือใหญ่กินคนหรือชาวบ้านเรียกกันว่าเสือสมิงอย่างไอกุด เวลามันย่างกายเข้าไปในป่าไหนตุ๊กแกที่อยู่ตมโพรงไม้สูงสูงก็ยองหยุดร้องถ้าเราเคยชินกับป่ามาพอสมควรเราก็จะพอจะจับรหัสป่าได้จากสิ่งแวดล้อมรอบด้านเหล่านี้มีเสียงสัตว์ไร่มากกว่าหนึ่งตัวส่งเสียงขู่กันแฟ่ฟ้าอยู่บนกิกนนก่่่ม่กอป่่บนเ น, น่น่่น่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ แต่แล้วก่อนที่ลาไฟของหล่อนจะพบกับตําแหน่งต้นเสียงก็มีเสียงหล่นพักมากระทบพื้นเบื้องล่างเสียงขู่และคนไปกับการต่อสู้อย่างชุรมูลของสัตว์ขนาดเล็กสองตัวยังคงดังอยู่เช่นนั้นพงกรกและใบไม้แห้งที่มันตกลงมาไว้กระจัดกระจายหญิงสาวลดลาไฟตามติดลงมาทันทีแล้วก็จับอยู่ที่ภาพอัญชุรมูลภาพหนึ่งในกองเถาเครือที่ไม่ทึบนักสัตว์สองชนิดลักษณะใกล้เคียงกัน กำลังฟาดการกลมอย่างดุเดือดหล่อนอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นตัวอะไรนะ่ะหัวขโมยไปจำป่าด้วยกันทั้งคู่ทีเดียวและพผินบอกบนหัวเราะช่วยศาสตร์ไฟไปจับอีกดวงหนึ่งอารมณ์ดุเดือดโกรธแค้นของการวิวาททำให้ทั้งสองสัตว์ยังไม่ได้สนใจกับแสงสว่างอันจุโจมนั้นนะักคงตั้งหน้าตั้งตาฟัดกันติดพันกันอยู่เช่นนั้นชมดแผงกับแมวป่า สงสัยว่าจะขึ้นไปเจอเอาไข่นกหรือลูกนกอ่อนๆในรังบนกิ่งมะกอกนั่นเข้าพร้อมๆกันแล้วก็ทำสงครามแย่งเหยื่อดารินขยับปืนลุกกดด้วยสัญชาตญาณแต่แล้วก็ชะงักลงจ้องมองดูภาพการต่อสู้ของสองสัตว์เล็กนั่นเฉยอึดใจเดียวมันทั้งสองก็รู้ตัวถึงการถูกไฟฉายส่องมาจับพระอจิการหันมามองสู้ไฟเห็นดวงตาแดงเรื่องด้วยกันทั้งคู่ แล้วก็แยกกันเพ่นหนีหลบหายเข้าไปในพุ่มไม้ตัวและทางอย่างรวดเร็วใจหายหมดทีแรกได้ยินเสียงบนกิ่งไม้นึกว่าเสือดาวหญิงสาวพูดบนหัวเราะ ต, ตื่นตื่นแล้วถอนใจเฮือกเราตั้งแคมป์กันอยู่ที่นี่มันไม่น่าจะกล้าเข้ามาป่วนเปี้ยนใกล้ๆเลยเจ้าพวกชมดนางเห็นแมวป่าหมา น, นไม้หรือสัตว์ประเภทกินเนื้อตัวเล็กๆที่ปีนต้นไม้เก่งมันไม่ค่อยจะกลัวคนนักหรอกครับ เพรานิสัยขี้ขโมยของมันนั่นแหละมาดูว่ามันย่องตายไปบนต้นไม้คงไม่มีใครทําอะไรมันได้เผลอๆเข้ามาขโมยเนื้อที่รมควันย่างบนร้านในแคมป์ก็เอาถ้าอยากจะยิงแล้วก็ส่งไฟตามกิ่งไม้ให้ดีประเดี๋ยวก็ได้ยิงแถวนี้ชุมมากแต่ยิงได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรหล่อนส่องไฟเล่นอย่างปจาจ่าความหมายอีกครั้งกระดสูงต่ําไป ร, บรอบๆแล้วก็ไปพบกับดวงตาแดงอีกคู่หนึ่งสะท้อนตอบแสงไฟ มาจากซุ้มรกระดับเดียวกันกับพื้นดินอีกตอนหนึ่งห่างออกไปประมาณ30เมตรตาคู่นั้นจ้องสู้ไฟอยู่เช่นนั้นเป็นเวลาอึดใจใหญ่โดยไม่ขยับขยื่อนนกกินยุงเสียงระพินบอกมาเบาเมื่อร่อนชำเรืองมาทางเขาเหมือนจะถามตัวไม่โตนกครอกขนาดนกเขาใหญ่เท่านั้นที่ในเวลากลางคืนเดือนงายมันชอบเกาะกิ่งไม้ร้องจกจกจกเป็นจังหวะยังไงนะครับ ตาสัตว์ที่สะท้อนแสงไฟเราเห็นพอจะมีหลักสังเกตได้บ้างไหมว่ามันควรจะเป็นสัตว์อะไรชนิดใดก็พอมีหลักให้สังเกตได้กว้างๆอย่างนี้ครับคือถ้าสัตว์ประเภทกินหญ้าเช่นบัวหรือเก้งตาของมันจะออกเขียวหรือฟ้าส่วนสัตว์ประเภทกินเนื้อก็มักจะสะท้อนตอบแสงไฟเป็นสีแดงส่วนที่จะคะแนให้ชัดออกไปว่าเป็นสัตว์อะไรนั้นก็สายความชำนาญและลักษณะพื้นที่ หรือระดับที่เราส่องไปพบตลอดจนช่วงกว้างของลูกตาสมมุติง่ายงายเช่นถ้าตาแดงช่วงตากว้างพบในระดับพื้นดินสูงประมาณไม่เกิน4ี่ฟุตเราก็สันนิษฐานได้ในทันทีว่ามันเป็นเสือก่อนอื่นก็ควรคิดว่าเป็นรายพาดกรอนเพราะนิสัยของมันชอบเดินอยู่ตามพื้นดินแต่ถ้าพบบนที่สูงเป็นต้นว่ากิ่งไม้ก็สันนิษฐานว่าเป็นไอ้ดำหรือไอ้ดาว ตาในลักษณะเดียวกันที่ดวงเล็กกว่าช่วงแคบกว่าก็อาจเป็นพวกชมดอีเห็นหมาไม้ลิงลมแมวป่าหรือเสือขนาดเล็กสองสามชนิดตาสีเขียวฟ้าถ้าเตี้ยมากก็ควรเป็นกระจงสูงขึ้นมาอีกนิดก็เป็นแก้งหรือลูกกวางและถ้าสูงมากถ้าไม่หัวแดงก็กระทิงนกที่หากินกลางคืนทุกชนิดตาล้วนสะท้อนแสงตอบไฟฉายทั้งนั้นถ้าไม่สังเกตให้ดีอาจเข้าใจเป็นาศาสสีเท้าไปก็ได้ แล้ววิธีฟังการเคลื่อนไหวของมัาล่ะได้ยินเฉพาะการเดินหรือเคลื่อนที่ของมันเราจะรู้ได้อย่างไงว่ามันเป็นสัตว์อะไรอันนี้อธิบายยากครับใครก็ตามที่ต้องการจะจับเสียงการเคลื่อนไหวของสัตว์เพื่อจะให้รู้ชนิดของมันชัดออกไปนั้นต้องมีประสบการณ์อยู่บ่อยๆจนเรียกว่ากลายเป็นสัญชาตญาณไปทีเดียวจะตั้งเป็นกฎหรือเป็นหลักตายตัวลงไปไม่ได้ยกเว้นสัตว์บางชนิดเป็นต้นว่าช้าง เพราะช้างตัวโตวเวลาเดินก็มักจะรากกิ่งไม้ดูเป็นทางไปทีเดียวมีเสียงให้ฟังได้ชัดเจนถึงงั้นก็ตามปะเหมาะบางทีช้างก็เดินย่องเข้ามาทางข้างหลังเราโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันในกรณีที่บูมิประเทศเป็นป่าปโปรง่งไม่มีพุ่มไม้หนาแน่นและเป็นพื้นดินแข็งกิึ้งเกลี้ยงโดยไม่มีเศษกิ่งไม้ร่วงอยู่ตามปกติแล้วช้างเป็นสัตว์ที่มีฝีเท้าเดินเบามาก นอกจากตัวของมันที่ไปรากหญิงและพุ่มไม้อันเนื่องมาจากความใหญ่โตเกะ ก, กะส่วนสัตว์ประเภทสิเท้าเป็นกี่บเวลาวิ่งถ้าหูชำนาญก็พอจะบอกได้ว่าเป็นสัตว์กี่บประเภทไหนอนาศัยฟังจากเสียงหนักเบาและเสียงควบของมันเสียงขบเคี้ยวอาหารอย่างหนึ่งเสียงกินน้าอีกอย่างหนึ่งนอกจากนั้นก็เป็นเสียงหายใจเสียงสะบัดตัวแกว่งหางหรือเอาลําตัวเสียสีกับต้นไม้เหล่านี้ ล้วนบอกชนิดของสัตว์ได้ทั้งสิน้นแต่ต้องหมายถึงว่าผู้ฟังเคยชินเสียจนเป็นสันทายานอย่างที่ผมบอกแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นนักผมเองก็เคยคะเนชนิดของสัตว์ผิดอยู่บ่อยๆโดยอาศัยจากการฟังเสี ย, ยงนี้เรื่องของการล่าสัตว์หรือวิชาพรานสอนกันโดยทฤษฎีไม่ได้ผลนักหรอกครับนอกจากประสบการณ์ที่คุณเคยอยู่บ่อยๆอย่างคุณหญิงเป็นต้น ถ้ามีโอกาสเข้าป่าราสัตว์ร่วมอยู่กับพรานที่ชำนาญดีด้วยตนเองแล้วผมก็กล้าท้าพนันได้ว่าคุณหญิงไม่มีทางที่จะเขียนออกมาเป็นวิทยา น, นิพนธ์หรือตำราสอนใครโดยทฤษฎีให้ได้ผลได้นอกจากจะโมเมโกหกเอาหลอนหัวเราะออกมาเบาๆพยักหน้าเนิบๆถ้าจะจริงนะไม่งั้นใครๆที่คิดจะเดินป่าหรือราสารัตว์ก็ควรจะเรียนเอาไดจากตำราแล้วก็ไม่จาเป็นจะต้องจ้างพรานให้เสียเงินเปล่า แต่นี่ก็เห็นต้องพึ่งพรานกันทุกครั้งไปแต่ว่าที่บรรดาผู้อวดอ้างตนเป็นพานใหญ่ทั้งหลายเขียนตำราการล่าสัตว์ไว้เป็นต้นว่าล่าเสือจะต้องทำอย่างนั้นล่าช้างจะต้องทำอย่างนี้อุปนิสัยใจคอของสัตว์ป่าแต่ละประเภทและอะไรต่ออะไรจิปาเถะก็ร้วนเป็นเรื่องไม่จริงทั้งนั้นสิคุยโมกันไปนั้นเองมันก็พูดยากมีความจริงอยู่ข้อหนึ่งที่ผมกล้ารับรองได้ก็คือ ไม่เคยมีพรานอาชีพแท้ๆคนไหนเป็นนักเขียนตำราแม้จะเป็นตำราล่าสัตว์เท่าๆกับที่นักเขียนอาชีพแท้ๆก็ไม่เคยเป็นพรานส่วนมากเป็นเพียงแต่นักนิยมภัยสมัครเล่นที่เขียนกันขึ้นไว้เกี่ยวกับในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีตำราเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือวิธีล่าสัตว์ป่าที่ถูกต้องสมบูรณ์เกิดขึ้นได้อย่างผมเป็นพรานอาชีพจะให้ผมเขียนเป็นตำราขึ้นผมก็เขียนไม่ได้เพราะไม่รู้จะเขียนยังไง ไม่รู้จะวางหลักเกณฑ์แน่นอนออกเป็นทฤษฎีตายตัวได้อย่างไรในเรื่องของป่าอย่างไรก็ตามเ ท, ท่าที่เขาเขียนเขียนกันไว้เป็นส่วนมากก็พอจะใกล้เคียงความจริงอยู่บ้างเหมือนกันครับจะถือเป็นเรื่องเหลวหลายเสียเลย ก, ก็ไม่ได้ในทํานองเดียวกันก็ไม่สามารถจะนำมาเป็นบนรรทัด ฐ, ฐานตายตัวลงไปอย่างที่ผมบอกมาแล้วคือมันล้วนมีข้อยกเว้นหรือกรณีพิเศษได้ทั้งนั้นแล้วเขาก็หัวเราะ ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเสือที่จัดว่าเป็นสัตว์ร้ายน่ากลัวที่สุดสําหรับนักเดินป่าทั้งหลายบางตัวโผล่มาเจอกันประจันหน้าผมตวาดทีเดียวเปิดอ้าวไปบางตัวทั้งๆ ท, ท, ที่ขัดห้างนอนมายังพยายามจะตายขึ้นไปเล่นงานผมให้ได้อย่างนี้เป็นตน้นแล้วเราจะถือเป็นกฎแน่นอนลงไปได้อย่างไรว่าเสือเป็นสัตว์ขี้ขาดหรือสัตว์ที่กล้าหาญกันแน่พานชํานาญทุกคนไม่กล้าที่จะยืนยันให้หลักเกณฑ์ตายตัวลงไปหรอกครับ มันแล้วแต่ภูมิประเทศเหตุการณ์และแต่ละกรณีไปหลักที่จะยึดได้อย่างเดียวกันคือสติอันแน่วแน่มัน่นคงและปืนเที่ยงเท่านั้นนอกเหนือไปจากนี้ก็ให้ถือเป็นความํำนานเฉพาะตัวที่ อ, อธิบายกันไม่ได้ผมเองก็ไม่ใช่ว่าจะกล้าหาญชาญชัยอะไรอันที่จริงผมกลัวสัตว์ร้ายทุกชนิดนั่นแหละแต่อศัยที่ถ้ามันจะเล่นงานผมผมมักจะรู้ตัวหลีกกลบ หรือมิฉะนั้นก็สกัดกั้นมันไว้ได้ทันก่อนที่มันจะทำอั น, อนตรายและไม่ว่ามันจะหนีไปทางไหนถ้าผมต้องการจะเอาตัวมันผมก็สืบสอะแกะรอยเอาจากหลักฐานที่มันทิ้งไว้ตามธรรมชาติของมันว่าการตามจริงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องลึกลับพิสดารอะไรเลยเป็นตักกาสตา์ธรรมดานี่เองความจำเจทำให้คนเราเกิดความชนานาดาลินไอติดติดกันอีกสองสามครั้งหล่อนเริ่มเป็นวัดแล้ว ฉันเห็นจะต้องไปนอนก่อนละเชิญครับหญิงสาวเดินกลับเข้าไปในกระโจมระบปีนก็ย้อนกลับไปที่กลุ่มพานพื้นเมืองของเขาประมาณเที่ยงคืนกว่าเล็กน้อยเขาก็บอกแง่าสายให้ไปปลุกเชษฐากับชายยันลุกขึ้นมากินข้าวต้มกบนายจ้างทั้งสองออกมาสมทบด้วยความเต็มใจและร่วมกินพร้อมทั้งสนทนาอยู่ด้วยแต่ไม่ปรากฏเงาของดารินปลุกน้อยแล้วเห็นบอกว่าไม่ค่อยสบายและไม่หิวขอ น, อนอนต่อ พี่ชายของหล่อนบอกเมื่อระพินถามถึงน่าเสียดายอุตส่าห์เป็นคนลงมือปรุงข้าวต้มเองไม่รู้ขึ้นมาทานด้วยเขาต้มกบหม้อนี้น้อยเป็นคนทำเหรอชายยันโซดโ ธ, โธโธด้วยความอรดอร่อยเลิกคิ้วถามอย่างแปลกใจครับฝีมือคุณหญิงไม่สังเกตรหรือครับเรื่องเครื่องข่าวออกครบรสก็เยี่ยมถ้าพวกผมทามกันคุณชายกับคุณชายยันเห็นจะกินไม่ลงแน่ เอ๊น้อยลูกมาช่วยทํำข้าวต้มกบตอนไหนนี่ก็ตอนหนูข้ามเข้านอนพร้อมๆกันนี่นาเชิดถากระพิษตางง ง, งพอคุณชายกับคุณชายยานเข้านอนสักครู่ตอนที่พวกผมกําลังถลกหนังกบกันอยู่คุณหญิงคว้าปืนออกมาไล่ยิงบางครับเห็นบอกว่ารําคาญเสียงของมันนอนไม่หลับแทนที่จะยิงถูกบางกลับสอยอนกถึกถื อ, ถอล่วงลงมาตัวหนึ่งท่าทางหงุดหงิดผมก็เลยชวนให้มาช่วยทำขา้ขาวข้าวต้มกบ อากาศมันชื้นมากคงจะถูกระอองฝนเลยทำให้ไม่สบายช่วยทำข้าวต้มเสร็จก็เข้านอนเลยผมกับชายยานหลับสนิทไม่ได้ยินเสียงปืนเลยลูกกดนะครับดีไม่ดีคืนนี้เลยจับ่ข้ใหญ่สิก็ไม่รู้แล้วพรุ่งนี้ก็เสียเลิกแทนที่จะตามไอ้แหวงกันได้ตามที่กะไว้ชายยานบ่นอย่างวิตกตัวเป็นหมออยู่เองปล่อยให้ไม่สบายมากก็แย่เต็มที แต่อากาศที่นี่คืนนี้มันเร็วจริงๆเชษฐาพูดเบาๆขณะนั้นฝนเริ่มพรมเป็นระอองหนายิ่งขึ้นมีเสียงลมพัดป่ารอบด้านโยกไหวยอยุ่คลืนครันและค่อยๆเข้าใกล้มาเป็นลำดับกิ่งไม้ร่วงหักอยู่เป็นระยะหน้าเกรงว่าจะเกิดพายุพวกลูกหาบถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเพื่อย้ายเข้าของสัมภาระเข้าไปในที่ปลอดภยัยและผูกควายไว้ให้แน่นหนาอึดใจต่อมาฝนก็ตกหนักชนิดลืมหูลืมตาไม่ขึ้น ฟ้าแลบขนองกล้องอยู่ตลอดเวลาเชษฐาและชายยานคว้าเสื้อฝนออกมาคลุมตัวช่วยพรานใหญ่ควบคุมสังงานพวกลูกหาบจนเป็นที่เรียบร้อยพอใจแล้วก็กลับเข้าไปนอนต่อไฟทุกกองที่พยายามก่อไว้รอบนอกถูกฝนดับหมดนอกจากไฟสายฝนกองใหญ่กองเดียวซึ่งบัดนี้ก็เพียงแค่คุกกลุ่นเป็นฐานแดงๆเท่านั้นทุกคนห่อตัวอยู่บนเกวียนที่คุมไว้ด้วยผ้าใบและพลาสติกนอนกันอย่างเบียดเสียดเยียดยัด พื้นดินปนหินเบื้องร่างนองจึงไปด้วยน้ำเบริเวณแคมป์ทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิดนอกจากภายในกระโจมเองก็ขรุบขลักไม่น้อยเหมือนกันเพราะน้ำนองจึงเข้ามากว่าฝนที่กระหน่ำหนักจะหยุดลงก็เป็นเวลาประมาณตีสองทุกคนหลับสนิทนอกจากพวกอยู่เวรยามก่อนที่เพลนผ่านใหญ่จะล้มตัวลงนอนหลับไปเขาเห็นเงาตะวคู่ของแง่ท า, ายมายืนยิงฟันขาอยู่ท้ายเกวียนขมวด ขโมดดงคงไม่มาคืนนี้ความเห็นของแงสายตรงกันกับของเขาระพินยกมือปิดปากหาวอย่าประมาทแต่แกไปนอนได้แล้วแงสายตอนนี้เป็นยามของจันแง่า ย, ายพระหายไปในเงามืดคืนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปอย่างปกติเรียบร้อยโดยไม่เกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งรุ่งเช้า กว่าจะเริ่มต้นออกเดินทางได้กะระวงเข้าไปสามโมงเช้าเพราะความขุขุกลั ก, ลกอันเกิดจากฝนเมื่อคืนและอากาศที่มืดสลัวมองไม่เห็นแสงตะ ว, วันนอกจากประอองหมอกหนาที่ปกคลุมไปทั่วมองเห็นเบื้องหน้าออกไปได้ในระยะไม่เกิน30เมตรดารินเหมาะสมแล้วที่เป็นแพทย์ด้วยตัวเองเช้าวันนี้สุขภาพของหล่อนเรียบร้อยเป็นปกติดีเหมือนเดิมแม้ว่าในตอนกลางคืนที่แล้วมาทาท่าจะไม่สบาย ทิศทางเดินบ่ายหน้าขึ้นสูงเป็นลำดับที่สุดก็มาเดินอยู่บนสันเขาอย่างยาวเยียดหมอกคงปกคลุมอยู่หนาทึบเช่นนั้นจนกระทั่งเกือบเที่ยงจึงบาบางลงบ้างพอจะสังเกตเห็นภูมิประเทศได้ชัดและพินส่งพรานของเขาสองคนออกเดินนำหน้าสำรวจทางไปเว้นระยะห่างประมาณสองร้อยเมตรเพราะอาศัยด่านช้างเป็นทางเดินความที่หมอกลงจัดจนสังเกตเห็นอะไรไม่ได้มาตลอดเวลาจนใกล้เที่ยง เกรงว่าจะเดินสวนกับโขลงช้างเข้าในระยะกระชั้นชิดเกินไปตลอดระยะทางไม่ปรากฏวี่แวว ร, ร่องรอยของสัตว์ใดๆทั้งสิ้นนอกจากนกยูงที่ชุมมากเป็นพิเศษซึ่งมันจะตื่นตกใจเมื่อขบวนเกวียนเคลื่อนผ่านเข้าไปใกล้บินพรวดพราดขึ้นมาจากลานดินในซุ้มไม้ทึบขึ้นไปเกาะ อ, อยู่บนยอดไม้สูงส่งเสียงร้องลั่นเสียงไก่ป่าขันแท่เป็นหมดแต่มองไม่เห็นตัวนอกจากเสียงกระพือปีกบินพื้นับอยู่ในพงทึบ รอยเท้าสัตว์ต่างๆตั้งแต่หมูป่าขึ้นมาจนกระทั่งกระทิงและเห็นกราดเกลื่อนไปตลอดทางซึ่งเป็นรอยย่ำไว้เมื่อคืนแต่รอยช้างเป็นรอยเก่าป่าสองฟากทางเต็มไปด้วยรวงพึ่งและกล้วยไม้ประเภทเอื้องและหวายสีสันแปลกๆตาขึ้นหยุดตามขาคบไม้ใหญ่และซอกหินผางามสะพังผิดไปจากป่าทุกตอนที่ผ่านมาแล้วสลับไปกับเฟิร์นเถาเครืออันสวยสด ราวกับจะมีใครมาแกล้งแต่งประดับไว้คณะนหนจ้างทั้งสาพาการชมภูมิประเทศรอบด้านนั้นด้วยความตื่นตาตื่นใจแช่มชื่นเบิกบานขึ้นทำไมตาพานของเราไม่ตั้งแคมป์อยู่ในภูมิประเทศอย่างนี้บ้างนะจะได้มีความสุขหน่อยเพราะธรรมชาติงามเหลือเกินนี่หยุดพักตั้งแคมป์แต่และทีหายใจแทบไม่ออกดารินบ่นเบาๆขณะที่สูดลมหายใจเข้าเต็มปอด เหลียวมองเป็นรอบด้านด้วยอารมณ์ที่สดชื่นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าป่ามานกและผีเสื้อหลากสีพากันบินอยู่กลาดเกลือนมีฐานน้ำตกเล็กๆพุ่งออกมาจากเวิ้งขวากผาที่เห็นเขียวชอุ่มสลับไปกับสีเหลืองแดงและม่วงของดอกว่านชูช่ออยู่สะพรั่งระหว่างที่ขบวนเกวียนทั้งหมดกำลังลุยข้ามลำธารตื้นๆใกล้ผาน้ำตกดาลินผู้ใช้กล้องสองทางกายกาดสองดูนกกับผีเสื้อและกล้วยไม้ก็มาสะดุดชะงัก จับภาพนิ่งอยู่ที่เงามืดคล้มที่ขาคบไ่ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งเอื้องพึ่งออกช่อเหลืองอารามห่างออกประมาณแปดสิเมตรขณะนั้นเกวียนทุกคันหยุดพักชั่วระยะเวลาสั้นๆเพื่อให้ควายหยุดดื่มน้ำเสียงอุทานเบาๆของร่อนทาให้เชษฐากับชายยันผู้ยืนอยู่บนเอกเกวียนใกล้ๆหันขวับมาอะไรน้อยทั้งสองถามเป็นเสียงเดียวกัน กล้องอันนี้คงไม่หลอกตาแน่ในเงามืดที่คบไม้สูงริมผาน้ำตกโน่นน้อยเห็นปากแดงๆ แ, แล้วก็ตาเขียวๆคู่หนึ่งฮา่าชายันร้องคว้ากล้องประจำตัวขึ้นมาส่องตามโดยเร็ว เ, วเชษฐาก็เอากล้องของตนส่องด้วยเป็นเวลาเดียวกับรัพยิเดิ น, ดนรวยน้ำเข้ามาหาอะไรหรือครับเสือดำเชษฐาบอกด้วยเสียงแผ่วเบาแล้วเอากล้องออกจากตาพยายามเพ่งดูด้วยตาเปล่าอีกครั้ง พางส่งกล้องม้พรานใหญ่และผินจ้องไปทางด้านที่ชี้บอกนั้นด้วยตาเปล่าแล้วยิ้มออกมาครับเขาละใครเป็นคนเห็นก่อนครับนี่ตาดีเหลือเกินระยะไกลออกอย่างนั้นน้อยสองกล้องไปพบเข้าโดยบังเอิญนนะ่ะหมอบนิ่งอ้าปากแดงแฉอยู่นั่นเองไม่ยักเพ่นหนีระยะมันห่างมากครับและมันไม่คิดว่ามันจะซ่อนอยู่อย่างนั้นเราจะเห็นมัน นี่ถ้าไม่ชี้ดูผมก็หันไปไม่เห็นเหมือนกันเพราะไกลลิฟบังอยู่ในความมืดด้วยจะไม่ลองซ้อมมือดูหรือครับประโยคหลังเขากล่าวขึ้นรอยๆมองไปยังทั้งสาเชษฐาชา ย, ยันและดารินหันมามองดูตากันเองใครจะยิงก็ยิงฉันน้าไม่หรอกเชษฐาคงเป็นผู้ใหญ่อยู่เสมอน้อยเป็นคนเห็นน้อยก็ควรยิงชา ย, ยันบอก เธออยากลองยิงเสือมานานแล้วไม่ใช่เหรอเอาซ์ดาลินเกียงเพราะเห็นว่าระยะมันห่างออกไปมากและเห็นตัวไม่ถนัดมือประการสิทธิ์อย่างหลอนในขณะที่สายตาของพรานใหญ่และพินเฝ้าเป็นสกีพยานอยู่เช่นขณะ น, นี้ถ้าไม่แน่ใจว่าสามารถจะยิงมันร่วงลงมาได้ในกระสุนนัดเดียวหล่อนก็ไม่คิดที่จะยิงให้เสียเชิงมาฉันยิงเองก็ได้แต่เห็นไม่ถนัดนะไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่า ชายยานพูดเบาๆลูบมือไปมาแล้วหยิบจุดสองเจ็ดศนวินเชสเตอร์ติดศูนย์กล้องของดาลินขึ้นมาเจ้าของปืนสองกล้องจับอยู่ที่ภาพเสือดำตัวนั้นพูดยิ้มยิ้มไม่ต้องมาออกตัวพนันกันก็ได้ว่าผิดเธอ่ะแน่ใจว่าคว่ำ ม, มันลงได้ไหมดาลินยักไหลฉันบอกเลยว่าฉันไม่ต้องการยิงเพราะรู้ว่าไม่ถูกก็เลยไม่อยากยิงอย่ามายุ่วนะจะยิงก็ยิงเถอะ ถึงผิดก็ไม่มีใครเขว่าอะไรหรอกอุตส่าห์ญิงแล้วยังมาทําพูดมากอยู่ได้ชัยยันยกปืนขึ้นประทับแต่แล้วก็ลดปืนลงยกมือขยี้ตาพยายามเพ่งเป้าหมายอีกเชี่ยวาเห็นท่าไม่เป็นเรื่องก็ร้องห้ามมาว่าถ้าคิดว่าจะยิงมันไม่อยู่แล้วก็อย่ายิงดีกว่าเปลืงกระสุนหนวกหูป่าแตกสิปเปล่าๆดีไม่ดีกายเป็นสือลาบากเดือดร้อนชาวป่า ท, ที่หลัง อดีตในพันตีทหารปืนใหญ่ถอนใจเฮือกลดปืนลงเป็นความหมายว่าไม่ยิงดีกว่าเพราะไม่แน่ใจทันทีนั้นเองดาลินก็ช่วยปืนกระบอกนั้นมาไม่ได้หล่อนบอกหน้าตาเฉยง้างนกแล้วต้องยิงเมื่อไม่มีใครยิงพรานใหญ่ก็ต้องยิงแทนเอา้านี่ปืนยิงให้ถูกนะแล้วก็ยิงด้วยปืนของฉันกระบอกนี้ดีกว่าปืนของคุณอีกเพราะติดกล้องขยายสี่เท่าอย้ายผิดเป็นอันขาด เป็นคนบอกเองไม่ใช่หรือว่าให้รองซ้อมมือคุณนั่นแหละซ้อมให้เราดูดพินหัวรอกขันขันเข้าใจเจตนาเพื่อจะรองดีของหล่อนได้เป็นอย่างดีรับปืนมาโดยไม่ต่อความยาวสาวความยืดอะไรทั้งสิน้นวางปืนของตนพิงเกวียนไว้ยกขึ้นประทับเล็งในศูนย์กล้องความจริงเขาก็เห็นไม่ถนัดเหมือนกันและล้องที่ติดสองเจ็ศย์กระบอกนั้นก็ไม่ได้ให้ความกระจ่างชัดอะไรมากนกะ เงาใ บ, บาไม้บางนอกจากอาศัยคำนวณเอาว่าศีรษะมันอยู่ตรงไหนอึดใจเดียวก็แตะไก่รั้นกระสุนเปรี้ยงออกไปมีเสียงร้องอ้าวแผดกลงมาพร้อมกันทุกคนก็เห็นเงาอะไรชนิดหนึ่งพิกร่วงลงมาจากคาคบอันมืดครึ้มนั้นประทางกิ่งไม้รูปเป็นทางและหล่นพรากลงมากระทบโขดหินบิมดําทานดิ้นเป็นวงกลมหางยาวปัดกวาดไปมาราวกับงูแล้วก็แน่นิ่งไป ท่ามกลางเสียงร้องกระหึ่มของพวกลูกหาบที่จ้องมองดูจอมพรานหันมาขยับปีกหมวกให้หญิงสาวผู้ยืนคอแข็งอยู่แล้วส่งปืนกลับคืนไปให้